ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่าพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกังจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรักชัยเชีย่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่14มีชื่อตอนว่าปิศาจนวดแดงเมาหลักในศาลเจ้าหลิงกวนเจ้าสวรรค์จำหลานที่หมู่บ้านฝั่งตะวันออกส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆท่าน รับฟังได้นะบัดนี้ตอนที่ในดาบเลยเหงเข้าไปตรวจสารเจ้าหลิงกวนก็เห็นบุรุษหนึ่งตัวโตวสูงใหญ่ดังยักษ์ปักหลันนอนเเยงอยู่บนโต๊ะบูชาพวกคนตระเวนก็โคตรล้อมจับไว้แล้วลากตัวออกไปข้างนอก โ อ, โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพวกเจ้ามาทำอะไรเนี่ยข้ากำลังนอนหลับสบายเลยเอา้าเอา้าจะล่าขึ้นไปไหนตอนนั้นพึ่งยามห้าท้องฟ้ายังไม่ทันสางเลยเหงงจึงพูดขึ้นว่าเฮ้ยแล้พายบัดซบคนนี้ไปคุ้มผู้ใหญ่บ้านเจ้าหาข้าวเช้ากินที่นั่นเสี็ก่อนแล้วค่อยคุมตัวมันไปส่งให้ทางการสอบสวนแล้วคณะลาตระเวนก็รีบรุดไปยังคุ้มผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้านฝั่งตะวันออกนั้นใช้แซ่เจา้าชื่อตัวชื่อไก่เกิดในครอบครัวมีอันจะกินอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้มานานหลายชั่ว อ, อายุคนแล้วผู้ใหญ่บ้านเจา้าชอบเผชิญหน้ากับความอายุทีรทำชอบช่วยเหลือคนยากคนจนไม่มีอะไรจะให้ชอบไปมากกว่าได้คบค้าสมาคมในหมู่ผู้กล้าทุกครั้งที่คนเหล่านั้นแวะมาหาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆผู้ใหญ่บ้านเป็นต้องเป็นธุระจัดหาข้าวปลาอาหาร ให้ที่พานักพักพิงปกป้องโภยภัยหากมีทางหนีทีไล่พร้อมจะไปผู้ใหญ่เจ้าก็จะออกเงินทองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นคนแข็งแรงพระกกำลังกล้าแข็งชอบที่สุดคือรำกระบี่ตีกระบองผู้ใหญ่เจ้าไม่เคยแต่งงานวันวันจึงเพาะกายเล่นกล้ามตั้งแต่เช้ายันค่าเป็นนิจศินนอกประตูเมืองหยุนเสงด้านตะวันออกมีหมู่บ้านขึ้นสังกัดสองแห่ง เนื่องจากมีห้วยใหญ่ไหลผ่ากลางบ้านหนึ่งจึงได้ชื่อว่าหมู่บ้านฝั่งตะวันออกส่วนอีกบ้านหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านฝั่งตะวันตกแต่ก่อนเคยมีผีจมน้ําตายคอยรังควานหลอกหลอนคนบ้านฝั่งตะวันตกแม้จะเป็นกลางวันแสกๆวิญญาณคนตายก็ยังโอหังบางอาจล่อลวงผู้คนไปจับกดไว้ใต้น้ําไม่มีผู้ใดปราบพวกมันได้วันหนึ่งพระธุดงเดินผ่านมาชาวบ้านก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง พระรูปนั้นชี้ไปยังที่ที่หนึ่งแล้วสั่งให้ชาวบ้านไปขนหินดํามาก่อเป็นเจดีข่มผีชายน้ําไว้ผลที่ตามมาก็คือผีคนตายหนีไปจากหมู่บ้านฝั่งตะวันตกแต่กลับย้ายไปหลอกฝั่งหมู่บ้านตะวันออกแทนซะฉิบพอเจ้าไก่ทราบเรื่องก็เครืองจัดแหวกน้ําไปใช้มือข้างเดียวยกเจดีหินย้ายมาประดิษฐานไว้ที่ฝั่งตะวันออกนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าไก่ก็กลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือ มีผู้คนนับถือไปไกลชาวบ้านร้านถิ่นต่างขนานนามให้ว่าเจ้าไก่เจ้าสวนย้ายใจดีต่อมาเจ้าไก่ได้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านบรรดาผู้คนทั่วทั้งยุทธภพต่างเคารพในศักดิ์ศรีรู้สิ้นชื่อเสียงกิติภูมิของเขาเป็นอย่างดีเช้าวันนั้นเหลยเหงกับพลตระเวนก็พากันไปเคาะประตูรั้วคุ้มบ้านผู้ใหญ่เจ้าเมื่อบ่าวรู้ว่าผู้ใดมาหาก็รีบเข้าไปรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบ ตอนนั้นเจ้าไก่ยังนอนอยู่บนเตียงแต่พอได้ยินว่านายดาบเหลยมาจึงรีบบัญชาบ่าวไพร่ให้ไปเปิดประตูใหญ่รับบ่าวนั้นรีบทําตามคําสั่งโดยไวผลตระเวรคุมตัวไอ้บิ้มผู้นั้นไปแขวนไว้กับคือในเรือนรับรองเสร็จแล้วเหลยเหงก็พาระดับหัวหน้าราวสิบคนไปรอผู้ใหญ่บ้านอยู่ในห้องโถงเจ้าไก่เพิ่งตื่นนอนก็กระวีกระวาดออกมารับแขกที่พากันมานั่งรออยู่ในห้องโถงแล้วทักขึ้นว่า แม่กิจธุระอันใดที่นำท่านมาถึงที่นี่ท่านนายดับเลยเห็นตอบว่าท่านเจ้าเมืองบัญชายข้าน้อยกับจูถงผาพลตระเวนสองกองออกมาจับจอนขอรับตอนนี้พวกเราเหนื่อยนักใครจะพักสักประเดี๋ยวหนึ่งจึงได้มาที่คุ้มบ้านท่านหวังใจว่าจะไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนักนะขอรับเจ้าไก่จึงว่าหาไม่ได้แล้วหันไปสั่งบ่าว ให้เตรียมข้าวปลาอาหารและเหล้าและให้นําน้ําชาออกมาบริการก่อนแล้วเอ่ยขึ้นว่าแล้วท่านจับโจรขโมยที่หมู่บ้านเราได้หรือไม่เลยเห็นว่าเมื่อกี้เราเพิ่งพบไอ้บิ่มผู้หนึ่งแอบไปหลับอยู่ในสารเจ้าหลิงกวนนอกหมู่บ้านข้าเห็นว่ามันหาใช่สุภาพชนคนทํามาหากินไหมเพราะไปเมาหลับจึงได้จับมัดกําลังจะพาไปมอบตัวให้ทางการอยู่พอดีแต่เพราะประการแรกด้วยเวลานี้ยังเช้านัก และประการที่สองข้าอยากจะแจ้งให้ท่านผู้ใหญ่ทราบเรื่องเอาไว้ก่อนเพื่อทางเจ้าเมืองเกิดถามขึ้นมาท่านจะได้ตอบได้ตอนนี้ข้าเอาตัวมันไปแขวนไว้ที่เรือนรับรองโน่นแล้วครับเจ้าไก่พยักหน้ารับแล้วว่าขอบพระคุณท่านนายดาบที่มาแจ้งข้าไม่ทันนา น, านบ่าวไพร่ก็ยกเล่ากับอาหารจานเนื้อเข้ามาเจ้าไก่จึงพูดขึ้นว่าไม่คุยกันในห้องนี้ไม่สะดวก เชิญเข้าไปห้องข้างในดีกว่าแล้วหันาหามาสั่งเบาะแคร่ให้จุดตะเกียงขึ้นถือพาเลยเหงก็ไปยังห้องด้านในหลังจากพากันนั่งตามธรรมเนียมโดยเจ้าไก่นั่งเก้าอี้เจ้าบ้านส่วนเลยเหงก็นั่งเก้าอี้แขกแล้วเบาวแคร่สองสามคนก็ยกของขบเคี้ยวเข้ามาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นคอยรินสุราบริการอยู่ไม่ขาดเจ้าไก่กำชับบ่าให้ออกไปดูแลเหล่าพลตรเวร บ่าวก็พาพวกพลตระเวนเหล่านั้นไปที่ระเบียงยกสำรับกับข้าวเนื้อและเหล้าออกมาบริการขยันขยอให้ดื่มกินคอยปลิบัติดูแลฐานะเสมอเป็นแขกเรือขณะกำลังดื่มกินกับนายดาบเลยเจ้าไก่ก็รำพึงในใจว่าแม่ไอ้ขโมยที่ไหนมาโดนจับในหมู่บ้านเรากันวะเนี่ยฮะจำต้องไปดูให้รู้แน่ ว่าพรางก็ดื่มกับเหลยเหง๋งต่ออีกหกเจ็ดจอกแล้วเรียกพ่อบ้านมาสั่งความว่าเจ้าจงอยู่เป็นเพื่อนท่านไหนดาบข้าจะไปเบาสักหน่อยแล้วจะรีบกลับมาพ่อบ้านนั่งดื่มกินเป็นเพื่อนเหลยเหง๋งตามสั่งเจ้าไก่ก็ถือตะเกียบเดินไปที่ประตูรั้วไม่เห็นมีพลตระเวนผู้ใดอยู่บริเวณนั้นทุกคนพากันไปดื่มกินที่ตัวบ้านใหญ่สิ้นเจ้าไก่ถามบ่าวคนหนึ่งที่ยืนยามอยู่ที่ประตูว่า เอ้าไอคนนั้นน่ะจนที่ไหนดาบจับถูกมัดไว้ที่ไหนล่ะฮะบ่าคนนั้นตอบว่าอ๋อขังอยู่ในเรือนรับรองขอรับเจ้าไก่ผลักประตูแล้วเยี่ยมหน้าเข้าไปดูบุรุษนั้นถูกแขวนไว้กับคือขาวิดพื้นตัวใหญ่กำยาล่ามสันกล้ามนูนเด่นเห็นเป็นมันมัดขาที่ห้อยอยู่ดูส ก, กรปรกขนหน้าแข้งรกรุงรังตีนเปลือยเปล่าเจ้าไก่ชูตะเกียงขึ้นแล้วแหงนหน้าดู ใบหน้าชายผู้นั้นกลางกว้างผิวดำแดงที่ขมับมีปานแดงมาแต่กําเนิดขนสีน้ําตาลแดงปอยหนึ่งโผล่แพรมออกมาเจ้าไก่ถามคนที่ถูกมัดนั้นว่าเอา้าพ่อนุ่มท่านมาจากที่ใดหรือไม่เคยเห็นหน้าข้าตาในหมู่บ้านนี้มาก่อนเลยชายหนุ่มผู้นั้นตอบว่าข้าน้อยเป็นคนต่างถิ่นมาจากแดนไกลมาเสนอตัวขอรับใช้ชายผู้หนึ่งครับ แต่คนพวกนี้จูจ่ๆก็มาจับข้ากล่าวหาว่าข้าเป็นโจรไม่ยุติธรรมเอาสิเลยข้าจะต้องเอากับพวกมันให้จงได้เจ้าไก่ถามว่าท่านมารับใช้ผู้ใดที่หมู่บ้านนี้ล่ะเหรชายหนุ่มว่าอ๋อผู้กล้าคนหนึ่งขอรับเจ้าไก่ถามอีกว่าชื่ออะไรล่ะชายหนุ่มตอบว่าผู้ใหญ่บ้านเจ้าเจ้าไก่ถามอีกว่าทาไมต้องมารับใช้เขาชายหนุ่มผู้ถูกมัดตอบว่า ท่านเจ้าไก่เป็นนักสู้ผู้ผดุงความยุติธรรมชื่อเสียงฟุ้งฟิง้งเกียรติยศลือเรื่องกระเดื่องไปทั่วทั้งวงการข้าจะมาบอกวิธีรวยรัดให้เจ้าไก่ตอบว่าถ้าเช่นนั้นก็อย่าได้ไปหาที่ไหนอีกเลยข้านี่แหละผู้ใหญ่บ้านเจ้าละหากท่านอยากให้ช่วยก็ต้องแซงทำทีเป็นจำได้ว่าข้าเป็นน้องชายแม่เจา้าอีกสักครู่ข้าจะทำทีเป็นเดินออกมาส่งในดาบเลยกับคนของเขา จงเรียกหาข้าว่านะข้าก็จะแกล้งเรียกเจ้าว่าหลานจงบอกแต่ว่าเจ้าเคยอยู่ที่นี่ตอนยังเป็นเด็กเล็กข้าจึงได้คลับคล้ายคลับคราบุรุษผู้นั้นบอกว่าหากท่านผู้ใหญ่ช่วยข้าได้จริงก็นับว่าเป็นพระคุณอย่างสูงกรุณาช่วยข้าด้วยท่านผู้มีจิตใจเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเจ้าไก่ถือตะเกียงออกจากเรือนรับรองปิดประตูลั่นดานแล้วก็เร่งตรงไปยังหลังบ้าน เจ้าพูดกับเหลยเหงว่าขออภัยเถิดที่ละทิ้งท่านไปในดาบเลยออกตัวว่าแม่ข้ารบกวนท่านนักแล้วไม่ถูกต้องเลยทั้งสองร่วมดื่มกินกันอีกหลายจอกในไม่ช้าแสงเงินแสงทองก็สาดสอดลอดบานนั้นต่างเข้ามาเลยเหงว่าฟ้าสางแล้วข้าต้องขออ่ำลาไปลงชื่อรายงานตัวที่ศารากลางก่อนเจ้าไก่ว่าท่านในดาบมีราชการขอไม่บังอาจรั้งท่านไว้ แต่คราวหน้าหากราชการนำพาท่านผ่านมาทางหมู่บ้านอันต้อยต่ำของข้าน้อยอีกก็ได้โปรดแวะมาเยี่ยมข้าให้ได้นะขอรับเหลยเหงว่าแน่นอนข้าต้องแวะมาคำนับท่านผู้ใหญ่อย่างแน่นอนไม่รบกวนให้ตามไปส่งดอกเจ้าไก่จึงพูดกับเหลยเหงว่ายัางน้อยก็ให้ข้าได้อำลาท่านที่ประตูรั้วก่อนแล้วกันเจ้าไก่พาเหลยเหงออกจากตึก คนตระเวนที่ต่างอิ่มหนำสำรานกันแล้วก็ลุกขึ้นหยิบหลาวหยิบไม้พลองขึ้นมาถือตรงไปทางเรือนรับรองพอไปถึงก็ชักรอกชายหนุ่มผู้นั้นลงมาพันธนาการสองมือไพล่หลังพาตัวออกไปนอกเรือนเจ้าไก่ทักแม่ไอ้นี่มันตัวใหญ่นักเลยเหงพูดว่าไอ้สารเลวคนนี้คือไอ้คนที่เราจับมาจากศาลเจ้าลิงกวนเลยเหงพูดแต่ยังไม่ทันจบประโยคดีหนุ่มคนนั้นก็ร้องสวนขึ้นว่า ท่านนาท่านนาช่วยขะด้วยเจ้าไก่แซงจ้องดูสักครู่ก็ร้องขึ้นว่าเฮ้ยนั่นมันไอ้สัญญาณหวงังลูกคนที่สามนี่นาะหนุ่มคนนั้นร้องว่าใช่แล้วใช่แล้วข้าเองท่านนาช่วยขะด้วยทุกคนให้สนเท่นนะักใครกันหรือเลยเ ห, เหงหันมาถามเจ้าไก่มันรู้จักท่านใดอย่างไรอะฮะเจ้าไก่ตอบว่ามันคือไอ้หวงังลูกคนที่สามลูกพี่สาวของข้าเอง แล้วทำไมเอจจรจัดนี่จึงได้ไปนอนที่ศาลเจ้าได้มันเคยเอาศัยอยู่นี่มาก่อนแต่ได้ตามพ่อกับแม่มันไปเมืองหลวงตะวันตกตั้งแต่อายุได้ห้าหกขวบนูน่นข้าไม่ได้เจอหนะ้ามันมาเป็นสิบสิบปีแล้วครั้งหนึ่งตอนมันอายุได้สิบห้าเคยตามพ่อค้ามาหาซื้อลูกจ้อแห้งแล้วกลับมาเยี่ยมข้าห น, หนึ่งเด็เจอกันครั้งสุดท้ายก่อนตอนนั้นมันนานมาแล้วเคยได้ยินคนเล่าลือว่ามันเป็นคนไม่เอาทานแล้วมันมาทําอะไรอยู่ที่นี่ ข้าคงจำไม่ได้ทำไมได้เห็นปานที่ขมับมันว่าแล้วก็หันไปตะคอกชายหนุ่มคนนั้นว่าเฮ้ยไอ้สามน้อยทำไมไม่รีบตรงมาหา้าเลยเล่าและทำไมเจ้าต้องไปขโมยข้าวของของคนอื่นเขาด้วยเล่าฮะชายหนุ่มประท้วงทันทีว่าแต่ว่าท่านณน์ข้ายัางไม่เคยขโมยของขอ ง, ของใครเลยนะครับเจ้าไก่ตะวัดคาดขัดขนถ้ามาเด็กขโมยชันไหนเขาจะไปจับเจ้ามาเช่นนี้ ว่าพรางก็คว้ามไม้พรองจากพลตระเวนคนหนึ่งแล้วก็แพ่นไปที่หัวชายผู้นั้นทีหนึ่งนีอ่อุ้ยเอาไป้หนึ่งป๊อกเลยเห็นกับคนอื่นๆรีบห้ามปรามไว้อย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีฟังความเขาเล่าให้จบก่อนอา้าวหรือตีไปแล้วทําไงอ่ะชายหนุ่มพูดขึ้นว่าท่านนะท่านอย่าพึ่งด่วนโมโหข้าจะเล่าให้ฟังตามตรง ตั้งแต่ครั้งที่ข้ามาได้ตอนอายุสิบห้ามาตอนนี้เวลาก็ได้สิบปีเข้ามาแล้วใช่ไม่ใช่ล่ะเคลือนก่อนเดินมาตามทางข้าดื่มเหล้ามากไปหน่อยจึงไม่กล้ามาปลุกท่านเลยแอบไปงีบให้สางที่ศาลเจ้าก่อนใครจะไปรู้ว่าไอ้คนพวกนี้พอมาถึงก็ไม่พูดไม่จาไม่ฟังอีราข้าไอรมจับข้ามัดจะถามไถยอะไรสักคำก็ไม่มีข้าไม่ได้เป็นคนขี้ลักขี้ขโมยสักหน่อยเฮ้ย เจ้าไก่ทลันเข้าใส่ด้วยไม้พลองอีกนี่ไอ้ลูกหมาอุนะอ้ยอุยอ้ยครับครับไม่ต้องมาขอบใจเอาหรอกมึงอย่าเอาขอบสิมึงเอาก้นมันกูเจ็บนะวะเฮ้ยเอาหรือผู้ใหญ่บ้านคำรามแทนที่จะตรงมาหาข้าเจ้ากลับไปดูดน้ำเล่ามาทำทางเสียจนกลางเต็มพุ่งกะทิเจ้าเห็นว่ามากินที่บ้านนี้ไม่พอหรือไง เจ้ามันสร้างแต่ความอัพยพอดสูไม่ค่าอยู่ไม่ขาดเฮ้ย hey! เลยเหงเปล่าว่าสงบอกสงบใจไว้ท่านผู้ใหญ่หลานชายท่านไม่ได้เป็นขโมยดอกข้าเห็นคนตัวใหญ่ๆเมื่อนอนอยู่ในศาลเจ้าก็เลยเกิดสงสัยอีกอย่างหนึ่งข้าก็ไม่เคยเห็นหน้าข้าตาเขาแถวนี้มาก่อนเลยจึงได้จับกลมคุมตัวมาหากรู้ว่าเป็นหลานท่านข้าคงจะไม่คลาตัวมาเช่นนี้เป็นแน่ เลยเหงหันไปสั่งพลตรเวรให้แก้มัดชายคนนั้นแล้วนำตัวมามอบให้ผู้ใหญ่เจา้าในดาบอ้อนวอนว่าโปรดจะได้ถือสาหาความเลยหากรู้ว่านี่คือหลานท่านผู้ใหญ่คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเป็นแน่หวังว่าท่านคงจะไม่ถือสาหาความนะถ้าเช่นนั้นเราขออาลาท่านไปก่อนเจ้าไก่ร้องว่ารอเดี๋ยวรอเดี๋ยวท่านในดาบ โปรดเข้ามาในบ้านข้าก่อนข้ามีอะไรจะพูดเลยเหงเดินตามผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเจ้าไก่หยิบเงินสิบตำลึงส่งให้แล้วว่าของกำนันเล็กๆน้อยๆท่านในดาโปรดจะได้ดูแครนว่าน้อยไปเลยเลยเหงว่าแอ่ท่านไม่ควรทำถึงเพียงนี้เลยเจ้าไก่ว่าถ้าไม่รับข้าก็จะยังถือว่าท่านกรธอยู่นะเลยเหงว่า ในเมื่อท่านมีเมตตาจิตเช่นนี้ท่านผู้ใหญ่ข้าก็ไม่อาจปฏิเสธไว้วันหน้าข้าจะขอกะตันยูให้สมเจ้าไก่จึงสั่งชายหนุ่มให้คารวะเลยเหงงแล้วเอาเงินอีกส่วนหนึ่งแจกจ่ายพลตรเวนที่มาด้วยกันแล้วออกไปส่งพวกเขาถึงหน้าประตูรัว้วเลยเหงงกับพลตรเวนก็อำลาผู้ใหญ่บ้านเดินทางกลับเจ้าไก่พาชายหนุ่มผู้นั้นเข้าไปข้างในหยิบเสื้อผ้าพร้อมหมวกใบใหม่ให้ แล้วจึงถามไถ่ชื่อแท่และพื้นเพที่มาชายหนุ่มว่าตรากูลของข้าใช้แท่ว่าหลิวส่วนตัวชื่อถังบันพะบุรุษอยู่จังหวัดลู่โจตะวันออกเป็นเพราะตั้งแต่เกิดปานแดงตรงขมับมีหนวดผู้คนเขาจึงพากันเรียกว่าปีศาจหนวดแดงข้ามุ่งตรงมาที่นี่เพื่อมาบอกท่านผู้ใหญ่เรื่องลู่ทางรวยรัดเมื่อคืนก่อนข้าเกิดเมาหลับไปในศาลา ไอ้ไม่เต็มบาทพวกนี้จึงจับข้ามัดไว้วันนี้โชคดีเหลือหลายได้ท่านมาให้ความช่วยเหลือท่านพี่เชิญนั่งเถิดโปรดรับครวะจากข้าสักสี่ครั้งพ่อชายคนนั้นเข้าเต่าเสร็จสี่หนเจ้าไก่ก็เอ่ยขึ้นว่าเมื่อตะกี้นี้ท่านว่ามีช่องทางรวยทางรัดมาบอกแล้วมันคืออะไรกันล่ะฮะหรือถังหรือถังว่า คือว่าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กข้าน้อยก็ออกเร่ร่อนพเนจรไปทั่วทิพย์ทั่วแดนผูกมิตรไมตรีกับผู้กล้าไปทั่วทุกสารทิศด้วยเหตุชนี้จึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังกิจศัพท์ของท่านและทั้งยังได้เคยพบคนที่เคยมาพึ่งใบบุญท่านตลอดภากตะวันออกของเทือกเขาเหนือแม่น้ําใหญ่ไล่ขึ้นมาดังนั้นข้าจึงเต็มใจมาบอกช่องทางนี้ให้กับท่านหากไม่มีใครแอบฟังข้าก็จะไม่ปิดบงังจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังจนสิ้นเจ้าไก่ว่า พูดได้เต็มที่เลยที่นี่มีแต่คนที่ข้าไว้วางใจทั้งนั้นลิวถังจึงว่าคือว่ากันว่าผู้ว่าการเหลียงแห่งนครต้าหมิงเมืองหลวงมณฑลอุดร อ, ออกว่านหาซื้อเพชรพลอยศิลปวัตถุและของมีค่าอื่นๆเป็นเงินถึงแสนพุงอีแปะชนะเพื่อจะส่งไปกำนันวันเกิดแ ด, ด่สมหานายกใช่พอตาที่เมืองหลวงตะวันออกในวันที่สิบห้าเดือนหกนี้เมื่อปีก่อน เขาก็ได้ส่งของก้อนนันราคาเท่ากันนี้ไปให้แต่ถูกคนลึกลับดักปล้นไปในระหว่างทางจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจับมือใครดมไม่ได้พอมาปีนี้ผู้ว่าเหลียงก็หาซื้อเพชรพลอยเป็นเงินเท่ากันอีกการเป่าเปียวส่งของจะเริ่มก่อนวันเกิดนายกวันที่15เส้นทางที่จะใช้ก็เลือกไว้แล้วตามความเห็นอันต่ําต้อยของข้าน้อยคิดว่า สิ่งของเหล่านี้ซื้อหามาด้วยเงินสศกรปรกจะฉกเสียก็ได้ไม่พิษเป็นแต่เพียงวางแผนระหว่างทางให้ดีถึงสวรรค์ก็ตำหนิเราไม่ได้ข้าได้ยินกิติศักด์ว่าท่านเป็นผู้เยี่ยมยุทธเชี่ยวชาญนักหนาเรื่องอาวุธธุทธกิจถึงข้าจะไม่ฉลาดปราดเปรืองรู้เรื่องมา้าก็เท่านี้แต่ก็พอมีกาลังอาจจะสยบคนสักสี่สักห้าคนได้ในคราวเดียวหากมีหอกอยู่ในมือ ต่อให้ทหารม้าสักสองพันข้าก็ไม่วันแม้แต่น้อยหากพี่ท่านไม่รังเกียจข้าก็เต็มใจจะช่วยจนสุดกำลังท่านจะเห็นเป็นเช่นไรหรือขอรับเจ้าไก่ร้องว่าไม่ยอดเยี่ยมเลยเพราะต้องวางแผนให้รัดกุมแต่ท่านเพิ่งจะมาถ่าทางยังดูอิดโรยนักฉันไหนไม่ไปพักให้เรือนรับรองสิงก่อนเล่าให้ข้าได้เอาเวลามาคิดให้ตลอดสักหน่อยแล้วค่อยหารือกันในวันหลัง เจ้าไก่หันไปสั่งบ่าวให้พาหลิวถังไปยังเรือนรับรองพอรับหลังออกมาได้หลิวถังก็รำพึงกับตัวว่าแม่เจ็บใจนักนี่เป็นเพราะท่านเจ้าไก่ช่วยไว้แท้ๆจึงรอดมาได้ไอ้ปัดซบเลยเหงนั้นจับข้ามาอยังไม่พอยังแขวนข้าเอาไว้กับคื่อทั้งคืนพวกมันน่าจะยังไปได้ไม่ไกลนักทําไมไม่ไล่ตามไปตัดแขนเสียให้ขาดแล้วฟาดเสียให้กลิ้งชิงเงินคืนมาถ้าจะดีไม่น้อยเลย คิดแล้วลิวถังก็รีบลงเรือนขว้าเงาจากแคร่แล้วรีบรุดออกจากคุ้มบ้านไปตอนนั้นท้องฟ้าเพิ่งจะเริ่มสว่างไม่ช้าก็เห็นนายดาบพร้อมพลตรเวนเดินดุมดุมไปอย่างช้าช้าอยู่เบื้องหน้าลิวถังรีบทะยานตามไปแล้วร้องตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยไอ้นายดับมึงจะรีบไปไหนวะนะฮะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะเฮ้ย เลยเหง๋ตกตะลึงหันมาเห็นลิวถังวิ่งเข้าใส่พร้อมด้วยงาวกระชับมั่นอยู่ในมือตัวก็รีบคว้าง้าอีกเล่มจากพลตรเวนมาถือไว้ในดาบตำรวจร้องตะวาดว่าไอ้ขี้ข้อมึงต้องการอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ย อ, อยู่ดีๆก็มาให้กูหยุดลิวถังตะโกนว่าเฮ้ยไอ้ไอคนบัตรซอบถ้ามึงรู้จักผิดชอบชัวดี ก็จ้งคืนเงินสิบตาลึงมาให้กูเสียดีๆแล้วกูจะปล่อยไปเลยเห็นว่าบะน้าเจ้าเป็นคนให้กับข้าเองแล้วเจ้ามาเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องเนี่ยฮะถ้าไม่เป็นเพราะเขาข้าคงจะเอาชีวิตชั่วของเจ้าไปแล้วไปกินดีหมี่ดีเสืออะไรมาวะเนี่ยฮะจึงได้กล้ามาเรียกเอาเงินกับข้าหลิวถังว่ากูไม่ได้เป็นขโมยแต่พวกมึงกลับเอากูไปแขวนไว้กับคือทั้งคืนเท่านั้นยังไม่พอ พวกมึงยังรีดเอาเงินถึงสินตำรึงจากน้าของข้าอีกถ้ายังพอรู้ตัวก็จงคืนมาเสียกูจึงจะปล่อยพวกมึงไปหาไม่แล้วกูก็เจาะเลือดพวกมึงมาเส้นเสียตรงนี้แหละ <OS C AP> เลือเ้อยเห็นได้ฟังก็ชี้นิ้วมาที่หลีวถังสบอยังโกรธแค้นขึ้นว่าอุ้ยไอ้ขี้ขโมยช่างมูษามึงมันสร้างแต่ความอภยศอดสูให้ครอบครัวไอ้ชาติหมาหน้าทะลึงเอ้ย ลิวถังร้องขึ้นมาว่ามึงไอรีดนาะทาเร้นประชาชีคนอย่างมึงกล้าดีอย่างไรถึงได้มาด่ากูเนี่ยฮะเลยเห็นร้องว่าเฮ้ยไอสันดาจนจรลึกเข้าไปถึงไขกระดูกมึงต้องพาเจ้าไก่ไปลงหลุมแน่ๆมึงมันเป็นจนเข้าใจลึกลงไปถึงใจถึงตับอย่าได้ฝันเลยว่าจะเอาเรื่องพันอย่างนี้มาเที่ยวครอบให้ข้าลิวถังตะโกนว่าดีละ ข้าจะได้สะสางเรื่องนี้ไปสีที่เดียวให้เสร็จว่าแล้วก็ควง้งาทยานเข้าใส่เลยเหิงในดาบก็ยกเงาวขึ้นรับแล้วแค่นหัวร่อแล้วก็สอือกเข้าประชิดทั้งสองสู้กันกลางถนน5้าสิบเพลงผ่านไปก็ยังหาผู้ใดได้ไดเปรียบไม่บรรดาพลตระเวนพอเห็นว่าเลยเหิงยังสยบหลิวถังไม่ได้จึงพากันขยับโอบ ก, กระชับเข้ามาก็มือนั้นนั่นเองประตูรั้วบ้านใกล้ๆ ก, ก, ก็พันอ้าออก บุรุษหนึ่งถือโซ่เส้นยาวในมือก็โคลออกมาตะโกนร้องว่าเอาท่านผู้กล้าทั้งสองยังมือด้วยข้าดูอยู่นานแล้วเฮ่พักสักครู่ข้ามีเรื่องจะกล่าวว่าแล้วก็หดโซ่เข้าใส่คนทั้งสองทั้งคู่ราเ ง, งากระโดดถอยออกจากรัศมีอาวุธไปหลายก้าวแล้วหันมาบุรุษผู้นั้นรูปร่างสโสดสงสูงโปร่งราบันดิต สวมมวกทรงกลมลุกต่ำลงมาจนจรดสันคิ้วใส่เสื้อคลุมยาวกรอมเทา้าสีเท่าเรื้อเจือเหลืองดังสีต้นปอกุนขอบด้วยผ้าดำรัดประคตด้วยสีชารัดรูปทรงเอวองอ่อนแอ่นท่วงทีธรรมะถมแมงสวมถุงเท้าขาวใส่รงเท้าไหมใบหน้าเกลี้ยงกรมสมส่วนคราวยาวสลวยระดับคางเต้าหญิงผู้นี้มีนามว่าวูหยงฉยาจอมายากลหรืออีกชื่อหนึ่งว่า จอมปราดส่วนสมญาในปริมนทนแห่งลัทธิเต๋าคือพระครูเสริมรัศมีบรรพบุพ ร, รุษอาศัยอยู่ในระแวกนี้มาหลายชั่วอายุคนแล้วบูหยงในมือถือโซ่สำริษพลางชี้ไปที่หลิวถังแล้วกล่าวขึ้นว่าหยุดอยู่ตรงนั้นแหละพอนุ่มชั้นไหนจึงได้มารบกับท่านไหนดาบเช่นนี้หลิวถังถลึงตาใสแล้วว่า เฮ้ยไม่ใช่ธุระองค์การอะไรของบัะดิตเท่าเยี่ยงเจ้าเลยเหงพูดว่าท่านอาจารย์ข้าน้อยจะเรียนท่านเองคืนก่อนเราจับไอสารเลวคนนี้ได้ตอนที่มันไปนอนเปลือยอยู่ในสารเจ้าหลิงกวนแล้วพาไปบ้านผู้ใหญ่เจ้าจึงได้รู้ความว่าที่แท้มันเป็นโลกพี่สาวของท่านผู้ใหญ่เพื่อไวหน้าหน้ามันข้าจึงได้ปล่อยตัวไป ท่านผู้ใหญ่บ้านจึงได้เชิญให้เราอยู่กินข้าวปลาอาหารแล้วมอบของกำนันให้แต่ไอ้ไวร้ายคนนี้แอบหนีนะตามมาทวงเอาคืนแล้วท่านอาจารย์จะมีความเห็นเป็นอย่างไรในเรื่องนี้เล่ามู่หยงว่าอันตัวเรารู้จักเจ้าไก่มาก่อนนานหนักหนาตั้งแต่ยังเป็นเด็กหากมีเรื่องส่วนตัวอะไรล้วนต้องแล่นมาปรึกษาญาติพี่น้องของเขามีเท่าไรเท่าไร่เราก็รู้จักสิน้น ไม่เห็นเคยได้ยินว่ามีหลานชายคนนี้อีกอย่างหนึ่งอายุอานามของมันก็ขัดกันอยู่ดูให้พิกลนักเราควรจักระงับศึกไว้พร่างก่อนแล้วค่อยย้อนมาสอบเอาความภายหลังก็ได้แล้วหันมาพูดกับหลิวถังว่าอย่าดื้อดึงไปเลยพนมน้มนาท่านกับข้าก็เป็นเพื่อนรักกันข้ารู้ว่านาท่านรักใคร่ชอบพอกับนายดาบท่านนี้หากท่านมาทวงเอาของกำ น, นันเล็กๆน้อยๆนี้จากเขาท่านก็ จะทำให้น้าท่านเสียหน้านลกว่าเห็นแก่ข้าเถิดข้าจะไปเยี่ยมคำนับท่านในวันหลังหลิวถังอ่อนลงแล้วพูดขึ้นว่าท่านผู้คงแก่เรียนท่านยังไม่รู้อะไรน้าข้าไม่ได้สมัครใจให้ของนี้มาแต่ต้นเป็นแต่ถูกไอคนสารเลวผู้นี้รีดไถถ้ามันยังไม่ยอมคืนให้ข้าก็ขอสาบานว่าจะไม่ยอมกลับโดยเด็ดขาดเลยเห่งพูดว่า ก็จะคืนให้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่เจ้ามาเอาไปเองข้าจะไม่ยอมคืนให้แก่เจ้าเป็นอันขาดให้เข้าปากช้างแล้วจะให้คืนปัดท้อลิวถังว่ามึงใส่ความกูว่ากูเป็นขโมยแถมยังบอกลอกเอาเงินน้ากูอีกกล้าดียังไงจึงไม่ยอมคืนฮะเลยเห็นว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินของเจ้าข้าไม่คืนให้บอกว่าไม่คืนไม่คืนได้ยินไหมฮะ เฮ้ยได้หมดลมมั่งเลยหลิวถังร้องว่าจะคืนหรือไม่คืนเห็นทีเจ้าจะต้องถามเงาในมือข้าดูเสียแล้ววูหยงกล่าวว่าท่านทั้งสองสู้กันอยู่เป็นนานแต่ก็ยังหาใครชนะไม่ได้แล้วนี่คิดจะสู้กันไปอีกนานเท่าไหรหลิวถังว่าถ้ายังไม่คืนเงินมาข้าขอจะสู้จนกว่าจะตายกันไปข้าบนึง หรือเหงสะบดขึ้นด้วยความโกรธเอ้ถ้ากูกลัวมึงกูก็คงจะเรียกพลตระเวนพวกนี้ให้เข้าไปช่วยตั้งนานแล้วแต่กูเป็นคนจริงจนอายเกินจะทำเช่นนั้นได้ตัวกูผู้เดียวนี่หรอวะจะค่อมึงให้ได้ลิ้วถังก็ประดานโทสะจนต้องทุบ อ, อกตัวเองแล้วตะโกนว่ากูก็ไม่กลัวมึงว่าพรางก็ย่างเข้าหาในดาบขยับเข้าใส่วาดเงาแล้วใช้เท้าบดขยี้ดินจิกเท้ามัน่น ต่างฝ่ายต่างกระเฮ่นกระหือรือที่จะรื้อรบกันใหม่หมู่หยงพยายามห้ามคนนั้นทีห้ามคนนี้ทีแต่ทว่าไร้ผลลิ้วถังควงเงาไปหาจังหวะรุกเลยเหงก็ด่าชายหนุ่มอย่างสาดเสเทเสียไปสักพันอย่างแต่ก็กระชับเงามั่นรอรับมือจ้องหน้าเอาไว้ไม่ยอมให้คลาดตาตอนนั้นเองที่พวกพลตระเวนร้องขึ้นมาว่าเอา้ผู้ใหญ่มาแล้วผู้ใหญ่มาแล้ว ลิวถังหันไปมองก็เห็นเจ้าไก่วิ่งตัวปลิวมาตามถนนเสื้อคลุมยาวที่ไม่ได้รัดถูกลมพัดปลิวขึ้นไปถึงบ่าร้องระร่ำะระลักว่าโอ้ยไอลูกเสือไอลูกจระเข้เจ้าอย่าได้เสียมรยาินะไฮ้ทับไยวูหยงหัวเราะแล้วนึกในใจว่า <c oughs> แม่ขอบคุณสวรรค์ ที่ทรงผู้ใหญ่เจ้ามามีเพียงเขาเท่า น, นั้นแหละที่จะสามารถสยบไอ้สองตัวนี้อยู่เจ้าไก่มาถึงก็หอบกระเซาแล้วร้องขึ้นว่าโอ้ยสองคนนี้สู้กันทำไมฮะเลยเหงงตอบว่าหลานชายคนนี้ถึงเขาไล่ตามมาบังคับจะเอาเงินคืนจากข้าข้าก็บอกไปว่าข้าไม่ให้เจ้าดอก จะคืนให้ก็เฉพาะตัวผู้ใหญ่เองเราจึงรบกันได้ห้าสิบเพลงแล้วอาจารย์ท่านนี้ก็เข้ามาห้ามเจ้าไก่ตะวัดใส่หลิวถังว่าเฮ้ยไอ้ลูกตะแค่ตัวนี้ท่านไหนดบับข้าไม่ทราบเรื่องนี้เลยขอรับเพื่อเห็นแก่ข้าโปรดจงเดินทางต่อไปตามปกติเถิดข้าจะไปกราบอาภัยในวันหลังเลยเห็นตอบว่า ข้าก็รู้ดีว่าไอ้บัดซบทคนนี้พูดจาเลวไหลแต่ข้าไม่ถือสาอันใดดอกเสียใจอยู่ก็แต่ว่าท่านตังอุตส่าม์มาไกลถึงเพียงนี้ว่าแล้วก็อำลาผู้ใหญ่บ้านเจา้าเราจะไม่กล่าวถึงในดาบผู้นี้อีกนะครับปูหยงหันมาสาธยายให้เจ้าไก่ฟังว่าช่างโชคดีแท้ๆที่ท่านโผล่มาไม่ฉะนนั้นอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นได้ หลานชายท่านผู้นี้ร้ายนักเป็นนักรบชั้นยอดข้ามองรอดรัวอยู่นานขนาดมือเงาชั้นเซียนยังเลยเหงิยังทำอะไรเขาไม่ได้แถมยังเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ตลอดหากคืนปล่อยให้รบกันต่อไปอีกสักหน่อยเลยเหงอาจจะต้องพลอยจบชีวิตดังนั้นข้าจึงต้องรีบออกมาห้ามไว้หลานชายท่านผู้นี้มาจากที่ใดหรือฉันไหนข้าไม่เคยเห็นที่คุ้มบ้านท่านมาก่อนเลยเล่าฮะท่านเจ้าไก่จําไก่ว่า ข้ากำลังจะส่งคนมาเรียนเชิญท่านไปยังบ้านอันต้อยต่ำของข้าน้อยเพื่อจะได้หารือกันอยู่พอดีก็สังเกตว่าหลิวถังไม่อยู่เงาเล่มหนึ่งก็หายไปจากแคร่เด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งบอกว่าเห็นคนตัวใหญ่ๆถือเงาวิ่งลงไปทางใต้ข้าเลยไล่ตามมาโชคดีนักหนาที่ท่านห้ามศึกครั้งนี้โปรดเชิญไปบ้านอันต้อยต่าของข้าน้อยด้วยข้าน้อยมีเรื่องที่จะขอคาปรึกษา ดังนั้นวูหยงก็กลับเข้าบ้านแขวนโซ่สำริ์ไว้ที่ห้องหนังสือแล้วเอ่ยกับเจ้าของบ้านเช่าว่าหากนักเรียนของข้ามานะก็โปรดบอกลูกเขาว่าวันนี้ครูเขาไม่ว่างให้พักกันวันหนึ่งว่าแล้วก็ปิดประตูลั่นดานแล้วตามเจ้าไก่กับหิูวถังไปเจ้าไก่รีบพาคนทั้งสองไปยังหลังมูตึกพอเข้าไปถึงห้องในก็นั่งลงตามธรรมเนียมเจ้าของบ้านกับแขกวูหยงถามว่า แมท่านผู้ใหญ่บุรุษผู้นี้คือใครกันหรือเจ้าไก่ตอบว่าท่านผู้นี้คือหลิวถังผู้กล้าคนหนึ่งในหมู่พี่น้องผ่องยุทธภพพื้นเพเขาเป็นชาวหลู่โจตะวันออกเขาตรงมาบอกช่องทางรวยรัดคืนก่อนเกิดไปเมาหลับในศาลเจ้าหลิงกวนเลยถูกเลยเหงจับมัดมาที่นี่เพื่อช่วยเขาเอาไว้ข้าจิงแทงทาเป็นจาได้ว่าเขาเป็นหลานชายท่านผู้นี้บอกข้าว่า ผู้ว่าการเหลียงแห่งนครต้าหมิงเมืองหลวงมณฑลอุดรให้คนออกไปกว้านหาซื้อเพชรพลอยและศิละปะวัตถุต่างๆมีค่าถึงหนึ่งแสพงอิแปะจะส่งไปกำนันวันเกิดสมุหานายกไช่พ่อตาที่เมืองหลวงตะวันออกไม่ช้าขบวนสินค้าก็จะผ่านมาทางนี้เมื่อข้าของพวกนี้ใช้เงินโสดกับปรกซื้อการไปเอามาก็ย่อมไม่ถือว่าผิดศีลธรรมใดๆไอ้ข้อเสนอของเขาก็มาพร้อมกับความฝันของข้าเมื่อคืน คือข้าฝันว่าดาวเจ็ดดวงในหมู่ดาวกระบวยใหญ่โคจรมาสถิตยอยู่บนหลังคาบ้านข้าฉับพลันดาวน้อยอีกดวงที่คันกระบวยก็พุ่งเป็นแสงสว่างวาบลงมาข้าเลยคิดว่าการมีหมู่ดาวมาส่องแสงสกาวอยู่ในบ้านตัวนับเป็นนมิตอันดีที่เลิศเลอประเสรนะิฐนักข้าจึงตั้งใจจะไปตามท่านมาแก้ฝันท่านอาจารย์ข้าควรทาฉันใดดีดบู่ยงยิ้มแล้วว่า ข้าก็คิดอยู่แล้วว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างในการปรากฏตัวอย่างปรับปรับฉับพลันของพี่หลิวเรื่องนี้พี่สุดเพียงเพินเพินให้พี่ก น, นักต้องพิเคราะห์กันให้ลึกแต่มาถึงตอนนี้ข้าคิดว่าสามารถทํานายฝันของท่านได้เจ็ถึงแส่วนแล้วเหลืออีกเพียงนิดหน่อยก็จะครบสิบข้อเสนอของเขานับว่ายอดเยี่ยมแต่จะให้ตลอดรอดฟังก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าใช้คนมากไปงานอาจจะสะดุด แต่หากน้อยงานก็จะพลอยล้มเหลวแม้บ้านของท่านจะมีบาวอยู่มากมายแต่ก็หาที่เหมาะสมไม่ได้เลยสักคนลําพังเราแค่สามคนจะไหวล่ะหรือถึงท่านผู้ใหญ่และพี่หลิวจะมีฝีมือล้าเลิศแต่ข้าว่ายังไม่พอนะที่เราต้องการคือผู้กล้าสักเจ็หรือแปดคนมากกว่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์เจ้าไก่าถามว่าหรือจานวนนั้นจะเป็นไปตามความฝันของข้าวูหยงตอบว่า ไมไอความฝันของพี่ท่านนี่ไม่ธรรมดาเลยเป็นไปได้ไหมว่าเหนือจากนี้ไปจะพอมีใครช่วยได้ปูยงนิ่งนึกอยู่เป็นนานแล้วก็คิดได้จึงอุทานขึ้นว่าอ๋อใช่แล้วใช่แล้วเจ้าไก่ถามปูยงด้วยความอยากรู้ว่าท่านอาจารย์หากท่านรู้ตัวว่ามีใครที่ท่านพอเชื่อได้แล้วก็รีบเชิญพวกเขามาเราจะได้ประกรอบการนี้ให้ตลอดรอดฟัง วูหยงชูนิ้วขึ้นสองนิ้วแล้วพูดช้าๆเพียงไม่กี่คำผลก็คือหนึ่งคนดีมีศิลธรรมที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนจากหมู่บ้านฝั่งตะวันออกก็กลับกลายเป็นโจรไพรใจกล้าเรือหาปลาจากหมู่บ้านป้ายศิลาก็กลายมาเป็นเรือศึกที่จริงแล้วคุณซือวูหยงสามารถพูดได้ทั่วทั้งไตรภพบจบสวรรค์ประดุดมังกรพ้นพายุร้ายม้วนดินป่วนฟ้าไปทั่วสิมหาสมุทร บูหยงนึกขึ้นมาได้ว่าใครกันเล่าที่อยู่ทิศเหนือเชิญรับฟังบทต่อไปหากใครรู้ซองกลังตอนที่สิบห้าบูหยงหว่านล้อมสามพี่น้องตระกูลหยวนมังกรกงซุนเชงกลายเป็นหนึ่งในเจ็ดดาว ที่เราต้องการคือผู้กล้าสักเจ็หรือแปดคนมากกว่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์เจ้าไกาถามว่าหรือจํานวนนั้นจะเป็นไปตามความฝันของข้าวูหยงตอบว่าไม่ไอความฝันของพี่ท่านนี่ไม่ธรรมดาเลยเป็นไปได้ไหมว่าเหนือจากนี้ไปจะพอมีใครช่วยได้วูหยงนิ่งนึกอยู่เป็นนานแล้วก็คิดได้จึงอุทานขึ้นว่าอ๋อใช่แล้วใช่แล้ว เจ้าไก่ถามผู้หยงด้วยความอยากรู้ว่าท่านอาจารย์หากท่านรู้ตัวว่ามีใครที่ท่านพอเชื่อได้แล้วลราก็รีบเชิญพวกเขามาเราจะได้ประกอบการนี้ให้ตลอดรอดฟังผู้หยงกล่าวว่าในใจขาดตอนนี้ก็มีอยู่สามคนกล้าหาันและเยี่ยมยุทธไม่ว่าจะให้มุดน้ำลุยไฟร่วมหัวจมท้ายอย่างไรอย่างไร ไม่ว่าเป็นหรือตายจะต้องได้พวกเขาเราจึงพอจะมีหวังเจ้าไก่ถามว่าพวกเขาเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือท่านอาจารย์บูหยงว่าสามคนพี่น้องอาศัยอยู่หมู่บ้านป้ายศิลา <S <S เหนือที่นี่ขึ้นไปใกล้เขาเหลียงซานในสังกัดจังหวัดจีโจประกอบสัมมาอาชีพหาปลาเป็นหลักลักลอบขนเกลือในเขตหนองน้าแห่งนั้นเป็นรอง สามคนพี่น้องใช้แท้ไหวหยวนคนแรกหยวนที่สองฉายามานอมะหิตคนที่สองหยวนที่ห้าสมยาบ้ามุททลุส่วนหยวนน้องชายคนที่เจ็ดคนเขาเรียกกันว่าผีกลับมาเกิดแต่ก่อนข้าเองก็เคยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นมาหลายปีดีดักจึงรู้จักมักจีถึงสามพี่น้องจะเป็นคนไร้การศึกษาแต่ทว่าคบหากับข้าได้สนิท ด, ด้วยสื่อตรงนักต่อมิตร จิตใจก็ให้สุดหานกล้าข้าไม่ได้เห็นหน้าพวกเขามากกว่าสองปีแล้วหากได้สามคนนี้มาช่วยกันทรัพย์เหล่านั้นจะต้องตกอยู่ในมือของเรายังไม่ต้องสงสัยเลยเจ้าไก่ว่าข้าเองก็ได้ยินชื่อเสียงสามพี่น้องตระกูลหยวนมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้พบหมู่บ้านป้ายศิลาก็อยู่ห่างจากที่นี่แค่ร้อยลี้เท่านั้นเองยัยไม่ส่งใครไปเชิญมาหารือกเล่าท่านอาจารย์ผู้หยงว่า พวกเขาอาจจะไม่มาให้ข้าไปเองจะดีกว่าคิดจะใช้ลิ้นสามนิ้วลื่น น, นี้หว่านล้อมพวกเขาให้มาร่วมกับเราให้จงได้เจ้าไก่ว่าแม่ท่านอาจารย์คิดได้ดีทีเดียวแล้วเมื่อไหร่ท่านอาจารย์จะออกเดินทางละ่ะปูหยงว่าเห็นจะเสียเวลาไปไม่ได้แล้วถ้าคืนนี้ยามสามออกเดินทางข้าก็คิดว่าคงจะถึงในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงแน่แน่เจ้าไก่ว่า ทีที่เดียวเจ้าไก่สั่งเบาให้นำสุราอาหารออกมาแล้วว่าข้าเองก็เคยไปเมืองหลวงตะวัดออกและเมืองหลวงบนทนอุดรมาก่อนหลายครั้งแต่หารู้ไม่ว่าขบวนของกํานันจะใช้เส้นทางไหนอีกสองสามวันเราต้องรบกวนให้พี่หลิวขึ้นไปเมืองหลวงทางเหนือเพื่อสืบดูให้รู้แน่ว่าการเดินทางจะเริ่มเมื่อใดและใช้เส้นทางไหนจะดีหรือไม่ล่ะท่านอาจารย์หลิวถังบอกว่า พ่อจะรีบรุดไปในคืนนี้เลยปู่หยงห้ามว่ายาเพึ่งด่วนนักวันเกิดจะมีมาก็วันที่สิบห้าเดือนหกนูน่นเวลานี้พึ่งไกย่างเดือนห้าเท่านั้นเองเรายังพอมีเวลาเหลืออีกสี่สิบห้าสิบวันนะรอให้ข้ากลับมาจากพี่น้องหยวนก่อนพี่หลิวค่อยไปก็ยังทันเจ้าไก่ว่าถ้าเช่นนั้นระหว่างนี้พี่หลิวพำนักกับข้าที่นี่ที่กรหาสนี้ และเรื่องสัพเพเหระเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพวกเขาพากันดื่มกินกันอีกนานพอล่วงเข้ายามสามบูหยงก็ตื่นล้างหน้าบ้วนปากกินอาหารเช้าซุกเงินก้อนหนึ่งเอาไว้ในอกเสื้อใส่รองเท้าสารเจ้าไก่กับหลิวถังพากันเดินออกมาส่งที่หน้าประตูรัว้วบูหยงก็เดินทางไปทั้งคืนพอก่อนเที่ยงก็บรรลุถึงหมู่บ้านป้ายศิลา เมื่อรู้เส้นทางเป็นอย่างดีบูหยงก็ไม่ต้องคอยถามใครให้เสียเวลาแต่ตรงดิ่งไปบ้านหยุนที่สองทันทีใกล้ๆกระท่อมหลังนั้นเรือหาปลาลำเล็กๆสองสามลำลอยกระเพื่อมน้ำล่ามเชือกไว้กับเสาต้นหนึ่งแห้ขัดขาดพึ่งแดดไว้กับรั้วไม้ระแนงเก่าๆที่ปักลำลงไปเกือบจะตกชายตลิงมองไต่ไล่ขึ้นไปตามเนินเตี้ยมีกระท่อมสับประรังเคจวนเจเจเพพังตั้งกระจัดกระจายกันอยู่เกือบสิบหลัง บูหยงก้าวเข้าไปใกล้ๆแล้วร้องถามไปว่าเอาน้องสองอยู่บ้านหรือไม่ล่ะเนี่ยฮะ<า>ยวนที่สองโผล่หน้าออกมาอย่างรวดเร็วผ้าเข่าม้าขาดขาดพอหัวเสื้อตัวที่สวมอยู่ก็ดูซีดเพราะเก่าส่วนเท้านั้นเล่าก็เปลือยเปล่าแต่พอได้เห็นหน้าว่าเป็นบูหยงก็ยิ้มแย้มรีบเข้ามาทักทายโอพาปราศัยอย่างนอบน้อมเขาร้องทักว่าเอาท่านอาจารย์ล่มอะไรหอบท่านมาถึงที่นี่ล่ะขอรับ บูหยงว่าก็ทุระประบางเล็กๆน้อยๆข้าเลยรีบมาหาท่านเป็นการเฉพาะนี่แหละน้องสองว่ามีเหตุอันใดหรือขอรับบอกมาได้เลยบูหยงว่า้องปีที่แล้วที่ข้าจากหมู่บ้านนี้ไปตอนนี้ข้าไปเป็นครูสอนเด็กเล็กอยู่ที่ผ่านขหา บ, บดีรายหนึ่ง เขากำลังจะจัดงานเลี้ยงและต้องการปลาตะเพียนทองสักสิบตัวเอาขนาดตัวละสี่สิบห้าสิบช่างนะจึงต้องถอมารบวนท่านนี่แหละยวนที่สองหัวร่อแล้วว่านั่นไม่กระไรดอกท่านอาจารย์แต่กอดอื่นต้องมาดื่มกันก่อนวูหยงว่ากอดเพราะอย่างนี้นี่แหละข้าถึงได้มาที่นี่ไง น้องสองว่าที่ทะเลสาบอีกฝั่งหนึ่งมีโรงเตี้ยมอยู่หลายแห่งให้ข้าแจวเรือให้เถิดท่านอาจารย์บูหยงว่าแม่ดีดีข้ายากจะสนทนากับน้องห้าด้วยสราบไหมว่าเขาอยู่บ้านหรือไม่นะฮะน้องสองน้องสองว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเดินทางลงไปที่ท่าน้ำแก้เชือกเรือเล็กลาหนึ่งออกยนที่สองช่วยบูหยงลงเรือ หยิบพายที่พิงไว้ใต้ต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มพายออกไปพอเจวเข้าไปในตัวทะเลสาบได้หน่อยหนึ่งยวนที่สองก็ยกมือขึ้นโบกอยู่หย่อยๆแล้วตะโกนขึ้นไปว่าน้องเจ็ดเจ้าปะหน้าเจ้าหาา้าใบไหรลฮะก็ตอนนั้นเองบูหยงจึงได้สังเกตเห็นเรือหาปลาลำน้อยแวกดงอ้อออกมาน้องเจ็ดนั่งหลบแดดจุดใต้หมวกฟางปีกกว้างสวมเสื้อลายหมักรุกแขนกุด คาดพาดเตี่ยวทอมือในมือถือคันแจวแต่ปากก็พูดออกไปว่าจะให้มันไปทำไมวูหยงชิงตะโกนขึ้นว่าน้องเจ็ดข้ามาหาท่านทั้งสามน้องเจ็ดอุทานขึ้นอย่างดีใจว่าเฮ้ย <_ d ance> นั่นท่านอาจารย์นั่นเองขอประทานอภัยที่ขาดจาท่านไม่ได้ไม่ได้เจอท่านมาสักชาติหนึ่งแล้วเห็นจะได้เราไปหาอะไรดื่มกันดีกว่า ข้ารอดื่มกับท่านมานานเต็มทีแล้วท่านอาจารย์แต่หาโอกาสไม่ค่อยจะมีเลยและแล้วเรือลาหนึ่งก็ล่องตามเรืออีกลำหนึ่งออกไปสองเรือพากันแล่นลัดตัดน้ำข้ามทะเลสาบไปในไม่ช้าก็มาถึงเกาะเกาะหนึ่งตลิ่งชันมากบนนั้นมีกระท่อมมุงฟางราวเจ็ดแปดหลังคาเรือนยวนที่สองส่งเสียงเรียกออกไปว่าท่านมท่านม่น้องห้าอยู่บ้านหรือไม่ละ่ะฮะ หญิงชราตะโกนพูดขึ้นว่าเอ้ยใครจะไปรู้ว่ามันหายหูไปไหนมันไม่ใช่ปลาในคลองนี่วันๆเอาแต่คลุกคลุกในบอลร่อนจนจะไม่มีอะไรจะเหลือติดตัวแล้ววันนี้มันก็มายืมปิ่นปักผมข้าเอาไปทําทุนอีกแห้วเอาลูกแม่ให้มันไปทําไมล่ะก็ร้องไม่ให้สิมึงไม่เคยได้ยินข่าวไงล่ะลูกทอล์พีทุกแม่ตายนะฮะเฮ้ยเออ ใช่ใช่แม่แม่ให้มันไปก็ดีแล้ว <laughs> น้องสองหัวเราะแล้วก็แจวเรือจากมาน้องเจ็ดตะโกนจากเรือข้างหลังว่าย <c oughs> ข้าไม่รู้ว่าทําไมพี่หา้าถึงได้ชอบเล่นเจ๊งอยู่เรื่อยๆโชคถ่าจะร้ายเอามากๆเลยแถมไม่ได้เสียเพียงคนเดียวนะทานเอาข้าพลอยหมดตัวไปด้วยวูห <laughs> <laughs> ยงนั่งอยู่ก็คิดว่าแม่ เขาแผนเราพอดีเลยแล้วเรือทั้งสองก็ตรงไปยังตลาดในหมู่บ้านป้ายศิลาหลังแจวมาได้ครึ่งชั่วยามก็มองเห็นสะพานไม้กระดานแผ่นเดียวทอดตัวข้ามน้ำอยู่แต่ไกลข้างสะพานไม้บุรุษหนึ่งถือพวงอีแปะร้อยเหรียญทองแดงสองพวงกำลังสารวนปลดเชือกล่ามเรืออยู่ยวนที่สองร้องทักขึ้นว่าเอา้าน้องห้าอยู่นี่นี่เอง ยวนที่ห้าใช้ผ้าขัดขาดพกหัวเพลไปข้างหนึ่งทัดหูได้วยดอกทับทิมสวมเสื้อคลุมตัวเก่าสีสีดไม่ติดกระดุมเผยให้เห็นรอยสักสีน้ำเงินเข้มรูปเสือเพ่นที่แผ่นอกนุ่งกางเกงขาเกวยคาดผ้าเตี่ยวไว้ที่เอววูหยงร้องทักขึ้นว่าอ้าน้องห้าเจ้าเล่นได้หรือไรฮะน้องห้าจึงอุทานขึ้นว่าโอ้ท่านอาจารย์ใช่ไหมหนอนึกไม่ถึงเลย กว่าสองปีแล้วที่ไม่ได้เห็นหน้าข้าตากันข้ายืนมองอยู่บนสะพานเห็นเรือท่านมาแต่ไกลแล้วน้ำสองเอ่ยขึ้นว่าพวกเราแวะไอ้บ้านน้องมาแม่ท่านบอกว่าเจ้ามาเล่นโบกที่ตลาดเราจึงพากันตามมาที่นี่แหละเราพาท่านอาจารย์ไปโรงเตียมที่ชายน้ำกันดีไหมหยวนที่ห้าปลดเชือกเรือแล้วกระโดดขึ้นคว้าพายมาถือจวกน้ำพายเดียวก็งัดเรือให้เลี้ยวตามขบวนไป ไม่นานนักเรือทั้งสามลำก็มาถึงสลาริมน้ำหลังหนึ่งปลูกอยู่ข้างๆกอบัวพวกเขาเอาเรือไปผูกแล้วช่วยวูยงขึ้นไปบนโรงเตี้ยมที่ห้องห้องหนึ่งมองออกไปเห็นน้ำพวกเขาก็เลือกเอาที่มีโต๊ะแดงตั่งแดงชักเงาสีสันแลดูสะดุดตาหยวนคนรองเอ่ยขึ้นว่าท่านอาจารย์โปรดให้อาภัยในความหยาบกระด้างของพวกเราสามพี่น้องด้วยเถิดเชิญอาจารย์นั่งเป็นประธานที่หัวโตขอรับ อู๋หยงชิงปฏิเสธว่าโอ้ยข้าทําเช่นนั้นไม่ได้ดอกน้องเจ็ดพูดสนับสนุนว่าพ้าเช่นนั้นพี่ก็นั่งเสียตรงนั้นเถิดอาจารย์ท่านจะได้นั่งเก้าอีแ้แขกส่วนพี่ห้ากับข้าขอนั่งก่อนก็แล้วกันนะแหม่กาลังหิวเลยอู๋หยงออกความเห็นว่าแหม่น้องเจ็ดเจ้ายังใจร้อนอยู่เหมือนเดิมนะทั้งสี่นั่งตามนั้น พอเสร็จก็สั่งเหล้ามาหายหนึ่งคนรับใช้เอาชามขนาดใหญ่มาสี่ใบตะเกียบสี่คู่ผัดผักอีกสี่จานแล้วยกเหล้ามาเผื่อเอาไว้อีกหายหนึ่งน้องเจ็ดถามว่าเอาเนื้อมาแกล้มเหล้าจะดีไหมหล่ะฮะพี่น้องเซียวเอ้อว่าแม่พวกท่านทั้งหลายเรามีเนื้อวัวพึ่งเชือดมาใหม่ๆเลยขอรับเนื้อนุ่มๆมยังกระฟองน้าเลยน้องรองสั่งว่า เอามาให้เราสิบช่างและมาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะยวนที่ห้าเอ่ยขึ้นว่าโปรดจะได้หัวเราะเยาะพวกเราเลยอาจารย์ที่วันนี้พวกเรารับรองท่านได้ไมด่ดีวูหยงว่าข้าเองตั้งหากที่สมควรต้องของอภัยที่มารบวนพวกท่านมากไปแล้วน้องรองรีบตัดบทว่าแม่โปรดจะได้พูดอะไรอีกเลยขอรับแล้วสั่งให้เด็กรับใช้รินเหล้า บริกรนำเนื้อหั่นสองจานใหญ่มาบริการวางลงบนโต๊ะสามพี่น้องตระกูลหยวนก็ขยันขยอให้วูหยงลองชิมวูหยงเอาตะเกียบคีบเนื้อขึ้นมากินหลายชิ้นพอทำท่ากินไม่ลงแล้วบรรดาเจ้าภาพก็รุมถึงไปที่จานทั้งสองพระหนึ่งฝูงหมาป่าและเสือหิวพริบตาเดียวเนื้อส่วนใหญ่ก็อันตรทานหายวับไปกับตาในที่สุดหยวนที่ห้าก็เอ่ยขึ้นว่าอะไรพามาถึงนี่ละ่ะฮะท่านอาจารย์ ยวนที่สองตอบแทนบูหยงว่าท่านอาจารย์ตอนนี้ไปเป็นครูในบ้านข้าหาบดีท่านหนึ่งท่านอยากได้ปลาทะเพียนสักสิบตัวเอาอย่างตัวละสิบห้าช่างท่านจึงมาขอให้เราช่วยยวนที่เจ็ดพูดขึ้นว่าแต่ก่อนเราหาปลาน้ำหนักขนาดนี้ให้ท่านได้ไม่ต่มกว่าสี่สิบห้าสิบตัวสบายๆ ส, สา ม, มารถหาอะไรกับแค่สิบยี่สิบตัวแต่ตอนนี้ปลาทะเพียนตัวละสิบช่างหาเกือบไม่ได้แล้ว น้องหตอบว่าไหนๆท่านอาจารย์ก็มาไกลเราจะพยายามหาให้ท่านสักโหลหนึ่งแต่เอาขนาดสักตัวละห้าหกช่างก็แล้วกันนะอู๋หยงบอกว่าแม่ไอ้เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ข้าเตรียมไว้พร้อมแล้วแต่ข้าใช้ปลาตัวเล็กไม่ได้ต้องใช้แต่ตัวใหญ่ๆขนาดสี่สิบห้าสิบช่างจึงจะพอน้องเจ็ดบอกว่าอ้ยท่านอาจารย์ตอนนี้จะไปหาที่ไหนไม่มีแล้ว ขนาดปลาตัวละห้าหกช่างเรายังไม่กล้ารับปากแถมคงอีกหลายวันกว่าจะหาได้ครบในเรือข้าก็มีแต่ปลาตัวเล็กๆอยู่หลายตัวเราลงไปเอาขึ้นมาทํากับแก้มกันเถิดจะดีกว่านะว่าแล้วก็เดินลงไปเอาปลาขึ้นมาจากเรือรวมๆกันแล้วปลาที่ได้มาทั้งหมดหนักเพียงหกเจ็ดช่างเท่านั้นยวนที่เจ็ดนำปลาเข้าไปในครัวลงมือปรุงแล้วเอาใส่จานสามใสมาวางไว้บนโตะ๊ะยวนที่เจ็ว่าทัดอาจารย์ ลองชิมดูสิขอรับแล้วทั้งสี่ก็พากันกินปลาไปอีกพักใหญ่ในไม่ช้าม่าน้าสีดำก็ค่อยๆรรยตัวลงมาบูหยงคิดในใจว่าเราเห็นจะพูดในโรงเตี้ยมไม่ถนัดจำจะต้องไปค้างกับพวกเขาสักคืนดูทีรู้ว่าจะมีอะไรไหมยวนคนที่สองเอ่ยขึ้นว่าท่านอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วค้างกับข้าสักคืนพรุ่งนี้ค่อยคิดอ่านกันต่อไปก็แล้วกัน บูยงเอ่ยขึ้นบ้างว่าสำหรับข้าการมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ให้โชคดีนักที่ได้มาพบกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นนี้ข้าคิดว่าพวกท่านคงไม่ยอมให้ข้าออกเงินมือนี้เป็นแน่ถ้าเช่นนั้นข้าจะขอแลกกับการไปค้างที่บ้านน้องรอมสักคืนตอนนี้ข้ามีเงินมาบ้างข้าจะวานพวกท่านไปช่วยซื้อเหล้ามาอีกสักไห้เนลืออีกสักหน่อยซื้อเอาที่โรงเตี้ยมนี่แหละ แล้วเข้าไปในหมู่บ้านหาซื้อไก่อีกสักสองตัวคืนนี้เราจะได้เมาก์กันพวกท่านจะเห็นเป็นชนไหนน้องรองบอกว่าเราพี่น้องให้ท่านจ่ายไม่ได้ดอกเราจัดการเองท่านอาจารย์คิดว่าเราจะจัดการไม่ได้หรือไรวูยงว่ามื้อนี้ข้าต้องเลี้ยงเองถ้าพวกท่านไม่ยอมข้าเขาจะกลับละน้องเจ็ดบอกว่าเอาละเอาละท่านอาจารย์ หากท่านยืนกรานจะเอาเช่นนั้นให้ได้พวกเราก็ยินดีจะร่วมดื่มกับท่านไว้คราวหนะ้าเราจะจัดการเองก็แล้วกันกูโยงออกความเห็นอีกว่าแม่น้องเจ็ดนี่พูดได้ตรงประเด็นดีแทๆ้ๆแล้วก็เอาเงินตำลึงหนึ่งให้กับเด็กรับใช้กำชับให้ไปยืมไหยใส่เหล้าขนาดใหญ่ใบหนึ่งจากโรงเตี้ยมซื้อเนื้อทั้งสดทั้งสุกอีกสักยี่สิบช่างจากร้าน แล้วเข้าไปหาซื้อไก่อ้วนๆจากในหมู่บ้านมาเพิ่มอีกสองตัวยวนคนรองพูดกับเจ้าของโรงเตี้ยมว่าแล้วหักที่ข้าเคยเชื่อเจ้าจากเงินก้อนนี้ด้วยกันแล้วกันนะเจ้าของโรงเตี้ยมว่าอ๋อไล่ครับไล่ครับไล่เลยไล่เลยแม่รีใจรีใจวันนี้เงินเยอะคนทั้งสี่ออกจากโรงเตี้ยมแห่งนั้นลงเรือเอาไห่เหล้าและของแกร้มใส่ไว้ในประทุนเรือ ปลดเชือกล่ามแล้วแจวข้ามตรงไปยังบ้านหยวนที่สองพอไปถึงก็ขึ้นเรือเอาเชือกล่ามเสาต้นหนึ่งไว้แบกไห่เหล้ากับเนื้อเข้าไปหลังบ้านแล้วนั่งลงน้องรองเรียกเอาตะเกียงใน3พี่น้องตระกูลหยวนมีเขาเพียงคนเดียวที่มีพัญญาทั้งหยวนที่5้าและที่7ยังโสด 1, เจ้าภาพกับอีกสามแขกก็พากันไปนั่งที่ศาลา ร, าริมน้า น้องเจ็ดเชื้อดไก่แล้วเรียกหาพี่สะพายกระบุรบุญธรรมที่สองสามีพันยาขอมาเลี้ยงให้มาช่วยกันปรุงอาหารพาอถึงยามหนึ่งเหล้ายาปลาปิ้งก็พร้อมอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วหูหยงขยันขยอให้ทุกคนดื่มทุกคนก็ดื่มกันไปหลายรอบแล้ววกกลับมายกเรื่องซื้อปลาขึ้นมาพูดอีกอูหยงถามขึ้นว่า เป็นไปได้อย่างไรที่พวกท่านหาปลาตะเพียนขนาดนั้นในบึงออกใจโตขนาดนี้ไม่ได้นะฮะยุนคุณรองบอกว่าอุ้ยท่านอาจารย์ข้าจะบอกความจริงให้ท่านทราบก็ได้ปลาใหญ่ขนาดนั้นต้องไปดักที่บึงรอบๆเขาเหลียงซานนูน่นทะเลสาบ ป, ป้ายศิลาของเราทั้งเล็กทั้งแคบไม่มีปลาตัวใหญ่ขนาดนั้นดอกูหยงคานว่าแต่บึงเหลียงซานจากนี้ไปก็ไม่ไกลนัก สองทะเลสาบก็ติดกันฉะนัหนพวกท่านไม่พายเรือรัดไยละฮะโอ้โหมีเรือจังเปล่ายวนคนรองระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักแล้วว่าเฮ้ยโปรดจะได้ถามเลยขอรับมู้ยงซักต่อไปว่าแล้วเหตุฉนันไหนต้องถอนใจเช่นนั้นด้วยเล่าฮะน้องร้องน้องห้าเอ่ยขึ้นว่า ท่านอาจารย์ยังไม่ทราบอะไรชีวิตความเป็นอยู่และการพมาหากินของเราแต่ไหนแต่ไรมากลัวนต้องพึ่งบึงเหลียมสารทั้งสิ้นแต่มหาบัตรนี้เราไม่กล้ายเยี่ยมกรายไปที่นั่นอีกอูหยงว่าเทศาจะไปห้ามพวกท่านจับปลาในสถานที่ออกกว้างใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้แน่ๆน้องห้าอุทานว่าเฮ้ยเจ้าเมืองน่ะเหรอต่อให้เป็นยมบาลก็ห้ามเราไปที่นั่นไม่ได้ดอกอูหยงว่า แล้วด้วยเหตุใดพวกท่านถึงไม่กล้าไปล่ะฮะน้องห้าว่าดูท่านอาจารย์คงจะยังไม่ได้ข่าวข้าจะเล่าให้ฟังเองก็ได้ผู้หยงว่าข้าไม่เห็นจะได้ระแคะระขายอะไรที่ไหนเลยน้องเจ็ดสอดขึ้นมาว่าแม่เพราะเอยถึงแล้วมันให้เจ็บใจนักตอนนี้มีโจรกกหนึ่งมายึดเขาเลี้ยนซานและบึงรอบๆไว้จนหมดสิน้นแถมสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดรุ่งล้ำเข้าไปจับปลาอีกด้วย วูจงอุทานขึ้นว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามิจจนอยู่ที่นั่นแม่ข้าไม่ยักจะเคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนเลยจริงๆน้องสองเล่าว่ากอหัวหน้าใหญ่ของพวกนั้นเป็นบัณฑิตสาบตกเข้ารับราชการไม่ได้ชื่อว่าวางลุนมีสมัยาว่าบัณฑิตชุดขาวรองคนที่สองชื่อว่าตู้เฉียนผู้สูงเทียมฟ้าและคนที่สองชื่อว่าทรงวานเทพพิทักษ์เมฆา รองลงไปก็คือจู้กุยฉายาจระเข้บกเปิดร้านขายเหล้าอยู่ปากทางลีเจียใช้เป็นฉากบังหน้าหาข่าวฝีมือก็ไม่เท่าไรดอกแต่เมื่อเร็วๆนี้พวกนั้นได้ผู้ช่วยใหม่มาคนหนึ่งเคยเป็นถึงครูทหาร 80,000 ประจำกองทหารรักษาพระองค์ที่เมืองหลวงตะวันออกแน่ชื่อว่าลิ้นชงหัวเสือดำคนผู้นี้ฝีมืออาวุธวรยุทธ์สุดเลิศลำ้ำ พวกเขาส่องสมุผู้คนไว้บนเขากลางน้ำนั่นราวหกร้อยเจ็ดร้อยคนเที่ยวออกปล้นสะดมบ้านเรือนและผู้คนสัญจรไปมาอยู่ไม่ได้ขาดเราไม่ได้ไปหาตาที่บึงนั้นมานานกว่าห้าปีแล้วพวกมันสั่งปิดซจะจนแน่ น, นหนาถาวรตัดทางธรรมะหากินของพวกเราสีเขียนเตียนไปเลยแม่ยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บใจนักเฮ้ยวูยงได้แต่อุทานซ้าๆอยู่อย่างนั้นว่าแม่ ไอเรื่องนี้ข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วเหตุฉัไหนาทางการบ้านเมืองจึงไม่มาจัดการเสียเล่าน้องห้าเอ่ยขึ้นว่าทางการทางเกินอะไรกันขอรับให้พวกนั้นก็ดีแต่สร้างเรื่องเดือดร้อนให้พวกเราชาวบ้านสิ่งแรกที่พวกมันทําตอนออกชนบทคือกินหมูกินแพะกินแกะกินเป็ดกินไก่ของชาวบ้านแหมเราต้องเอาเงินจ้างพวกมันจึงจะยอมออกจากหมู่บ้าน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไอโจรไพรพวกนี้จะมาไล่ที่ไอโจรราชสํานักไปเสียได้ส่วนตำรวจนั้นมันก็ไม่กล้ามาที่นี่ดอกหากทั้งการสั่งให้พวกมันออกมาจับโจรพวกมันเป็นต้องขี้ราชกางเกงเป็นแน่แม้แต่น่าพวกมันยังไม่กล้าหันมามองทางนี้เลยน้องสองพูดว่าแต่ถึงอย่างไรอย่างไรนะอย่างน้อยพวกเราก็ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องถูกบ้านเมืองเกแรา ง, งาน พูโยงว่าแม่ก็เป็นซะอย่างเนี้พวกนอกกฎหมายมันจึงได้อยู่กันอย่างสุขสบายเช่นนั้นไงน้องห้าว่าพวกนั้นบอย่นฟ้าบอย่านดินไม่ยีระสิ้นแม้กระทั่งทางการบ้านเมืองมีอะไรก็ให้แบ่งกันไปสิ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์หรือเหล้ายาปลาปิ้งแล้วอย่างนั้นทาไมมันจะไม่เป็นสุขละ่ะ พวกเราสามคนพี่น้องต้องปล่อยฝีไม้ลายมือให้จมน้ําหายไปเสียเ ป, ปล่าเปล่าเปี้ๆหากได้มีโอกาสอย่างเขาบ้างถ่าจะดีไม่น้อยเลยวูหยงแอบยิ้มอยู่ภายในแล้วคิดในใจว่าแม่อย่างนี้ก็เข้าแผนเราพอดีเลย <c oughs> อยู่ที่เจ็ดพูดขึ้นว่าอันโบราณว่าไว้ว่าคนเรามีชีวิตได้แค่หนึ่เดียวย่้าจะเขียวก็แค่ฤดูเดียวเท่านั้น พวกเรามีชีวิตกร้านกต ร, รากตรัมอยู่กับการหาปลามาดว่าได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเช่นนั้นสักวันนั่นก็พอใจแล้วไม่มีใครอยากเป็นเหมือนคนพวกนั้นกันหรอกวันวันทำแต่เรื่องอุบาทน่าจะให้เขาจับไปฟาดจะได้หวสัก6 0สิบเจ็สิบนเท่ากับเอาความกล้าหาญของตนไปทิ้งคว้างแล้วหากถูกเขาจับก็โทษในแต่ตัวเองเท่านั้นยืนที่สองพูดขึ้นอีกว่าทางการทาอะไรพวกนั้นไม่ได้ดอก ยิ่งไปกว่านั้นในแผ่นดินนี้ก็ยังมีคนอีกเป็นหมื่นเป็นพันทําผิดไว้มหันแต่กลับเดินเหินไปไหนมาไหนเป็นไทยลอยไปประนึ่งลมบนฟ้าเราพี่น้องไม่พอใจกับชะตาชีวิตในตอนนี้เลยถ้ามีคนนําพาเราก็ยินดีที่จะไปเสียให้พ้นๆจากที่นี่ยวนที่ห้าพูดว่าพวกเราคิดอยู่เสมอว่าเราก็สามารถไม่ได้ไปกว่าใครเขาแต่จะมีใครไหนเล่าเห็นคุณค่า บูหยงว่าถ้าหากมีใครสักคนเห็นพวกท่านจะกล้าไปไหมล่ะยืนที่เจ็ดว่าต่อให้บกน้ำรื้ไฟเราก็ไม่วันขอให้เป็นได้ดังฝันแค่วันถึงตายก็จะตายตาลับบูหยงคิดในใจว่าแม่พี่น้องสามคนนี้คงจะมีอะไรอยู่ในใจเป็นแน่จำจะต้องล้วงลงไปให้ถึงที่สุดว่าพรางก็รบเร้าให้คนทั้งสามดื่มเหล้าเข้าไปอีกหลายชาม แล้วถามขึ้นว่าพวกท่านกล้าเขาไปจับจอนพวกนั้นในบึงไหมอยู่ที่เจ็ดถามต่อว่าทอกกล้าแล้วจะไปขึ้นรางวันเอากับใครล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพวกกล้าทั่วทั้งวิถีพบจะต้องพากันติฉินเนินทาเอาแน่บูหยงบอกว่าข้าขอพูดสักน้อยหนึ่งหากพวกท่านอึดอัดขัดสนกับชีวิตเช่นนี้ยญ่ยจึงไม่เข้าไปเป็นพวกเขาเสียเลยเล่ายวนที่สองพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ พวกเราเองก็ปรึกษาหารือกันมาแล้วหลายรอบแต่เราได้ยินได้ฟังจากปากลวกน้องหวางหลุนบัณดิตชุดขาวทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นคนใจแคบตะนีทีเหนียวไม่รู้จักใช้คนให้เหมาะสมเขาทำให้หลินชงครูทหารจากเมืองหลวงตะวันออกต้องลาบากเส้นหนักตอนที่เพิ่งขึ้นไปสวามิพักใหม่ๆวางหลุนชอบคิดเล็กคิดน้อยเอากับคนมาใหม่ดังนั้นเราก็เลยหมดใจจะไปร่วม ยุนที่เจ็ดว่าหากเขาใจกว้างรักให้เราเหมือนท่านอาจารย์เรื่องเหมือนก็คงต่างกันลิบรับส่วนยุนที่ห้าก็ว่าถ้าเขาดีแบบนั้นเราก็คงไปกันนานแล้วหากวางหลุนเป็นเช่นท่านอาจารย์เราก็คงไม่ต้องมาดักดานอยู่ที่นี่เราพร้อมจะยอมตายให้ท่านอาจารย์โดยไม่บ่นเลยสักคำวูหยงว่าแม่ข้าไม่คู่ควรถึงขนาดนั้นหรอก ทุกวันนี้ในมณฑลสารตรงแหลหัวเปือยก็มีชมรมผู้กล้าให้ท่านไปร่วมด้วยมากหลายนะักยวนที่สองพูดว่าแม่อยู่แล้วแต่เราพี่น้องไม่รู้จักใครเขาเลยวูหยงบอกว่าแล้วท่านผู้ใหญ่บ้านเจ้าเล่าพวกท่านไม่รู้จักดอกหรือท่านอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านฝั่งตะวันออกตำบลยุนเชิงของเรานี่เองยวนที่ห้าพูดขึ้นทันทีว่า อาจารย์หมายถึงท่านเจ้าไก่เจ้าสวรรค์ยายใจดีนั่นนะหรือปู่หยงตอบว่าใช่คนนั้นนั่นแหละยวนที่เจ็ดพูดว่าแน่นอนเราเคยได้ยินกิติศัพท์ท่านมาแล้วถึงจะอยู่ใกล้แค่เพียงร้อยลี้แต่ก็ยังไม่มีปัญญาจะได้พบปูบ่หยงว่ากระไรเลยคนมีนศีลสัตว์ออกอย่างนั้นยวนที่สองบอกว่า ก็เราหาเหตุไปคุ้มบ้านท่านไม่ได้นั่นเองวูหยงว่าสองสามปีหลังมานี้ข้าได้ไปเป็นครูสอนหนังสืออยู่ใกล้ๆคุ้มบ้านของท่านข้าได้ยินว่าผู้ใหญ่กำลังรอคอยสินค้างวดหนึ่งอยู่ข้าจึงตรงมาหาพวกท่านเพื่อถามว่าพวกท่านจะยินดีร่วมกับข้าดักจิงเอาสินค้าพวกนี้เสียกลางทางได้หรือไม่ยุนที่ห้าบอกทันทีว่าไม่ได้ดอก ในเมื่อท่านผู้ใหญ่ทั้งสูงทรงทั้งเปี่ยมด้วยคุณธรรมขนาดนั้นใครเลือจะกล้าเขาไปแส่ซอดพี่น้องตลอดทั้งยุทธภพจะพากันตำหนิติเตียนเอาเปล่าเปู่ายงว่าเออข้าไม่ทันตระหนักว่าพวกท่านพี่น้องจะยึดมั่นในหลักคุณธรรมน้ำมิตเช่นนี้แหวจิตใจของพวกท่านช่างสูงส่งยิ่งนักแต่หากพวกท่า น, นดีจะช่วยข้าเขาจะเล่าความจริงให้ฟัง ตอนนี้ข้าอาศัยอยู่ในเครื่องหาดของท่านผู้ใหญ่เจ้าท่านผู้ใหญ่ได้ยินชื่อเสียงของพวกท่านจึงส่งให้ข้ามาเชิญยวนที่สองประกาศขึ้นทันทีว่าอันพวกเราสามคนพี่น้องทำการใดๆก็ตรงไปตรงมาหากท่านผู้ใหญ่ใช้ให้ท่านอาจารย์มหาหรือเรื่องลับกับพวกเราพวกเราก็ขอเวชวนาตัวจินดีรับใช้อย่างสุดจิตสุดใจพวกเราขอสะบานต่อหน้าเล่าน้อยจอกนี้หากผิดคาไป ก็ขอให้ประสบแต่ความบิบัติฉิบหายขอให้หากินหัวเอาตอนนี้หากำลังกินหัวเลยนะเฮ้ยมันจะสถาบันอะไรมั่วนะเฮ้ยยวนที่ห้าและที่เจ็ดก็ยกมือขึ้นประสานกุมท้ยถอยไว้แล้วเอ่ยคําสถาบันขึ้นว่าเราจะขายเสาตอนนี้ที่มีเริอดอุ้นุ้ให้กับคนที่รู้คุณค่าผู้หญงว่าพ่อเองก็ขอประ ก, กันว่า จะไม่นำพาพวกท่านไปเข้ารกเข้าพงที่ไหนอย่างแน่นอนนี่เป็นขานใหญ่สมุหานายกชช่แห่งเมืองหลวงตะวันออกจะจัดงานครบครอบวันเกิดของตอนในวันที่สิบห้าเดือนหกนี้ผู้ว่าเลี้ยงบุรเขยที่เมืองหลวงมนทนอุดรจะใช้เงินหนึ่งแสนพงอีแปะว่าซื้อเพชรพลอยและของมีค่าอื่นๆเป็นของกำนันวันเกิดผู้กล้านำว่าหลิวถังเพิ่งเอาข่าวนี้มาบอกเรา ข้าได้รับคำสั่งให้มาเชิญพวกท่านไปร่วมวางแผนใช้ผู้กลาสักคำ ม, มือหนึ่งไปซุ่มระหว่างทางในหุบเขาสักที่ชิงเอาสมบัติที่ซื้อมาด้วยเงินสกปรกแล้วมีความสุขตลอดชีวิตข้าต้องแสงทําทีมาหาซื้อปลาเพื่อจะได้เชิญพวกท่านไปหาหรือกันความคิดของข้านี่เป็นยังไงบ้างอ่ะฮะถูกใจพวกท่านไหมยวนที่ห้าอุทานว่าแม่สุดยอดไปเลยครับท่านอาจารย์ แล้วหันไปพยักเพยเ์ดกับน้องเจ็ดแล้วว่านั่นไหมละ่ะที่บอกยืนที่เจ็ดผุดลุกขึ้นแล้วว่าเหมือนที่เคยฝันมานานชั่วชีวิตท่านอาจารย์ขอรับเรื่องนี้โดนใจเราเสมือนเกาถูกที่คันเมื่อไรท่านอาจารย์จะเริ่มละ่ะฮะไม่ักจะเริ่มอยากตังนิจตั ง, งิจซะและ้วสิวูหยงว่าเออใจเย็นย็นพรุ่งนี้เช้ายามห้าเราจะไปบ้านผู้ใหญ่เจ้ากันเลย สามพี่น้องดีใจยิ่งนักคืนนั้นผ่านไปพอเช้าพวกเขาตื่นมากินอาหารเรียกครอบครัวมาสั่งความแล้วออกจากหมู่บ้านป้ายศิลาไปกับบูหยงตรงไปยังบ้านฝั่งตะวันออกทั้งหมดเดินไปตลอดทั้งวันในที่สุดก็เห็นเครืหข่าของผู้ใหญ่เจ้าอยู่ลิบๆิลิ้วถังกับเจ้าไก่ออกมายืนรออยู่ที่ใต้ต้นฝักสบู่เขียวสดใสใกล้ครือข่พอบูหยงนาคนทั้งสามเข้าไป ทั้งสองก็รีบตรงมาต้อนรับขับสู้อย่างอบอุ่นผู้ใหญ่บ้านร้องทักขึ้นว่าแม่สามพี่น้องตระกูลหยวนผู้โด่งดังได้เห็นพวกท่านแล้วช่างสมนักกับกิจิรัพย์มามาเชิญไปหาหรือกันข้างไหนเถิดเจ้าไก่พาคนทั้งหมดเดินตรงไปยังห้องโถงหลังบ้านนั่งลงอย่างแขกกับเจ้าบ้านบูยงรายงานเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าได้ฟังก็ยินดีนัก สั่งบ่าไพรให้เชือดหมูล้มแกะและตระเรียมกระดาษเงินและกระดาษทองกริยาท่าทางของเจ้าไก่นั้นช่างโอ่อ่าภูมฐานโอภาปราศัยก็เป็นไปอย่างกันเองจนสามพี่น้องอดใจไม่ได้ต้องเอ่ยขึ้นว่าพวกเรายินดีอย่างที่สุดที่ได้มีโอกาสคบหาผู้กล้าเยี่ยงท่านนี่หากท่านอาจารย์หูไม่ไปพาพวกเรามาก็คงไม่มีโอกาสได้พบหน้ากัน ทั้งหมดดื่มกินกันไปด้วยความชื่นมื่นจนค่นคืนพอรุ่งสางข้าวันใหม่พวกเขาก็ตื่นแล้วตรงไปยังห้องถุงหลังบ้านบนโต๊ะเบื้องหน้าที่จัดเตรียมไว้เต็มไปด้วยกระดาษเงินและกระดาษทองหมากระดาษทูกเทียนข้าวตอกดอกไม้หมูเห็ดเป็ดไก่ที่ปรุงไว้ตั้งแต่คืนก่อนคนอื่นๆพากันดีใจที่เห็นเจ้าไก่มีจิตใจมุ่งมั่นเช่นนั้นแล้วทุกคนก็ร่วมกันกระทาสัตย์ s า b ว่า จะซื้อสัตว์ต่อกันละกันอย่างมั่นคงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยานแก่ปวงข้าน้อยพูดตามต้อยอันว่าผู้ว่าเลี้ยงแห่งเมืองหลวงมณฑลอุดรกดขีคมเหงพ่ฟ้าประชาชนใช้เงินที่ได้จากการรีดนาทาเร้นกินสินบาทขาสินบนมาซื้อหาของกำนันวันเกิดจัดส่งไปให้พ่อตาสมุหะนายกชัยที่เมืองหลวงตะ ว, วันออกสมบัตินี้ได้มาด้วยชั่ว หากผู้ใดในหมู่เราทั้งหกมุ่งหวังจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วไซขอให้ฟ้าดินจงโปรดลงโทษ ด, ด้วยหลังจากได้ทำสัตว์ปฏิญาณแก่กันและกันแ ล, นแล้วทั้งหมดก็ร่วมกันเผากระดาษเงินกระดาษทองพอเสร็จพิธีทุกคนก็ดื่มกินกันไปไม่ทันนานบ่าวคนหนึ่งก็เข้ามารายงานว่ารายงานครับเจ้านายมีเต้าสือผู้หนึ่งมายืนรออยู่ที่ปากประตูบอกว่าอยากจะขอพบท่านผู้ใหญ่บ้าน ใครดังว่าจะมาหารือเรื่องบริจาคทานขอรับเจ้าไก่ตวาดว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้จักกาลเทศะไม่เห็นหรือไรว่าข้ากําลังนั่งดื่มอยู่กับแขกให้ข้าวไปสักสี่ห้าทนานก็ทมเทไปแล้วทําไมต้องมาบอกข้าด้วยละวันเนี่ยฮะเฮ้ยคนรับใช้ว่าข้าน้อยก็เอาเข้าวสารไปให้แล้วแต่เต้าเสือผู้นั้นหายอมรับไหม และบอกว่าจะขอพบในท่านให้ได้อยู่อย่างเดียวเจ้าไก่ว่าท่านคงเห็นว่าไม่พอเจ้าก็เอาไปเพิ่มให้สักสองสามเท่าแล้วกราบเรียนท่านว่าผู้ใหญ่บ้านกำลังรับแขกไม่มีเวลาออกไปต้อนรับหนาบ่าคนนั้นกลับออกไปแต่เพียงอึดใจใหญ่ๆก็กลับเข้ามาใหม่แล้วว่าข้าน้อยเอาเข้าวสารเพิ่มให้ถึงสามเท่าแต่เต้าสือก็ยังไม่ยอมรับ บอกแต่ว่าตัวท่านเป็นคนซื่อมานี่ก็เพื่อขอพบในท่านจริงๆไม่ได้มาขอทานเจ้าไก่ว่าเจ้าไม่รู้จักตะล่อมเฮียกลับไปเรียนท่านว่าวันนี้ข้าไม่ว่างจริงๆถ้ามาเวลาอื่นข้าจะเชิญดื่มชาคนใช้ว่าข้าน้อยก็พูดอย่างนั้นแล้วะครับแต่เต้าสือก็อยังดึงดันแถมยังยืนกรานว่าข้าไม่ได้มาของเงินขอทองข้าได้ยินกิติศัพ์ว่า ท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดีวีระอาหารจึงใครจะมาขอพบอารมณ์ผู้ใหญ่เจา้าพลันก็เดือดแล้วว่าเอ๊ะเจ้านี่ตอแยเสียจริงๆใช้ให้จัดการเรื่องแค่นี้ก็ไม่ได้ถ้าเต่าสือท่านยังไม่พอใจก็เพิ่มให้ไปอีกไม่ต้องเข้ามารายงานข้าอีกแล้วบอกท่านว่าทำให้ติดแคกก็คงจะให้พบได้ดอกออกไปไล่ให้ไปพ้ น, พนเสียเฮ้ยแล้วเจ้าก็อย่ากลับมากวนอีก พอบ่าวผู้นั้นลับหลังไปไม่ทันนานทันก็เกิดเสียงเอะอะโครงครามขึ้นที่หน้าประตูรั้วบ่าวอีกคนรีบผลุนผลันเข้ามารายงานว่าเจ้านายเจ้านายเจ้าเสือผู้นั้นโมโหต่อยตีพวกเราลงไปตั้งสิบกว่าคนแล้วรีบออกไปดูเร็วเจ้าไก่ตกตะลึงผุดลุกขึ้นทันทีแล้วว่ากับคนที่นั่งอยู่ว่าท่านพี่ท่านพี่ขออภัยให้ข้าสักประเดี๋ยว จำจะต้องออกไปดูให้รู้แน่เสียแล้วว่าแล้วก็รุดออกจากห้องโถงดิ่งตรงไปยังประตูรัว้วนณะที่ลานบ้านนอกประตูรัว้วใต้ต้นฝักสบู่ต้นนั้นเต้าสือผู้หนึ่งรูปร่างงามสง่าใบหน้าอิ่มเอิบผ่องใสกําลังรับมือบ่าไพรในบ้านที่กรูกันเท่าไส้ด้วยพระกําลังที่กล้าแข็งยิ่งนักกลางตะโกนว่าเฮ้ยพวกเจ้ามันไม่รู้จักแย่งแยะคนดีคนชั่วเจ้าไก่ตะโกนขึ้นว่า ยังมือก่อนท น, นักรถโอ้โหเละเทะหมดเลยและพูดกับเต้าสือว่าท่านมาถามหาผู้ใหญ่บ้านจเจ้าประหนึ่งจะขอบริจาคทานพวกเขาก็เอาเข้าวสารให้แล้วเหตุชะไหนจึงต้องมากอารมณ์ไปด้วยเราเต้าสือพูดนั้นได้ฟังก็แค่นหัวร่อแล้วว่า <c oughs> <c oughs> ข้าไม่ใส่ใจเรื่องข้าวของเงินทองใดๆ ด, ดอกแม้แต่เงินแสนพงอีแปะข้าก็ยังไม่แล ข้ามาตามหาผู้ใหญ่บ้านเพราะมีการบางอย่างจะบอกแต่ไอ้ถอยสะถุนพวกนี้หามีใครยอมฟังเหตุฟังผลไหมแถมยังพูดจาโอหังบางอาจท้าทายพฤศรวาทบาดอารมณ์ข้านักเจ้าไก่ถามเต้าสือว่าท่านเต้าสือท่านรู้จักกับท่านผู้ใหญ่หรือไรเต้าสือว่าข้าได้ยินแค่กิติศัพท์แต่เท่าว่าหน้านั้นยังไม่เคยเห็นเจ้าไก่ว่า เป็นข้าน้อยพูดต่ำต้อยผู้นี้นี่เองแล้วท่านเต้าสืออยากจะบอกอะไรกับข้าละ่ะเต้าสือว่าหากขออภัยผู้ใหญ่บ้านรสดรับการคารวะจากข้าด้วยเจ้าไก่ว่าแมท่านเต้าสือช่างมีมารยาทนะักจะไม่เข้าไปในบ้านดื่มชากันสักหน่อยหนึ่งก่อนดอกหรือเต้าสือว่าขอพระคุณประสบทั้งสองพากันเดินเข้าไปในบ้าน วูหยงกับคนอื่นๆพ่อเห็นนักพรตเตาใกล้เข้ามาก็รีบลีหนีหน้าออกจากห้องไปเจ้าไก่เชิญเต้าสือผู้นั้นไปยังห้องโถงหลังบ้านหลังจากนั้นลงดื่มชากันอยู่ครู่หนึ่งนักพรตก็เอ่ยขึ้นว่าแมห้องนี้ไม่เหมาะจะพูดจาท่านมีสถานที่แห่งอื่นอีกหรือไม่ผู้ใหญ่บ้านเจ้าก็พาไปยังห้องเล็กอีกห้องหนึ่งแล้วนั่งลงตามธรรมเนียมแขกกับเจ้าบ้านอีกผู้ใหญ่เจ้าถามขึ้นว่า ข้าใครจะขอทราบนามท่านแล้วท่านมีพื้นเพมาจากที่ใดหรือขอรับเต้าสือว่าข้าใช้แซ่ว่ากงซุนส่วนนามตัวชื่อเชงมีสมวยาในสกลปริมณฑลแห่งลัทธิต่า ว, ว่าเดียวพิสุทธิ์อ๋อในหัวเดียวไมโครโฟนข้าเกิดในจังหวัดจีโจตั้งแต่เด็กเล็กก็ชื่นชอบในวิทยายุทธ์กระทั่งให้เชี่ยวชาญในอาวุธก็หลายชนิดผู้คนเรียกหาว่าบุรุษกล้ากงซุนเชง แต่ต่อมาเมื่อได้บวชเรียนในลัทธิเตา๋าก็ชำชองจนสามารถเรียกลมเรียกฝนขี่เมฆดัานหมอกจนบรรดาเพื่อนพ้องในยุทธภพตั้งสมัยาให้อีกว่ามังกรนในม้านเมฆถ้าได้ยินคำร่ำลือเกีเ่ยวกับผู้ใหญ่บ้านเจา้าหมู่บ้านฝั่งตะวันออกแห่งตะบนยุนเชงมาก็นานหนักหนาแต่เพิ่งมีวาสนาได้มาพบท่านกัวันนี้เพื่อเป็นเกียรติที่ได้รู้จักและถือเป็นการแนะนาตัว ข้าจึงใคร่จะมอบเพชรนิลจินดาราคาสักหนึ่งแสนพงอีแปะให้ใคร่ทราบว่าท่านผู้ใหญ่บ้านจะยินดีรับหรือไม่เจ้าหัวเราะแล้วว่าฮ่ฮฮฮม่ท่านคงไม่ได้หมายถึงสินค้าจากเมืองหลวงบนทนอุดร ด, ดอกกะลมังนักพรตเต่าหลุดปากด้วยความสนเทเอเหตุเช่นไหนท่านถึงได้รู้ล่ะฮะเจ้าไก่อธิบายว่าข้อนึกเดาเอาเ อ, าเองดอก คิดว่าเราสองคนคงคิดพ้องเรื่องเดียวกันเป็นแน่เต้าสือว่าใช่แล้วใช่แล้วนี่เป็นโอกาสที่จะปล่อยให้พลาดไปไม่ได้ดังโบราณว่าโอกาสมาถึงแต่ไม่คว้าไว้ก็จะได้ฟูมฟายในภายหลังท่านเห็นว่าความคิดนี้เป็นเช่นไรท่านผูยย้ใหญ่ชับทันนั้นใครคนหนึ่งก็ทลันเข้ามาในห้องแล้วหยุดชายเสื้อนับพลดเต่าเอาไว้แล้วว่าดีละข้าแอบฟังอยู่นานแล้ว ท่านล่วงกฎหมายบ้านเมืองในที่เปิดละเมิดองค์การสวรรค์นในที่ปิดกล้าหานชานใช้อย่างไรจึงเที่ยว ม, มาสมคบคิดวอนหาความผิดใส่ตัวเช่นนี้บัตรนั้นใบหน้าเต้าสือที่เคยอินเอิบก็พลันเพื่อเสลดลงไปในบัตรดลด้วยว่าระหว่างที่เต้าสือกําลังค่อยๆไขความลับในห้องน้อยนั้นบุรุษที่แอบฟังอยู่นอกหน้าต่างก็รู้แจ้งแทงตลอดสามารถลากคอผู้สมรู้ร่วมคิดเข้าปิ้งได้อย่างสบายมาก แล้วใครกันเล่าที่เข้าไปหยุดชายเสื้อของมังกรในม่านแม่กงซุนเฉิงฟังบทต่อไปหากใครรู้ข้านึกเดาเอาเองดอกคิดว่าเราสองคนคงคิดพ้องเรื่องเดียวกันเป็นแน่เต้าสื่อว่าใช่แล้วใช่แล้วนี่เป็นโอกาสที่จะปล่อยให้พลาดไปไม่ได้ดังโบราณว่า โอกาสมาถึงแต่ไม่คว้าไว้ก็จะได้ฟูมฝายในภายหลังท่านเห็นว่าความคิดนี้เป็นเช่นไรท่านผู้ใหญ่<ฆ>ชับทัานนั้นใครคนหนึ่งก็ทลันเข้ามาในห้องแล้วหยุดชายเสื้อนักพศเตาเอาไว้แล้วว่าดีละข้าแอบฟังอยู่นานแล้วท่านล่วงกฎหมายบ้านเมืองในที่เปิดละเมิดองค์การสวรรค์นในที่ปิดกล้าหาญชานใช้อย่างไรจึงเที่ยวมาสมคบคิดวอนหาความผิดใสตัวเช่นนี้ บัตรนั้นใบหน้าเต้าสือที่เคยอิ่มเอิบก็พลันเพื่อสลดลงไปในบัตรดนด้วยว่าระหว่างที่เต้าสือกำลังค่อยๆไขความลับในห้องน้อยนั้นผู้ที่มหยุดชายเสือ้อกงซุนเชงที่แท้ก็คือปูหยงจอมมายากลนเจ้าไก่หัวเราะแล้วว่าฮา <laughs> อย่าได้ล้อเล่นกับเต้าสือท่านนี้เลยท่านอาจารย์ขออนุญาตแนะนาให้รู้จักกนแล้วกัน ทั้งสองเตา๋าหนึ่งนักบวชกับอีกหนึ่งสินแสก็โค้งคำนับกันและกันวูหยงเอ่ยขึ้นว่าข้าเคยได้ยินคำร่ำลือถึงชื่อเสียงของท่านกงซุนเชงในหมู่ชาวยุทธจักรมานานหนักหนาแล้วไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มาพบกันในวันนี้เจ้าไก่ว่าท่านผู้นี้มีนามว่าวูหยงจอมมายากลกงซุนเชงกล่าวว่า ในยุทธภพก็มีผู้เอ่ยน้ำอันน่าเลื่อมใสของท่านให้ได้ยินอยู่บ่อยๆใครเลยจะคาดว่าวันนี้จะโชคดีได้มาเจอตัวจริงที่คุ้มบ้านผู้ใหญ่เจ้านี่เองนี่ต้องเป็นเพราะความวีระอาจหารและน้ำใจไมตรีของท่านผู้ใหญ่โดยแท้ที่ทําให้ผู้กล้าทั่วทุกสารทิศภากคพลังไหลามาเคาะประตูบ้านกันเนืองนิดไม่ได้ขาดแล้วเจ้าไก่ก็พูดว่ายังมีใครบางคนที่ท่านต้องพบอยู่ในห้องถัดไป ได้โปรดตามข้าไปที่ห้องหลังด้วยแล้วคนทั้งสามก็พากันย้ายไปอีกห้องเจ้าไก่แนะนากงซุนเชงให้รู้จักหลิวถังและสามพี่น้องตระกูลหยวนทุกคนเอ่ยขึ้นว่าการได้มาประสบพบหน้าในครานี้ย่อมไม่ใช่เหตุบังเอิญถ้าเช่นนั้นเชิญพี่ใหญ่เจ้าโปรดนั่งเป็นประธานด้วยเถิดเจ้าไก่ค้านว่าข้าเป็นแค่เจ้าบ้านที่ทาต้อยไร้สิ่งขบเคี้ยวใดๆ มาคอยต้อนรับขับสู้บรรดาแขกผู้มีเกียรติอย่างพวกท่านใยายจะกล้ารับไหวผูว้หยงเอ่ยขึ้นว่าได้โปรดเถิดพี่ใหญ่มอบให้เป็นธุระจัดการของข้าตัวท่านก็อาวุโสที่สุดในหมู่เราท่านต้องนั่งเป็นประธานที่หัวโตจึงจะถูกก็จนตอนนั้นนั่นเองเจ้าไก่จึงยอมนั่งวู้หยงนั่งลงเป็นอันดับสองกงซุนเป็นอันดับที่สามหลิวถังที่สี่หยวนที่สองลำดับที่ห้า หยวนที่หาลำดับที่6และหยวนที่7ดลำดับที่เจ็ดพวกเขาพากันดื่มฉลองในโอกาสที่ได้มาพบกันแล้วก็ตั้งโต๊ะขึ้นเล่ายาปลาปิ้งถูกยกมาบริการฮูหยงเอ่ยขึ้นว่าท่านผู้ใหญ่บ้านฝันว่าดาวเจ็ดดวงในหมู่ดาวกระบวยใหญ่มาสิงสถิตประดิษฐานเปล่งประกายเจิดจ้าตรุงสันหลังคาบ้าน แล้วมาตอนนี้เราเจ็ดคนที่ล้วนมีเป้าประสงค์อันยิ่งใหญ่มีน้ำหนึ่งใจเดียวก็ได้มารวมตัวกันในวันนี้แล้วนี่ย่อมเป็นอนัสัญญาณจากสวรรค์ให้เรายึดสินค้าในขบวนนั้นมาได้โดยง่ายข้าขอแนะนำว่าพี่หลิวถังควรจะไปสืบดูว่าขบวนสินค้าจะใช้เส้นทางใดคืนนี้เห็นท่าจะล่าไปแล้วพรุ่งนี้เช้าท่านค่อยออกเดินทางไปจะได้หรือไม่แล้วกงสุนเชิงก็ตัดบทว่า ไม่จำเป็นแล้วละ่ะข้าทราบมาแล้วว่ามันจะใช้เส้นทางผ่านไปทางดอยสันดินเหลืองเจ้าไก่พูดขึ้นว่าเซบลีกไปทางตะ ว, วันออกของสันดินเหลืองนี้ไม่มู่บ้านแห่งหนึ่งชื่ออันโลและในหมู่บ้านแห่งนี้มีคนหลักลอยอาศัยอยู่ผู้หนึ่งนามว่าไปเชงหรือสมัญญานามในยุทธภพว่าหนูกลางวันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยมาขอความช่วยเหลือจากข้า ข้าเลยช่วยไปเล็กๆน้อยๆในหมู่ดาวกระบบยใหญ่ในฝันทั้งเจ็ดวงยังมีดาวน้อยอีกดวงพุ่งว่าบออกมาด้วยอูหยงอุทธานว่าเราต้องได้ใช้เขาหลิวถังพูดขึ้นบ้างว่าจากที่นี่ไปสันดินเหลืองระยะทางไกลนักเราจะซุ่มรออยู่ที่ใดได้ไดอูหยงบอกว่าก็ที่บ้านของไปเช่นนั้นแหละ เราจะใช้ที่นั่นเป็นที่กบดานและจะได้อาศัยใช้ให้เขาทำเรื่องอื่นด้วยเจ้าไก่ถามว่าใจยึดขบวนของกำนันเราควรใช้กลวิธีใดดีแข็งหรืออ่อนวูหยงพลันก็หัวเราะแล้วว่า <c oughs> ข้าคิดไว้วิธีการหนึ่งแล้วสำคัญอยู่ที่ว่าขบวนสินค้าจะมาไม้ไหนเล่นแบบใดถ้าแรงมาเราก็แรงไปถ้าอ่อนมาเราก็อ่อนให แต่ข้ามีแผนไว้แล้วว่าแต่ว่าพี่ท่านจะอนุมัติหรือไม่ว่าพรางก็แจกแจงลงไปในรายละเอียดเจ้าไก่กระทึบเท้าด้วยย่ามใจเยี่ยมยอดไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้คนพากันเรียกท่านว่าจอมมายากลท่านนั้นเหนือกว่าท่านจูเกอเลี้ยงหรือจูกัดเลี้ยงไปไหนไหนนับว่าเป็นแผนการชัน้นยอดจริงๆบูหยงบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็อย่าได้เ อ, อ่ยถึงมันอีกเลยอันโบราณว่า กำแพงมีหูพึงระวังพวกคนผ่านไปมาใต้หน้าต่างขอให้รู้กันเฉพาะหมู่เราเท่านั้นเจ้าไก่หันไปบอกสามพี่น้องตระกูลหยวนว่าพ่อเช่นนั้นท่านทั้งสามจงกลับไปก่อนพ่อถึงเวลาค่อยย้อนกลับมาอาจารย์วูท่านไปสอนหนังสือตามปกติส่วนท่านกงซุนกับพี่หลิวพำนักอยู่ที่นี่ไปก่อนพวกเขาพากันดื่มกินกันจนมืดแล้วค่อยแยกแย้ายกันไปพักยังห้องรับแขก พอรุ่งเช้าก็ตื่นมายามห้าทั้งหมดลุกขึ้นรับประทานอาหารเช้าเจ้าไก่มอบเงินแท่งสดใสแวววาวราวก้อนหิมะให้สามพี่น้องสามสิบตำลึงแล้วว่าของกำนันเล็กๆน้อยๆจากข้าโปรดจะได้ปฏิเสธเลยฮะแรกสามพี่น้องไม่ยอมรับจนวูหยงต้องสำทับลงไปว่าน้ำใจเช่นนี้ไม่ควรที่จะปฏิเสธทั้งสามจึงรับไป ทั้งหมดพากันไปส่งจนถึงหน้าประตูคุ้มวูหยงหันไปสั่งความเบาๆว่าท่านทั้งสามรถมาให้ทันเวลาด้วยแล้วก็ตามสามพี่น้องไปสามพี่น้องกลับไปอยู่หมู่บ้านป้ายศิลาเจ้าไก่รับกงซุนเชงกับหลวถังไว้ในบ้านส่วนวูหยงก็เพียรมหาฤาษรายละเอียดในแผนการอยู่เป็นประจำขอให้เราข้ามเรื่องสัพเพเหระไปก่อนนะครับ แล้วย้อนกลับมาดูทางผู้ว่าเลี้ยงแห่งนครต้าหมิงเมืองหลวงมนทนอุดรหลังจากควานซื้อทองหยองและของมีค่าจนได้ครบหนึ่งแสนพงอีแปะแล้วก็ให้เหลือเป็นกังวลอยู่แต่การขนส่งและกําหนดการเดินทางเท่านั้นวันต่อมาขณะที่ผู้ว่าเลี้ยงเอกนเนกอยู่ในห้องหลังบ้านคุณหญิงช่ายผู้เป็นพัญญาก็ชะอ้อนถามขึ้นอีกว่าท่านได้เท้าเจ้าขาคงกํานันวันเกิดจะส่งไปเมื่อใดหรือเจ้าคะผู้ว่าเลี้ยงว่า พรุ่งนี้หรือมรืนนี้แล้วล่ะคะ่ะข้าซื้อหาทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมแล้วยังเหลืออยู่เพียงเรื่องเดียวที่ให้กังวลใจนะักคุณหญิงใช่าถามว่ามีปัญหาอันใดหรือเจ้าคะผู้ ว, ว่าเหลี้ยงว่าคือว่าเมื่อปีที่แล้วข้าก็ซื้อของมีค่าราคาหนึ่งแสพวงอีแปะและจัดส่งไปเมืองหลวงตะวันออกเช่นกันแต่เนื่องจากใช้คนผิดของจึงถูกพ้นไปกลางทางจนถึงทุกวันนี้ก็ยังจับโจรร้ายไม่ได้ เวลานี้ข้าก็ยังมองไม่เห็นใครในหมู่บริวารเราที่พอจะเชื่อใจให้เอาการเป่าเปลียวคราวนี้เรื่องนี้กวนใจข้านักท่านคุณหญิงใช่ก็ชี้มือไปยังบุรุษหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่ตีนยกพื้นแล้วว่าก็ใต้เท้าไม่ใช่หรือไรที่ชมนักชมหนาว่าเขายิ่งยงนักเหตุชะไหนไม่มอบหมายหน้าที่คุ้มกันสินค้ารายนี้ให้เขาไปเสียเล่าเขาน่าจะดูแลแบกรับไปจนตลอดรอดฝั่งได้ดอก บุรุษที่คุณหญิงชี้หาใช่ใครอื่นนอกจากหยางซื่อเดรัจฉานหน้าดำผู้นั้นนั่นเองผู้ว่าเหลียงยินดีนะักว่าแล้วก็เรียกหยางซื่อเข้าไปในห้องผู้ว่าออกตัวว่าแม่ข้าลืมนึกถึงเจ้าไปเสียสนิทหากเจ้าคุ้มกันขบวนสินค้าครานี้ไปได้ตลอดรอบสั่งขากลับมาข้าจะปูนบาเรจให้เจ้าจนถึงขนาดหยางซื่อกุ้มมืออย่างนอบน้อมแล้วว่า หากนั่นเป็นสิ่งที่ใต้เท้าปรารถนาข้าน้อยก็จะต้องสารต่อให้ถึงที่สุดขบวนสินค้าเที่ยวนี้มีสิ่งของอันใดบ้างและจะออกเดินทางเมื่อใดหรือขอรับผู้ว่าเหลียงบอกกับหยางซื่อว่าข้อบัญชาให้ข้าหลวงจัดเตรียมเกวียนขนาดใหญ่ไว้แล้วสิบเล่มข้าจะให้ทหารพิทักษ์ของข้าคงไปเล่มละสิบคนเกวียนแต่ละเล่มจะชักธงเหลืองเขียนข้อความว่าขาบวนของกำนันวันเกิดท่านสมหะนายก นอกจากนั้นข้าก็จะให้ในายทหารฝีมือดีกำกับเวียนไปอีกคนละเล่มภายในสามวันนี้เจ้าคอยออกเดินทางไปยางซื่อบอกกับผู้ว่าเหลียงว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็โปรดมอบหมายภารกิจนี้ให้ผู้อื่นทำเถิดขอรับหาใช่เพราะข้าน้อยไม่เต็มใจรับดอกหากแต่เป็นเพราะเหลือวิสัยที่จะทำได้จริงๆผู้ว่าเหลียงถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วว่าเฮ้ย hey เป็นเพราะข้าหวังจะยกเจ้าขึ้นไปกินตำแหน่งใหญ่ดอกหนาจึงได้ทำเช่นนี้พร้อมของกำนันงวดนี้ข้าเตรียมที่จะส่งหนังสือฝากฝังเจ้าไปยังท่านสมหานายกเจ้าจะได้กลับมาพร้อมกับหนังสือแต่งตั้งให้ไปรับตำแหน่งใหม่เหตุเช่นไหนเจ้าจึงไม่กล้าไปเล่ายางซื่อบอกกับใต้เท้าเหลี่ยงว่าใต้เท้าขอรับข้าได้ยินมาว่าของกำนันเมื่อปีกลายก็ถูกป้นไปในระหว่างทางจนถึงวันนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ โดยเฉพาะมาปีนี้จนผู้ร้ายในหนองบึงให้ชุกชุมนักจากที่นี่ไปเมืองหลวงตะวันออกไม่มีทางน้ำเลยสักเส้นเดียวต้องเดินบกไปตลอด้นทางที่จะผ่านก็ล้วนเต็มไปด้วยจุดอันตรายใหญ่หลวงไม่ว่าจะเป็นเขาวาวม่วงเขามังกอคู่ผู้ดอกท้อบานดอยร่มกันสันดินเหลืองหุบายขาวทานเมฆเปรียวและป่าสนแดงเป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ชุกชุมไปด้วยโจรภัยใจกล้าไม่มีพ่อค้าหน้าไหนจะอาจหาสัญจรไปโดยลำพังหากพวกโจรรู้ล่วงหน้าว่าเราจะขนสินค้าสำคัญผ่านไปทางนั้นแน่นอนว่าพวกมันจะต้องคิดหาหนทางชิ้งเอาไปให้ได้เราจะเอาชีวิตไปทิ้งซะเปล่าๆ ป, าปี้ๆแล้วขอรับก็ด้วยเหตุชะนี้แหละขอรับข้าจึงไม่อาจรับผิดชอบได้พวกว่าเลียงว่าพ่อเช่นนั้น ข้าจะให้เจ้าใช้กองทัพคุ้มกันขบวนไปอย่างซื่อขานว่าถึงใต้เทา้าจะให้ข้าขุมทหารสักหมืน่นก็หาประโยชน์อันใดไม่ให้พวกขี้ข้าเหล่านี้เพราะได้ยินว่าโจนมาก็รังแต่จะรีบเพนนีพวกว่าเหลี่ยงว่าเจ้าจะหมายว่าของกำนันวันเกิดเที่ยวนี้ไม่มีทางที่จะเป่าเปียวไปได้เลยกระนั้นหรืออย่างซื่อบอกกับใต้เท้าเหลี่ยงว่า หากใต้เท้าจะยอมตามข้าน้อยสักเรื่องหนึ่งข้าน้อยก็จะรับปากผู้ว่าเหลี้ยงว่าก็ในเมื่อข้าวางใจเจ้าอย่างเต็มที่เช่นนี้ก็จะทําไมละ่ะว่ามาเลยอย่างซื่อว่าใต้เท้าขอรับข้าเห็นว่าขาบวนลำเลียงเที่ยวนี้จะใช้เวียนไม่ได้โดยเด็ดขาดเราควรเอาข้าวของบรรจุกระบุงหาไปดังหนึ่งพ่อขาสามมันใช้ทหารแข็งแรงสักสิบคนแต่งเป็นลูกหาบส่วนข้าน้อยก็ต้องการผู้ช่วย แต่งเป็นแต่พ่อค้ารองอีกเพียงคนเดียวก็พอเราจะออกเดินทางไปอย่างเงียบๆ เ, เดินไปทั้งกลางวันและกลางคืนจนกว่าจะบรรลุถึงเมืองหลวงตะ ว, วันออกและส่งมอบสินค้าแล้วมีแต่ทางนี้เพียงทางเดียวเท่านั้นที่พอจะส่งของกํานั้นไปได้ผู้ ว, ว่าเหลี้ยงว่าถ้าเช่นนั้นก็ให้เป็นไปตามที่เจ้าปรารถนาเถิดพรุ่งนี้ข้าจะมีหนังสือแนะนําพ่อตาข้าแต่งตั้งเจ้าให้เป็นขุนนางอย่างซื่อขอบพระคุณและว่า เป็นพระเดชพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้เลยขอรับที่ใต้เท้าเมตตาปรานีวันนั้นหยางซื่อเก็บข้าวเก็บของแล้วไปคัดตัวทหารองครักษ์วันต่อมาเขาก็ถูกตามตัวเข้าไปหาเรือในห้องในผู้ว่าเหลียงออกมารับแล้วเอ่ยถามขึ้นว่าหยางซื่อเจ้าจะออกเดินทางเมื่อใดหยางซื่อตอบว่าพวกเราคิดจะออกให้ทันวันพรุ่งนี้รออยู่ก็แต่นังสือที่จะใช้ให้ถือไปขอรับ ผู้ ว, ว่าเหลี้ยงบอกกับหยางซื่อว่าเออแน่เ e มียข้ามีของฝากไปให้ญาติผู้หญิงของนางข้าอยากให้เจ้ารับไปด้วยส่วนตัวข้าก็เกรงว่าเจ้าจะไม่รู้ลู่ทางในจวนท่านอ克拉มหาเสนอบับดีข้าจะให้พ่อบ้านเสียตามไปพร้อมในกองในกองทหารอีกสองคนหยางซื่อว่าท่านใต้เท้าขอรับถ้าเป็นเช่นนั้นข้าคงจะรับหน้าที่นี้ไม่ได้เป็นแน่ผู้ ว, ว่าเลี้ยงพูดด้วยความโมโหว่าเอ๊ะ e แล้วเหตุไห น, นจึงเกิดไม่ได้ขึ้นมาอีกเล่าสินค้าก็ย้ายมาใส่กระบงเตรียมการไว้แล้วอย่างพรักพร้อมฮอ <Hey. S 1> ย่างซื่อบอกกับผู้ว่าเหลียงว่าตัวข้าน้อยมีหน้าที่รับผิดชอบของกำนันสิบหบับส่วนทหารทั้งสิบคนก็ล้วนอยู่ใต้บัคับบัญชาทั้งสิน้นหากข้าน้อยสั่งให้ออกเชา้าพวกมันก็จะต้องออกแต่เชา้าหากสั่งให้ออกสายพวกมันก็จะต้องย้ายมาออกสายจะค้างคืนที่ใดข้าน้อยก็จะเป็นคนกําหนด จะนอนเมื่อใดข้าน้อยก็จะเป็นคนสั่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนข้าน้อยเป็นคนกํากับทั้งสิ้นแต่มาตอนนี้ใต้เท้าคิดจะให้พ่อบ้านกลับอีกสองในกองไปด้วยพ่อหอบ้านท่านนี้เป็นคนของคุณหญิงและเป็นถึงผัวแม่นมที่เลี้ยงดูคุณหญิงท่านมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกหากไปตามทางท่านเกิดไม่เห็นด้วยกับข้าขึ้นมาข้าน้อยจะไปกล้าเถียงอย่างไรได้แต่หากภารกิจครั้งนี้ล้มเหลวก็มีแต่ตัวข้าน้อยเองเท่านั้น ที่ต้องก้มหน้ารับกรรมไปแต่เพียงลําพังผู้เดียวผู<อ>ว่าเหลี้ยงว่าอ๋อถ้าเช่นนั้นก็ง่ายนะข้าจะสั่งเขากับผู้พันทั้งสองให้เชื่อฟังคําสั่งเจ้าอย่างซื่อว่าถ้าเช่นนั้นข้าน้อยก็ยินดีจะแบกรับภาระหน้าที่นี้ให้สําเร็จหากล้มเหลวก็จะก้มหน้าก้มตารับกรรมไปตามลําพังผู้ว่าเหลี้ยงยินดีนะักและอุทานว่าบะาองค์ชูเจ้านี้นับว่าไม่เสียหลายเจ้านี่ ช่างรอบครอบละเอียดละออดีแทะว่าแล้วก็เรียกหาพ่อบ้านเสียกับอีกสองในกองเข้ามาแล้วมีคำสั่งอย่างเป็นทางการว่าผู้พันหยางซื่อรับอาสาคุ้มกันของกำนันวันเกิดไปส่งให้ท่านสมหานายกชัยยังเมืองหลวงตะวันออกของดังกล่าวเป็นสร้อยทนินพิมพาพรและศิลปวัตถุสิบหัเจ้าทั้งสมจงตามเขาไปแต่ในระหว่างทางเขาเท่านั้นที่จะเป็นคนสั่งการทั้งหลายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะให้ออกเช้าหรือสายค้างคืนที่ไหนนอนอย่างไรให้ถือเป็นเด็ดขาดห้ามไม่ให้พวกเจ้าคัดค้านพวกเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าคุณหญิงกำชับกำชาเรื่องนี้หนักหนาปราถนาจะให้งานนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีจงระมัดระวังและท่วนทีให้จงหนักรีบไปรีบกลับอย่าให้เกิดสิ่งพลาดพลั้งใดๆไ ด, ไ ด, ได้พ่อบ้านชราคานับรับบัญชาการจากผู้ว่าเหลียง เช้าวันต่อมาก่อนฟ้าสางของกำนันทั้งสิบหาบก็วางเรียงเป็นแถวอยู่นอกห้องถูงเมื่อรวมของฝากและสมบัติส่วนตัวของพ่อบ้านกับอีกสองในกองเข้าไปก็กลายเป็น11อดหาบทหาร11อดคนที่กล้าแข็งจากหน่วยองครักษ์ถูกเฟ้นมาเป็นพิเศษปลอมเป็นลูกหาบยางเสื้อสวมหมวกปีกกว้างใส่เสื้อคลุมไหมสีดำสวมรองเท้าฟางผูกเชือกขัดดาบกับเซเอลในมือถืองเงาอีกเล่มหนึ่ง พ่อบ้านเฝ่าแต่งตัวเป็นพ่อค้าสองนายกองก็แต่งตัวเป็นคนรับใช้ประจําตัวแต่ละคนถือเงาวคนละเล่มและหวายคนละเส้นผู้ว่าเหลียงมอบหนังสือให้หลังจากทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วก็เริ่มออกเดินทางผู้ว่าเหลียงเฝ้าดูอยู่จนกระทั่งพวกทหารยกหาบขึ้นบ่าและออกเดินลับไปถ้ารวมอย่างซื่อพ่อบ้านเสียและนายกองทั้งสองก็เป็น15ชีวิตทั้งหมดออกจากจวนผู้ว่าผ่านประตูเมือง ตรงไปตามทางหลวงที่บ่ายหน้าลงไปยังเมืองหลวงตะวันออกเวลานั้นย่างเข้ากลางเดือน5้าแม้ท้องฟ้าจะจำกระจ่างแต่แสงแดดที่แผดจ้ากลับเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางยิ่งนัก mm. เมื่อตัดสินใจจะส่งมอบของกำนันให้ทันวันที่15เดือน6อย่างซื่อก็ให้วิตกกังวลจึงเร่งขบวนให้รุดไปเป็นการใหญ่ช่วงสัปดาห์แรกที่ออกจากเมืองหลวงมนทนอุดรขบวนคารวานพยายามหลบร้อนอาศัยความเย็นโดยเดินทางในตอนหัวรุ่งก่อนแดดออก กับตอนบ่ายคล้อยแล้วก็หลบร้อนตอนตะวันตรงศีรษะเป็นเช่นนี้อยู่ทุกวันแต่พอย่างเข้าวันที่6ที่7หมู่บ้านชักจะบางตาและตั้งห่างกันออกไปเรื่อยระยะทางระหว่างหัวขบวนกับท้ายขบวนคารวานก็ชักจะยืดตามออกไปทุกขณะถนนหนทางชักจะชันขึ้นชันขึ้นแถมรถเคี้ยวเลี้ยวโคง้งไปตามหน้าผาและเนินสูงที่รถลั่นกันไปมาอย่างซื่อจึงเปลี่ยนมาออกเดินทางหลังตะวันขึ้น และไม่ยอมให้หยุดพักจนกว่าตะวันจะคล้อยบ่ายทหารพิทักษ์ทั้งส1ดต้องหาของหนักแถบอากาศก็ร้อนอบอ้าวบุกบันฝ่าไปได้ยากลำบากนักเพราะเห็นหมู่ไม้ที่ไหนก็มักจะอยากรีดเข้าไปหลบแดดที่แผดกล้าแต่อย่างซื้อหายอมผ่อนปลนให้ไม่หากพวกนั้นหยุดอย่างดีก็จะถูกด่าแต่ถ้าหากบ้าขึ้นมาก็ถึงกับเคียนตีเอานายกองทั้งสองแม้จะเป้ของเบาวกว่าหมู่แต่ก็หอบจนสิครงรวน ล่นไปอยู่ท้ายขบวนจนได้พออย่างซื่อรู้เข้าก็ด่าว่าเอาเสียให้หายเจ้าทั้งสองเหตุเั่นไหนจึงได้แย่ถึงเพียงนี้แทนที่จะช่วยข้ารับผิดชอบคุมขบวนลําเลียงค่อยดุด่าว่ากล่าวพวกลูกหับแต่กลับล้าหลังอยู่ถึงปลายแถวถนนนี้ไม่ได้มีไว้ให้เตร็ดเตะเล่นนะฮะนายกองทั้งสองกล่าวว่าเฮไม่ใช่เพราะเราอยากจะช้าดอก เป็นเพราะอากาศร้อนเหลือใจใจะให้เร็วกว่านี้อีกคงไม่ไหวแล้วหลายวันก่อนเราได้เย็นเป็นที่อาศัยออกเดินทางไปแต่เช้ามืดแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเดินเอาช่วงร้อนตอนกลางวันระหว่างดีกับชั่วตัวท่านแยกไม่ออกเลยเชียวหรืออย่างซื่อว่าเฮ้ยผายล่มชัดๆวันก่อนๆเป็นเพราะภูมิอากาศเป็นใจให้ดอกจึงพากันได้สบายแต่ตอนนี้ถนนหนทางเป็นอันตรายร่อแหลม เราจึงเปลี่ยนมาเดินเอาตอนกลางวันใครที่ไหนจะกล้าไปเดินในตอนมืดฮะเฮ้ยนายกองทั้งสองพูดไม่ออกแต่ก็บ่นอยู่ในใจว่าโอ้โหไอสารเลวนี่ทำตามอำเภอ้ำใจนะักนึกอยากจะดา่าใครก็ดา่าอย่าให้กูกลับไปบ้านได้นะมึงยางซื้อเปลี่ยนมือมาถือเงาแล้วเร่งขบวนรีบก้าวไปข้างหน้า แต่ในกองทั้งสองเร่เข้าไปนั่งใต้ร่มไม้แซงทาทีเป็นรอพ่อเท่าที่ตามมาข้างหลังทั้งสองบ่นให้ตาเท่าฟังว่าไ อ, อ้หยางซื่อจอมอมหิทธผู้นี้เป็นแค่องครักษ์ระดับพวุันมีสิทธ์อะไรถึงได้โอหังบางอา่านในวันนั้นขบวนคารวานก็พากันเดินไปจนใกล้ค่ำแล้วเข้าพักในโรงเตียมแห่งหนึ่งลูกหบทั้ง11เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหงื่อไหลใครย้อยเสื้อผ้าเปียกปอนดังต้องฝน พวกเขาพากันไปร้องเรียนพ่อบ้านฟ้องไปก็คร่ำครวญไปโชกร้ายนะักไอ้พวกเรามันก็เป็นแค่พลทหารพิทักษ์อารักขาใครเขาจะสั่งให้ไปไหนก็ต้องไปตามสองสามวันมานี้เราต้องแบกหับหนักตากแดดทั้งทั้งที่อยากเดินตอนเช้าหวังจะเอาเย็นเป็นที่บรรเทาแม้ต้องทุกข์ยากในตอนนี้ก็ยังพอทนแต่ต้องมาเจอไหวายเข้าให้อีกพวกเราก็เป็นคนมีเลือดมีเนื้ออย่าให้ต้องมาโหดร้ายกันถึงขั้นนี้ด้วย พ่อบ้านเปตอบว่าเออนะอย่าบ่นไปเลยหากถึงเมืองหลวงกะวันออกเมื่อใดตัวข้าจะทดแทนให้พวกเจ้าเองพวกเขาตอบว่าหากได้เปลี่ยนมาเป็นท่านพ่อบ้านคุมพวกเราจะไม่บ่นเลยจริงๆนะขอรับแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปรุ่งเช้าทุกคนก็รีบลุกขึ้นเพื่อจะได้อาศัยไอเย็นข้อนรุ่งแต่อย่างซื่อรีบตื่นขึ้นมาห้ามกลับไปขึ้นเตียงพวกเองคิดจะไปไหน เมื่อถึงเวลาข้าจะปลุกเองพวกทหารยามบนพึมพำว่าเุ้ยออกแต่เช้าก็ไม่ได้ท่านมาออกสายเพราเดินไม่ไหวก็ถูกตีอีกเฮ้ยยามซื่อก็ด่ากราดเขาให้ว่าเฮ้ยไอ้พวกงโง่อย่าพวกเจ้าจะไม่เข้าใจอะไรวะว่าแล้วก็เงื้อไหวขู่พวกทหารไม่มีทางเลือกจึ ง, งกล่อมกลืนฝืนกลับไปหลับต่อ พอตะวันขึ้นทุกคนก็กินข้าวเช้ากันไปอย่างเรื่อยเปื่อยไม่เร่งรีบแต่พอขบวนคารวานเริ่มออกเดินอย่างซื่อก็เร่งรัดให้รีบเดินไม่ยอมให้ผู้ใดแวะพักตามร่มไม้รายทางพวกทหารบนกันขรรมนายกองทั้งสองเฝ้าแต่ชายตามองมาทางพ่อบ้านเท่าอย่างกรดโกรธแม้ชายชาราจะไม่แสดงอาการใดๆต่อหน้าผู้บัญชาการกองคารวานแต่ในใจกลับร้อนรุ่มดังถูกไฟเผาเพื่อให้เรื่องสั้นเข้า พอล่วงมาถึงวันที่สิบห้าก็ไม่มีผู้ใดในกองคาราวานเลยจะไม่รู้สึกขุนแค้นชิงชังอย่างซื่อวันนั้นเป็นวันที่สี่เดือนหพวกเขาตื่นขึ้นมาตอนตะวันเยี่ยมขอบฟ้าหุงหาอาหารเช้ากันในโรงเตียมอย่างเฉื่อยแฉะแล้วก็ออกเดินทางกันอย่างเรียบเร่งเช่นเคยยังไม่ทันจะเที่ยงดีดวงตะวันก็กลายเป็นลูกไฟดวงโตกลมแดงแผดแสงแรงกล้าอยู่กลางเวหาท้องฟ้ายามนั้นหาเมฆสักก้อนก็ไม่มี อากาศร้อนสุดที่จะบรรยายระยะทางช่วงนั้นคาราวานสินค้าต้องปีนเขาสูงลัดเลาะไปตามเส้นทางที่ลดเลี้ยวเขียวคดซอกซอนไปใต้เงื่อมผาที่จะงอกหน้าลงมาดูพอเดินต่อไปได้อีกยี่สิลิ้ลูกหาบก็ทนไม่ไหวใครจะเร่เข้าไปพักอยู่ใต้ล่มไม้เสียเต็มประดาแต่อย่างซื่อไม่นำพาแถมเอาหวาโบยส่งให้เขาตวาดว่าเฮ้ยเดินต่อไป นี่เป็นการสั่งสอนที่พวกเจ้าคิดจะนั่งทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ใช่เวลาพักพวกทหารยามแหงนหน้ามองท้องฟ้าที่ปราศจากก้อนเมฆมาบางตาความร้อนประเดประดังขึ้นมาจนสุดจะกลั้นยางซื่อเร่งคาราวานให้รีบปีนไหลไปถึงสันใบวเวลานั้นใกล้เที่ยงก็หินตากแดดร้อนเปรี้ยงจนลวกเท้าเดินในตอนนี้ก็อบอ้าวจนเกินไปแล้วแต่นี่ยังต้องรวมเอาความเจ็บแสบใต้ฝ่าเท้าเข้าให้อีกพวกทหารโอดครวญไปต า, ตามกันว่า โอยให้เดินในวันร้อนเช่นนี้เท่ากับเร่งให้ไปตายชัดๆอย่างเร่งต่อไปว่าเอา้ารีบเข้ารีบเข้าเร่งขึ้นไปให้ถึงสันเขาข้างหน้าแล้วค่อยมาว่ากันใหม่คนทั้งสิบห้าคนก็ปีนขึ้นมาจนถึงสันเขาอันเป็นที่เอียงเอียงแห่งหนึ่งพวกลูกหาวางไม้คานแล้วซุดลงไปนอนแผ่อยู่ใต้ร่มสนอย่างซื้อตะอคอกว่าเฮ้ยเลือกร่มได้ดีนี่เร็วรีบรุกขึ้น เราต้องรีบไปพวกทหารอดกว่วว่าถึงท่านจะสับเราให้เป็นแทดชิ้นเราก็ไปต่อไม่ไหวอยู่ดีโอยอย่างซื่อกระชับปลายในมือแล้วระดมฟาดเข้าใส่หัวทหารเหล่านั้นไม่เลือกพ่อคนหนึ่งลุกอีกคนก็ลงไปนอนต่อจะให้ด่าทออย่างไรอย่างไรก็ไร้ผลในตอนนั้นเองก็เป็นเวลาเดียวกับหนึ่งพ่อบ้านแก่ กับอีกสองในกองหนุ่มหอบซิโครงบานขึ้นมาถึงสันเขาแล้วสุดลงนั่งใต้ร่มสนชายชาราเห็นอย่างซื่อกำลังไล่ทุบทหารอยู่ตามตาพ่อบ้านก็ร้องบอกว่าโอ้ยท่านผู้การตอนนี้มันร้อนเหลือจะคลานอยู่แล้วให้อาภัยพวกเขาเถิดเฮ้ยให้ตายไปเลยสิทางนั้นนะ่ะปัดโถ่เ้ยบ้าอำนาาคิดว่ามีพลกอฉุกเฉินหรือไงฮะอย่างซื่อว่า ท่านพ่อบ้านท่านยังไม่เข้าใจยอดเขาแห่งนี้มีชื่อว่าสันดินเหลืองแม้ในยามบ้านเมืองสงบที่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบดักซุ่มของกลุ่มโจรร้ายต่อให้กลางวันแสกๆพวกมันก็ยังกล้าปล้นสะดมยิ่งในยามหน้าซิวหน้าขวานเช่นในเวลานี้ยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่ไม่ต้องพูดกันพักที่นี่อันตรายใหญ่หลวงนักในกองทั้งสองโตงขึ้นบ้างว่า ท่านก็พูดถึงอันตรายเช่นนี้อยู่เรื่อยๆชอบหยิบเอาแต่เรื่องแบบนี้มาเที่ยว ค, มค่มขูผู้คนอยู่ร่ำไปเฮ้ยพ่อบ้านร้องขอว่าให้พวกลูกหาบได้พักสักน้อยนึงเถิดพอตกายเราจะได้รีบไปเลยแล้วท่านคิดเห็นเช่นไรละ่ะฮะยางซื่อย้อนว่าเอ้ยไม่ได้ดอกท่านไปเอาความคิดนี้มาจากไหนขอรับเจ็ดปดลี้รอบๆสันเขาแห่งนี้ไม่มีบ้านเรือนแม้สักหลังเดียวจะให้อาศัย แล้วใครยังจะกล้าหลแบแดดอยู่บนสันเขาเปียวแห่งนี้อีกเพราะเท่าว่าถ้าเช่นนั้นก็พาลูกหาไปค่อนพวกข้าจะขอนั่งต่ออีกสักพักยางเสื้อหยิบไหวายขึ้นมาถือและต ว, วัดใส่ทหารว่ามันพูดได้ไม่ออกเดินจะโดนไหวายนี้เขียนยี่สิบทีพวกทหารพากันประท้วงให้อึงมีว่า ท่านผู้การตัวท่านเดินมาหลังเปล่าส่วนพวกเรานั้นต้องหากระบุงนักไม่กี่กว่าร้อยช่างท่านทำกับพวกเราเหมือนไม่ใช่ผู้ใช่คนต่อให้ท่านผู้ว่ามาคงขคบควนลำเลียงนี้เสียเองอย่างน้อยท่านเก็คงจะปล่อยให้เราได้พูดสักคำสองคำส่วนท่านนั้นไม่ได้รู้สึกรู้สมใดๆเอาแต่มโมโหโกรธาใส่พวกเรามาตลอดอย่างซื่อตะโกนออกไปว่าโอ้โหไอ้พวกอับจนพลปัญญาเอ้ย แต่เท้าท่านมีแต่จะต้องฟาดพวกเจา้าให้รู้เหตุรู้ผลอย่างข้านี่ไงว่าแล้วในพันตรีก็กระนำไหวเข้าใส่คนเถียงอย่างไม่นับพ่ อ, พ อ, บ อ, บพอบ้านเท่าตะโกนขึ้นว่าโอ้ยท่านผู้การหยุดก่อนหยุดก่อนจงฟังขา้าในสมัยที่ข้าอยู่รับใช้ในจวนท่านอครมหาเสนาบดีนั้นข้าก็เคยได้พบเห็นขุนทหารนับเป็นพันพัน แต่ละคนนั้นล้วนพี่นอพี่เทาปฏิบัติต่อข้าด้วยดีข้าจะพูดจะใช้จะไหว้าวานอันใดพวกเขาก็พูดแต่ว่าขอรับขอรับข้าเองก็ใช่ยอยากจะหยาบคายแต่อดจะรู้สึกไม่ได้ว่านายทหารที่ต้องอาชญาถึงตายแต่ใต้เท้าท่านเมตตาเอามาชุบเลี้ยงให้เป็นถึงพวกพันว่ากล่าวหน่วยทหารพิทักษ์อารักขาแต่จะให้เปรียบไป ตำแหน่งนี้ก็ไม่ใหญ่ไปกว่าเมล็ดงานักไม่สมควรจะทำกิริยาโอหังบังอาจถึงขนาดนี้เลยไม่ต้องให้เป็นถึงพ่อบ้านของท่านผู้ว่าดอกเป็นแค่ตาแกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในหมู่บ้านท่านก็ควรรับฟังคำตักเตือนของข้าบ้างนี่อะไรทุบเรลูกหาบอยู่ร่ไำไปทาเป็นนิจศินประจาสม่าเสมอเช่นนี้จะให้เรียกว่าเป็นการกระทำเยี่ยงใดหรือฮะเออต้องให้คนแก่สอนได้ป อย่างซื่อพูดกับพ่อบ้านเท่าว่าท่านพ่อบ้านท่านเป็นคนเมืองเกิดและเติบใหญ่มาก็อยู่แต่ในบ้านเจ้าบ้านนายท่านจะรู้เรื่องความวิบากรากล้านและความพิกลพิการบนท้องถนนหลวงอย่างไรได้พ่อเท่าตะโกนออกไปว่าเฟ่ยข้าไปมาหมดแล้วใกล้ใกลถึงเสฉวนกวางตุ้งก็ยังเคยแม้แต่กวางสีก็ตระเวนไปมาสิน้น ก็หาเคยเห็นใครประพฤติตนเช่นเจ้าไหมยางซื่อว่าท่านผู้เฒ่าจะเอาบ้านเมืองยุคนี้ไปเปรียบกับครั้งก่อนที่บ้านเมืองยังสงบไม่ได้ดอกพ่อบ้านเฒ่าว่าเฮ้ยเจ้าพูดเช่นนี้สมควรให้เขาเอาไปตัดลิ้นฮักบ้านเมืองทุกวันนี้มันไม่สงบดีตรงไหนอย่างไรฮะอย่างซื่อขยับจะตอบพลันก็เหลือบไปเห็นเงาคนคนหนึ่งโผล่หัวออกมาจากพุ่มไม้ฝั่งตรงข้าม แล้วคาเมนมองมายังตนนั่นแหละที่ข้าบอกอย่างซื่อตะโกนออกไปว่าไอ้คอนชั่วนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรือว่าพรางอย่างซื่อก็โยนไหวในมือทิ้งกระชับเงาแล้วถลาเข้าหาไม้พุ่มนั้นทันก็ตะหวัดออกไปเฮ้ hey, ไอ้จรทะลึง่งพวกมึงมาสอดแหนมขบวนคาราวานของกูทาไมวะเฮ้ <"Hey> พอล่วงหมู่ไม้เข้าไปอย่างซื่อก็เห็นรถสาลี่เจ็ดคัน กับคนอีกหกคนนั่งถอดเสื้อเปลือยกายอยู่ใต้ร่มไม้เมื่อเห็นอย่างซื่อย่างสามขุมเข้าไปหาชายคนที่เจ็ดที่มีปานแดงอยู่ที่ขมับก็รีบจับเน า, าขึ้นมาถืออีกหกคนก็อุทานขึ้นด้วยตะหนกว่าโอ้แม่เจ้าแล้วก็พากันทล่งยืนขึ้นอย่างซื่อตะวาดว่าพวกเจ้าเป็นใครกันฮะชายทั้งเจ็ดก็ตะโกนขึ้นบ้างว่าแล้วท่านเป็นใครกันอยางซื่อว่าพวกเจ้าเป็นโจรหรือ ชายทั้งเจ็ดก็ว่าข้ากําลังจะถามท่านอยู่เหมือนกันพวกเราเป็นเพียงพวกค้าเล็กๆบังเอิญผ่านทางมาไม่มีเงินทองจะให้ดอกยางซื่อพูดว่าถ้าพวกเจ้าเป็นพวกค้าเร่ข้าก็คงจะรวยแยกไปเลยละสิท่าขอถามท่านจริงๆเถิดท่านเป็นใครยางซื่อว่าบอกข้ามาก่อนว่าพวกเจ้าเป็นใครมาจากไหนคนทั้งเจ็ดว่าเราทั้งเจ็ดมาจากจังหวัดเฮาโจ จเจาลูกจ้าไปขายที่เมืองหลวงตะวันออกตอนแรกเราก็ไม่กล้าผ่านขึ้นมาตามทางนี้ดอกเพราะชาวบ้านเตือนให้ระวังโจรที่สันดินเหลืองจะคอยปล้นเอาแต่เราก็บอกกันเองว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็แค่ลูกเจ้ะสมบัติพระสถานติดตัวอื่นๆไม่มีดังนั้นจึงตกลงใจใช้เส้นทางนี้ข้ามมาแต่เนื่องจากอากาศร้อนเหลือทนเราจึงเข้ามาพักใต้ร่มไม้คิดจะรอให้ตะวันตกดินเสียก่อน พอได้ยินเสียงพวกท่านปีนสันเขามาพวกเราคิดว่าเป็นจนจึงส่งน้องชายคนนี้ออกมาดูยางซื่อพูดว่าอ๋อเป็นเช่นนี้เองดอกหรือพ่อค้าธรรมดาไอเรารึตอนแรกเห็นคนมาด้อมดอมมองๆก็เลยคิดว่าเป็นจนจึงรีบเข้ามาตรวจสอบดูคนทั้งเจ็ดเชื้อเชิญว่าถ้าเช่นนั้นโปรดชิมลูกจอของเราดูทีสิครับ หยางซื่อตอบว่าอ๋อไม่ต้องดอกข้าขอขอบใจนะักก่อนจะเดินกลับมาร่วมขบวนแต่เง้ายังกระชับมั่นอยู่ในมือพ่อเท่าพูดยั่วย่างซื่อว่าในเมื่อโจรไพรามาอยู่แถวนี้เราก็ควรจะรีบไปนะพ่อบ้านเท่าพูดยั่วย่างซื่อแต่ตัวยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้หยางซื่ออธิบายต่อพ่อบ้านเท่าว่าตอนแรก ข้าก็คิดว่าพวกเขาเป็นโจรแต่พอไปดูก็เห็นเป็นเพียงพ่อค้าลูกจอธรรมดาธรรมด า, รรมดาพ่อบ้านเท่าเนตต่อว่าถ้าเช่นนั้นในสายตาท่านคนพวกนี้ก็เป็นโจรทั้งหมดเลยละสิทา่านฮะอย่างซื่อพูดว่าไม่จาเป็นต้องมาชวนทะเลาะหรอ ก, อกข้าเพียงต้องการดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยท่านทั้งหลายพักได้เราจะออกเดินทางตอนอากาศร้อนน้อยลงอีกสักหน่อยก็แล้วกัน พวกทหารยามพากันยิ้มออกหยางซื่อเอาปลายทวนจิ้มดินไว้ก่อนจะซุดตัวลงนั่งพักร้อนที่โคนต้นไม้เวลาผ่านไปช่วยยังไม่ทันกินข้าวได้ครึ่งถ้วยเสียด้วยซ้ำก็มีบุรุษอีกผู้หนึ่งโผลรพ้นสันเขามาให้เห็นแต่ไกลหาบคุถังสองใบไว้บนขานสองข้างร้องเพลงขึ้นมาพอเอาความได้ว่าใต้แสงแดดแผดเผาเราไฟป่า ข้าวในนาเผาทบลงศพลาโอล้วนว่าอกชาวนาะร้อนเผาราวปิ้งสุกแต่คนรวยนั่งทอดหุยไรทุกแม่ร้องเพราะจริงๆแม่ข้านี่ก็เป็นคนขายเล้านะเนี่ยแต่ร้องเพลงเพราะ ชายผู้นั้นเดินมาหยุดที่ราวป่าสนส่วนป่า ก, ก็ขับขานเพลงพื้นบ้านไปไม่หยุดวางคูถังลงกับพื้นแล้วเข้าไปนั่งหลบแดดอยู่ใต้ร่มไม้พวกทหารถามว่าเอานั่นมีอะไรอยู่ในถังนั่นล่ะฮะเห ล, ะเล้าขาวขอรับแล้วคนหาบคูถังก็ถามว่าแล้วพวกท่านจะไปไหนกันเลยขอรับพวกทหารถามว่าแล้วท่านจะหาบไปไหนคนขายเหล้าตอบว่า เอาไปขายในหมู่บ้านข้างน้านู้นพวกทหารถามต่ออีกว่าทั้งหนึ่งเท่าไรละ่ะฮะน่ะคนขายเหล้าตอบว่าห้าพวงอีแปะไม่ขาดแม้แต่อีแปะเดียวพวกทหารก็หันไปหารือกันว่าเฮ้ยพวกเราทั้งร้อนทั้งกระหายฉันไหนไม่ไปขอแบ่งมาสักหน่อยหนึ่งเล่าฮะมันช่วยดับร้อนดีนักว่าแล้วก็เริ่มลงขันกันเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ชักจะไปกันใหญ่อย่างซื่อก็ตวาดว่า เอา้าพวกเจ้าคิดจะทําอะไรน่ะฮะพวกทหารว่าอ๋อพวกเราจะไปขอแบ่งเหล้าจากเขาสักหน่อยนะขอรับอย่างซื่อก็เอาด้ามเงาหวดเข้าให้นี่ไยเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วไปกินดีอะไรมาเนี่ยฮะถึงกล้าซื้อเหล้าโดยไม่ขออนุญาตข้าก่อนนะฮะพวกทหารว่าอุย๊ยท่านเนี่ช่างระแวงนั่นระแวงนี่ไปเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆ้ ท, งที่ไม่เห็นจะมีอะไรนี่เงินของเราเองแท้แท้ แล้วถ้าเราเอาเงินเราเองซื้อล่ะท่านจะมีอะไรหรือเปล่าท่านจะเคี่ยนตีพวกเราเพราะเรื่องแบบนี้ด้วยหรืออยางซื้อตะคอออกไปว่าเฮ้ยไอพวกบัตรซบเฮ้ยพวกมึงมันจะไปรู้อะไรวันๆคิดแต่จะหาอะไรมันกระเดือกลงข้อหอยไม่มีปัญญามาคอยตรองดูแลเหลี่ยมที่เขาใช้กันบนท้องถนนหลวงแม้แต่น้อยนิดพวกมึงรู้บ้างไหมมีคนดีๆกี่คนแล้วที่ต้องล้มตายไปเพราะถูกยาสัง่ง พ่อคาเล่ามองหน้าอย่างซื่อและหัวรอแค่นๆเฮ้ท่านพ่อคาท่านเองก็ไม่รู้ว่มีเท่าใดแต่แรกข้าก็ไม่เคยคิดที่จะขายให้อยู่แล้วฉันไหนจึงมาตำหนิเล่าของคนอื่นเขาเช่นนี้ด้วยเล่าขณะที่คนทั้งสองกำลังขยับจะต่อปากต่อคำกันพวกพ่อคาลูกจอก็โผล่ออกมาจากดงไม้ฝั่งตรงข้ามกระชับเงามันในมือแล้วร้องถามว่าเอ้ามีอะไรกันรอพ่อคาเล่าตอบว่า ก็ข้าหาบเหล้าข้ามสันเขาจะเอาไปขายหมู่บ้านข้างหน้าแต่มาแวะพักร้อนบนสันดอยนี้คนพวกนี้มาถามขอแบ่งเหล้าข้าไม่ยอมขายให้อยู่แล้วแต่ท่านผู้นี้ยังโผล่มาบอกว่าเหล้าข้าผสมยาพิษเข้าอีกถ้าจะทําตลกหรือฉไหนไม่แจง้งคนทั้งเจ็ดแสดงท่าไม่พอใจเฟ่ที่แรกไอ้เราก็คิดว่าพวกโจรมาซะอีกที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองปัดโทรเรื่องไม่เป็นเรื่อง เรากำลังจะคิดว่าจะหาเหล้ามากินอยู่พอดีหากพวกเขาสงสัยก็ขายให้เราสักถังก็สิ้นเรื่องเราจะดื่มเองมาพ่อค้าเร่ร้องว่าไม่มีทางทำเช่นนั้นไม่ได้ผลหรอกพ่อค้าทั้งเจ็ดร้องว่าก็เราไม่ได้ว่าอะไรเจ้าสักหน่อยเจ้าทึมเอ้ยถ้าขายเราก็จะจ่ายให้ตามราคาที่เจ้าจะขายได้ในหมู่บ้านข้างหน้าแล้วมันจะไปต่างกันตรงไหนวะยิ่งไปกว่านั้น เจาจะยังได้บุญได้กุศลที่หยิบยื่นน้ําชาดับกระหายแถมยังคลายร้อนให้พวกเราอีกตั้งหากพ่อค้าเร่ว่าไอ้เรื่องพันนั้นนะ่ะข้าไม่ติดใจอะไรพวกท่านดอกพวกท่านไม่ได้ว่าเล่าของข้าไม่ดีเพียงแต่ข้าไม่มีกระบวยมาตวงเล่าเท่านั้นเองพ่อค้าขายลูกจอทั้งเจ็ว่าคิดเล็กคิดน้อยไปใหญ่จะไม่สนอะไรกับที่เขากล่าวร้ายอีกอย่างหนึ่งเรามีกระบวยติดมาด้วยละ นี่เห็นไหมหวานละคราวนี้สองคนในหมู่พ่อค้าขายลูกจ้อก็ไปเอากระบวยกะลามะพร้าวมาจากรถสาลี่ของตนส่วนคนที่สามก้มลงกอบจ้อขึ้นมาสองกำมือแล้วคนทั้งเจ็ก็ไปมุงอยู่ที่คุถังใส่เหล้าลูกหนึ่งเปิดฝาออกแล้วก็จ้วงตวงเหล้าขึ้นมาแจกกันคนเหล่านั้นดื่มไปก็เคี้ยวลูกจ้อไปอย่างสบายอารมณ์ไม่นานนักเหล้าถังนั้นก็หมดเกลี้ยงทั้งเจ็ดบอกว่าอา้าว เรายังไม่ได้ถามราคาเหล้าของเจ้าเลยพ่อคาเร่ยืนยันว่าข้าไม่เคยบอกพันทั้งละห้าพวงอีแปะขาตัวหับหนึ่งก็สิบพวงอีแปะเป๊ะเลยคนหนึ่งในเจ็ดคนบอกว่าเจ้าว่าห้าพวงอีแปะใช่ไหมห้าพวง ก, ก็ห้าพวงแต่แถมเหล้าให้เราอีกสักหนึ่งกระบวยหนึ่งก่อนจะได้ไหมคนขายเหล้า ว, ว่าแม่ไม่ได้ดอกราคานี้ขาดตัว ขณะที่พ่อค้าลูกจ้อผู้หนึ่งหยิบเงินออกมาจ่ายพ่อค้าเหล้าอีกคนหนึ่งก็แอ บ, บย่องไปเปิดฝาถังเหล้าอีกใบจุ่มกระบวยลงไปตักขึ้นมายกซดพ่อค้าเหล้าเห็นดังนั้นก็รีบปีเข้าไปใต้ชายคนนั้นรีบเพนหนีเข้าไปในดงศนพร้อมกับเหล้าที่ยังเหลือติด ก, กระบวยไปอีกเกือบครึ่งหนึ่งขณะที่พ่อค้าเหล้าไล่าตามชายผู้นั้นไปพ่อค้าลูกจ๋ออีกคนหนึ่งก็ย่องมาที่ถังเหล้าใบใหม่พร้อมด้วยกระบวยอีกอันในมือจุ่มลงไปในถงัง และขณะกำลังจะยกซดเข้าปากพ่อค้าเล่าก็หันมาเห็นรีบยกกลับมาฉวยเอากระบวยแล้วเทเหล้าจากกระบวยกลับลงไปในถังปิดฝาเสียแล้วคว่างกระบวยลงพื้นพ่อขาเหล้าพุ่งพลาดออกมาว่าเฮ้ยพวกท่านก็ดูเป็นคนดีใจ ไ, ไม่ประพฤติตนตามที่เห็นทำกันแบบนี้ใช้ได้หรือฮะเฮ้ยเราทหารยามพอเห็นเช่นนั้นลำคอที่แห้งผากก็ยิ่งสากเข้าไปใหญ่ทุกคนล้วนแต่อยากเล่าจนน้ำลายสอ แล้วหันมาอ้อนขอร้องพ่อบ้านเท่าว่าท่านปูขาร้อนช่วยพูดให้พวกข้าน่อยพ่อขาทั้งเจ็ดก็กินเหล้าไปถังหนึ่งแล้วทำไมเราไม่ซื้ออีกถังหนึ่งมาลาดกระเดือกของเราบ้างเราพวกเราทั้งร้อนทั้งกระหายไม่มีอะไรจะให้ดื่มบนสันเขาลูกนี้ก็หามีตาน้ำไม่ท่านปูช่วยพวกเราด้วยเถิดขอรับพอพ่อบ้านเท่าได้ฟังเช่นนั้นในใจก็คิดใคร่จะดื่มขึ้นมาบ้างจึงหันไปหารือกับหยางซื่อว่า พวกพ่อค้าลูกจ๋ะเพิ่งกินเหล้าไปถังหนึ่งยังเหลืออีกถังหนึ่งทำไมไม่ปล่อยให้พวกเขาซื้อเหล้ามาดับร้อนกันบ้างเราบนสันเขาแห่งนี้ไม่มีน้ำให้กินเั่นด้วยอย่างซื้อคิดในใจว่าเราก็เห็นไอ้พวกนั้นดื่มเหล้าไปจนหมดถังจวนอีกถังใบหนึ่งก็กินไปอีกครึ่งกระ b วย y เหล้าที่เหลือคงไม่มีอะไรตัวเราก็เอาแต่เชียนตีพวกลูกหาบมาหลายช่ว ย, ยามแล้วยากาะนั้นเลย ยอมผ่อนคลายให้พวกมันได้กินเหล้าสักหน่อยก่อนแล้วกัน <S <S คิดแล้วจึงประกาศออกไปดังๆว่าเมื่อท่านพ่อบ้านชี้แนะพวกเองก็ให้กินเหล้าได้นิดหน่อยแล้วค่อยเดินทางต่อพวกทหารรีบเรื่อรายเงินกันใหม่จนได้จำนวนครบหนึ่งถังแต่พ่อค้าเร่ไม่ยอมขายให้แล้วว่ ui, าเฮ้ข้าไม่ขายข้าไม่ขายเหล้านี้ผสมยาพิษ พวกทหารยิ้มประจบแล้วว่าโธ่พี่ท่านก็อย่าได้พูดฉชนนั้นสิมีประโยชน์อะไรจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะฮะฮาเร้ย้ำอีกว่าข้าไม่ขายมีอะไรไหมข้าไม่ขายอย่าได้มันเตะเตรอยู่แถวนี้พ่อข้าลูกจ๋อแทกขึ้นมาแล้วด่าขึ้นว่าโอ๊ยเอ้งโง่เอ้ยเขาพูดผิดไปแล้วเอ็งจะทำไงวะคิดมากไปได้อุย้ย ถึงขนาด่านเอากับพวกเราก็ครั้งหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกลูกหับเหล่านี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเธอหน่าขขายขยไปจะได้จบเรื่องพ่อคาเร่ยังไม่แล้วใจแล้วว่าแล้วปล่อยให้เขามาปราบมัดของของข้ายังไม่มีเหตุผลเช่นนั้นล่ะสิเฮ้ยพวกผู้ค้าลูกจ๋อจึงผลักพ่อข้าหาบเร่ออกไปแล้วยกถังเหล้าไปให้เหล่าทหารที่คอยอยู่พวกเขาพากันแยฝาถังออก เมื่อไม่มีกระบวยจึงไปขอยืมจากพ่อค้าลูกจอ้อพวกเขากล่าวขึ้นอย่างอาทรว่าถ้าเช่นนั้นก็จองเอาลูกจ้อของพวกเราไปแกล้มด้วยสิพวกทหารว่าม่พวกท่านช่างใจกว้างนักพวกคนขายลูกจ้อว่าไม่ต้องมรารยาทไปดอกพวกเราเป็นคนเดินทางหัวอกเดียวกันจ้อสักร้อยผลมันจะถึงขั้นอับจนสำมหาอะไรกันนักหนา กระนั้นพวกทหารก็รีบกล่าวขอบคุณแล้วตักเล่าสองกระบวยแรกไปกำนันอย่างซื่อและพ่อบ้านเท่าอย่างซื่อยังปฏิเสธอยู่แต่พ่อบ้านเท่านั้นดื่มเข้าไปอึกใหญ่สองกระบวยถัดมาก็ลงไปอยู่ในกระเพาะของอีกสองนายกองแล้วบรรดาทหารที่พากันเข้าไปกรุ่มรุ่มที่ถังเล่าดื่มกินกันไปเป็นที่สําราญบานใจอย่างซื่อชักลังเลพวกทหารไม่ได้แสดงอาการใดๆ แถมอากาศตอนนี้ก็ช่างร้อนอบอ้าวยิ่งนักอดีตราชองคลรักษ์คอแห้งผากขึ้นมาในบัดดลก็เลยซดเหล้าเข้าไปครึ่งกระบวยแล้วตามด้วยลูกจ้ออีกสองสามลูกพวกพ่อค้าจ้อดื่มไปถังกว่าทางนี้จึงไม่เต็มพ่อค้าเร่เอ่ยกับเหล่าทหารว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะข้าลดราคาให้อีกครึ่งของอีแปะโอเคไหมพวกทหารก็มอบเงินให้ตามนั้น พ่อคาเล่ารับมาใส่พกแล้วยกหาบคอนถังเปล่าสองใบใส่บ่าแกว้งไปตามจังหวะก้าวเล่ลงเนินเขาไปปากก็ร้องเพลงพื้นบ้านอย่างเก่าพ่อคาลูกทอทั้งเจ็ดออกมายืนจังก้าที่ชายดงสนชี้มือมายังกองคาราวานของคนทั้งสิบห้าและประสานเสียงเป็นจังหวะว่าล้มมึงล้มล้มล ม, มึงล้มทั้งสิบห้าพอได้ฟังเขาก็ค่อยๆ อ, อ, อ่อนลงหัวก็ ค, อค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้น แต่หันหน้าไปมองกันเองอยู่เลิกลกักแล้วค่อยๆทยอยล้มลงไปกองอยู่บนพื้นที่ละคนสองคนพ่อค้าลูกจอทั้ง7็ก็ใส่รถสาลี่ทั้งเจ็ดคันออกมาจากดงสนช่วยกันเทลูกไม้ทิ้งและเอาเพชรนินจินดาทั้ง11บเดหาบขึ้นใส่แทนก่อนจะปิดรถให้มิดชิดแล้วหันมาพูดกับกองคารวานว่าต้องขออาภัยที่รบกวนพวกท่านนะว่าแล้วก็ใส่รถสาลี่ลงเขาไปอย่างซึ่งนั้นข้อต่อในตัวอ่อนล้าไปสิน้นขยับตัวไปทางไหนก็ไม่ได้ ได้แต่ครางอยู่ฮือฮือคนทั้งสิบห้าก็ลุกไม่ขึ้นได้แต่กรอกตาดูคนทั้งเจ็ดยกหีบสมบัติยัดลงไปในประทุนรถสาลี่ตัวเป็นอมมาพาศไปสิน้นแม้แต่เสียงก็หาไม่ในลำคอเอาละขอถามใครคือชายทั้งเจ็ดอ๋อหาใช่ใครอื่นไม่นอกจากเจ้าไก่วูหยงกงซุนเชงหลิวถังกับสามพี่น้องตระกูลหยวนนั่นเองนะครับ ส่วนคนหาบสุรานั้นก็คือไปเชงฉายาหนูกลางวันแล้วเล่าถูกใส่ยาตอนไหนล่ะครับเพราะตอนหาบขึ้นสันเขามานั้นเล่ายังไม่ทันได้เข้ายาหลังจากที่คนทั้งเจ็ดเจ็ดเล่า้างแรกหลิวถังก็เป็นคนไปแกะฝาถังไปที่สองแล้วเอากระบวยตักขึ้นมาดื่มไปครึ่งกระบวยทั้งนี้เพื่อลวงคนทั้งหลายในนั้นให้สิ้นสงสัยในเล่าถังที่สองต่อมาที่หลังต้นไม้วูหยงแอบเทยาใส่กระบวยอีกอัน แล้วเอากระบวยใส่ยาลงไปกวนในถังเหล้าแจ้งทาทีจะยกขึ้นดื่มแต่ไปเชงรีบมาคว้าเอากระบวยเทกลับลงไปในถังใหม่นี่คือกลอุบายที่บูยงคิดขึ้นเองทั้งสิ้นมีชื่อว่าชิงของกำนันด้วยกลอุบายอันว่าตัวอย่างซื่อนั้นดื่มเหล้าเข้าไปไม่มาก จึงฟื้นขึ้นก่อนแล้วค่อยๆคลานสี่ขาเกือบจะลุกขึ้นมายืนไม่ไหวหันกลับไปมองคนทั้งสิบสี่ที่น้ำลายไหล ย, ยืดออกมาจากมุมปากหามีใครขยับตัวไหมอย่างซื่อพึมพำออกมาอย่างหมดหวังว่าเฮ้ยพวกเจ้าทําเอาข้าปนปี๋เสียทีเขาสิ้นแล้วแล้วข้าจะแบกหน้าไปพบท่านผู้ว่าเหลียงได้ชั้นไหนเอกสารกํากับขบวนสินค้าบัดนี้ก็ไร้ข้าไปเสียแล้ว ว่าพรางก็ฉีกมันออกเป็นชิ้นๆตอนนี้ข้ากลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไร้บ้านจะอยู่ไร้อูไร้รังจะอาศัยจะไปไหนได้สมควรตายบนสันเขาแห่งนี้ให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเสียจะดีกว่าว่าพรางก็กระชับเสื้อคลุมเข้ากับตนกระสือกระสนดิ้นรนไปที่เชีงอนผาตั้งท่าจะกระโจนก็จริงดังขอาว่านะครับฝนเดือนสามในยามต้นฤดูใบไม้ผลิ ย่อมฉะดอกอ่อนให้ปลิดปิวน้ำค้างแข็งในฤดูใบไม้ร่วงก็ย่อมเกาะเพื่อเซาะกาฝากออกจากเปลือกต้นหลิวการเหล่านี้ล้วนวนเวียนเป็นปริวัตรส่วนอย่างซื่อนั้นเล่าเขาก็สแสวงหาความตายบนสันดินเหลืองเป็นเช่นธรรมดาโลกแต่อดีตราชวงครักจะได้ในสิ่งที่ต้องประสงค์หรือไม่รับฟังบทต่อไปหากใครรู้ ซองกังตอนที่ 18, สิบ่ปดทงเจียงแอบช่วยผู้ใหญ่เจ้าหนีอาญาบุรุษเคราวงามจูถงตบตาเสือติด ป, ปีกสรวัตรเขตสามโหเถาก็รบเราให้น้องเล็กบอกข่าวที่รู้มาโหชิงปิ้นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งออกจากสเสอและประกาศว่าเฮ้ย hey, จรทุกคนล้วนลงชื่อไวในสมุดเล่มนี้ไว้หมดแล้วขอรับจูถงดีใจร้องขึ้นว่า เฮ้ hey, เป็นไปได้อย่างไงเนี่ยโห oh, ชิงพูดขึ้นว่าข้าจะไขข้อข้องใจให้พี่ฟังก็ได้ mm hmm. คือเมื่อหลายเดือนก่อนข้าแพ้พนันเสียเฮี้ยนเตียนหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลือเลยแม้แต่แดงเดียวเพื่อนนักพนันคนหนึ่งเลยพาไปหากินที่หมู่บ้านอันโลนอกประตูเมืองด้านทิศเหนือห่างออกไปราวสิบหลี้ข้าจึงเปิดโต๊ะพนันที่โรงเตี๊ยมตะกูลหวงังหาเศษหาเลยมาทําทุนตอนนั้นทางการสั่งการไปตามโรงเตี๊ยมต่างๆ ให้ทำสมุดจดทะเบียนบรรดาแขกที่เข้าพักทุกคนแขกไปใครมาทุกผู้จะต้องบันทึกชื่อแท่ผู้มิลำเนาพื้นเพที่อยู่ที่ไปอาชีพการงานต่างๆโดยทะเบียนประวัติเหล่านั้นจะต้องมีตราประทับรับรองของทางการกำกับอยู่และต้องพร้อมให้ผู้ใหญ่บ้านของตนตรวจสอบดูเป็นประจำทุกเดือนคนดูแลโรงเตี้ยมตะกูลหวางเป็นคนไม่รู้หนังสือจึงมาขอให้ข้าช่วยจดบันทึกคนเข้าออกอยู่นานหลายสัปดาห์ เมื่อวันที่สามเดือนหพ่อค้าจอแห้งเจ็ดคนก็เห็นเกวียนเจ็ดเล่มเข้ามาในโรงเตี๊ยมข้าจําได้ว่าหนึ่งในนั้นคือผู้ใหญ่เจ้าแห่งหมู่บ้านฝั่งตะวันออกในเขตปกครองตำบลยุนเชงที่จําได้ก็ได้ว่าครั้งหนึ่งเพื่อนนักพนันของข้าเคยพาไปพักที่คุ้งบ้านผู้ใหญ่ข้าหยิบผู้กันขึ้นมาแล้วถามไปตามปกติอย่างเคยปากว่าท่านชื่ออะไรหรือขอรับก่อนที่ผู้ใหญ่จะทันได้ขยับตอบ ชายคนที่ไว้แคลวแพะหน้าตาดีก็สอดขึ้นแทนว่าเราทั้งหมดนี้ถือแท้หลีมาจากจังหวัดเ่าโจจะเอาจ้อแห้งเข้าไปขายยังเมืองหลวงตะวันออกถึงตอนนั้นข้าจะให้สงสัยเสียเต็มประดาแต่เทาว่าข้าก็บันทึกลงไปตามที่ว่าพอวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็เดินทางจากไปเจ้าของโรงเตี้ยก็พาข้าไปเล่นพนันในหมู่บ้านอีกเผอิญตามทางที่จะต้องผ่านไปทางสามแพร่ง ข้าก็ได้เจอกับพ่อขาหับสุราเร่ขาอีกคนหนึ่งล้ำพังข้าไม่รู้จักเขาดอกแต่เจ้าของโรงเตี้ยนทักชายคนนั้นว่าจะไปไหนล่ะท่านไปคนนั้นก็ตอบว่าจะหับถังสมักไปส่งบ้านข้าพอดีในหมู่บ้านเรานี่แหละพอเขาแบกหับถังหมักเปรี้ยวคล้อยหลังไปแล้วเจ้าของโรงเตี้ยนจึงบอกข้าว่าบุรุษนี้มีนามว่าไปเชงฉายาหนูกลางวันชอบเล่นพนันนะัก ข้าก็จําไว้ในใจมาภายหลังได้ยินเขาเล่าลือกันว่าพวกพ่อขาจอแห้งวางยาคนสัญจรบนเขาสันดินเหลืองแล้วขโมยของกับนันวันเกิดข้าก็เลยเดาเอาว่าผู้ใหญ่เจ้าถ้าจะต้องพวกรด้วยเป็นแน่หากพี่ไปจับไอ้ไปมาสอบสวนเรื่องทั้งหมดก็จะกระจ่างออกมาโดยง่ายนี่คือสมุดบันทึกคนเดินทางของโรงเตีย้ยนโฮเถ่าให้ดีใจนักรีบพาน้องชายไปพบข้าหลวง ข้าหลวงถามขึ้นว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างไมหมเล่าฮะเฮ้ <Hey! S 1> โฮเถาตอบว่าอ๋อเล็กๆน้อยๆขอรับข้าหลวงได้ยินเช่นนั้นก็พาคนทั้งสองเข้าห้องในเพื่อจะได้ซักไซให้รายละเอียดโฮชิงก็สรธยายรายละเอียดที่ได้รู้มาข้าหลวงจึงบัญชาในคืนนั้นให้ตำรวจแปดนายตามสองพี่น้องไปยังหมู่บ้านอันโลทั้งหมด บังคับให้เจ้าของโรงเตี้ยมนำทางไปยังบ้านไปเชิงพอไปถึงบ้านคนขายเหล้าตอนยามสามนั้นเจ้าของโรงเตี้ยมก็เรียกไปเชิงให้ออกมาเปิดประตูพวกตำรวจต่อยหินเหล็กไฟจุดใต้ขึ้นเมียไผ่ก็พาคนเหล่านั้นเข้าไปในบ้านพวกเขาได้ยินเสียงไปเชิงร้องควนครางออกมาจากเตียงนางเมียแจ้งว่าผัวเป็นไข้ทำอย่างไรอย่างไรเงือก็ไม่ยอมแตกพอจะให้สาง พวกตำรวจไม่ฟังเสียงลากคนไข้เล่าลงจากเตียงแล้วจับมัดใบหน้าของป้ายเชงตอนนั้นมีตุ่มแดงๆขึ้นเต็มไปสิน้นพวกตำรวจตะอคอกว่าเฮ้ยเจ้าแสดงได้ดีนัก น, นะเวลายอยู่บนสันดินเหลืองน่ะฮะป้ายเชงปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเรื่องราวใดๆทั้งสิน้นพวกตำรวจก็จับนางเมียมัดแต่นางก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกเช่นกัน พวกเขาก็เลยพากันค้นทั่วบ้านและสังเกตเห็นว่าดินใต้เตียงนอนไม่เสมอกันจึงเอาเสียมขุดพอลึกลงไปได้สักสองซอกใครคนหนึ่งก็อุทานขึ้นไปเชงหน้าซีดดังไก่ต้มพวกที่ขุดลงไปดึงเอาถุงใบใหญ่ใส่เงินแหละทองขึ้นมาจากหลุมตำรวจเอาถุงคลุมหัวไปเชงไว้แล้วคุมตัวเขากับเมียพร้อมของกลางกลับไปยังจี้โจพอมาถึงสลาว่าการประจำเมืองก็ได้เวลายามห้า ของฟ้าเริ่มทอแสงพวกเขาก็ช่วยกันรุนตัวจำเลยทั้งสองไปคุกเข่าต่อหน้าข้าหลวงแล้วมัดไปเชงไว้ให้แน่นหนาขึ้นอีกหลายชั้นข้าหลวงเริ่มไตส่สวนว่าผู้ใดเป็นต้นคิดในการปล้นไไปเชงยืนกรานว่าตนไม่เกี่ยวทั้งไม่ยอมให้การพาดพิงผู้อื่นตำรวจจึงเริ่มบอยไไปเชงสามสี่ทีจนเนื้อแตกเลือดสดสดทลักออกมาจากบาดแผลข้าหลวงแค่นเสียงขึ้นว่า เรารู้แล้วว่าไอ้ตัวหัวโจกในเรื่องนี้คือผู้ใหญ่เจ้าแห่งหมู่บ้านฝั่งตะวันออกขึ้นสังกัดตำบลยุนเชงเมื่เสร็จไอ้ก็ไร้ประโยชน์มึงบอกชื่อคนที่เหลืออีกหกคนมาสิแล้วกูจะสั่งให้เลิกตีเฮ้ยปากแข็งนะไปเชงพยายามอดกลัน้นไม่ยอมปริปากบนแต่พอเคี้ยนต่อไปได้อีกสักพักก็ทนไม่ไหวจึงบอกออกไปว่า เอ อ, เ อ, อหัวหน้าในการนี้คือผู้ใหญ่บ้านเจ้าเขามาพร้อมกับชายหกคนแล้วหวาดล้อมให้ข้าทําทีเป็นแบบถังสุราขึ้นไปแต่ข้าไม่รู้เลยว่าคนทั้งหกเป็นใครบ้างนี่เป็นความสัตว์ขอรับข้าหลวงว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาขอให้ได้ตัวผู้ใหญ่เจ้ามาชื่อที่เหลือย่อมหาได้ไม่ยากไปเชงถูกใส่คือหนักถึงยี่สิบช่างส่วนนางเมียก็ถูกตีตรวนที่ขา แล้วส่งตัวไปเข้าคุกผู้หญิงเจ้าเมืองมีคำสั่งด่วนให้โฮเถานำผลตระเวนจูโจมยี่สิบนายไปตำบลยุ่นเชงเพื่อขอความร่วมมือจากกรมการตำบลให้ช่วยจับผู้ใหญ่บ้านเจ้ากับสมัครพรรคพวกทั้งหมดสารวัตรโฮได้รับคำสั่งให้พานายกองทั้งสองที่มาในขบวนขนของกำนันไประบุตัวคนร้ายด้วยท่านข้าหลวงกาชับให้ทั้งหมดดาเนินการอย่างเงียบๆไม่ให้เป็นที่กระโตกกระตาก สารวัตรเขตสามพาพลตระเวนยกไปในเวลากลางคืนพอรุ่งเช้าก็บรรลุถึงตำบลยุนเชงก่อนอื่นสารวัตรโหรีบพาคณะเข้าไปเก็บตัวในโรงเตี้ยมอย่างเงียบๆแล้วนําพลตระเวนสองนายพร้อม น, นําหนังสือคําสั่งของข้าหลวงรีบรุดไปยังสาราว่าการประจำตำบลพอไปถึงก็เป็นเวลาสายมากแล้วที่ว่าการปิดกินข้าวเที่ยงไร้ผู้คนสารวัตรโห o v e เรบ เ, เข้าไปหลบแดดที่ร้านน้าชา ฝั่งตรงข้ามสลาว่าการแล้วก็นั่งลงระหว่างกำลังจิบชารถเข้มที่สั่งมานั้นโห่ก็สอบถามคนรับใช้ว่านี่น้องชายเหตุฉชนไหนสลาว่าการจึงได้เงียบงันถึงปานชันี้เซี่ยวเออร์ตอบว่าอ๋องานในภาคเช้าเพิ่งจะแล้วเสร็จครับพวกเจ้าพนัก ง, งานกับลูกความที่มาฟ้องร้องกันพากันออกไปกินข้าวเที่ยงยังไม่กลับกันเข้ามาเลยขอรับโหเถาถามอีกว่า เจ้ารู้จักสมุหะที่อยู่เวณวันนี้หรือไม่เสี่ยวเออชี้ออกไปแล้วว่าอ๋อท่านผู้นั้นนึงไงขอรับโนนโนโนนโนโหเท า, ามองตามไปก็เห็นเป็นเสมียนหนุ่มผู้หนึ่งโผล่หน้าออกมาจากสลาว่าการหลังนั้นบุรุษผู้นั้นใช้แส่ซ่งส่วนตัวชื่อเจียงใครๆก็เรียกหาว่าคงหมิงหรือคุณชายสามแห่งหมู่บ้านตระกูลซ่งซึ่งขึ้นอยู่ในเขตปกครองตำบลยุนเชง เนื่องจากตัวเป็นคนผิวคล้ำรูปร่างต่ําเตี้ยใครๆเรียกว่าไอ้ปื้ดเตี้ยส่งเจียงแต่เนื่องด้วยมีความกระตันยูกระตะเวทีเป็นเลิศผู้คนส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนไปเรียกหาเป็นชื่ออื่นว่าคุณชายดำที่สามลูกกตันยูผู้มีมุทิตาจิตเบื้องสูงพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่แม่ตายไปนานแล้วส่วนเบื้องล่างก็ยังมีน้องชายคนเล็กอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าส่งฉิงฉายาพัดเหล็ก ส่องชิงร่วมกับพ่อผู้อาวุโสทำไร่ไถนาอยู่ในหมู่บ้านต้นตระกูลอาศัยเก็บกินข้าวปลาอาหารและผลไม้รากไม้จากไร่นาที่กว้างใหญ่ของตนอย่างมั่งมีสีสุขแต่ส่องเจียงดันผ่ามารับราชการเป็นเสมียนประจำสาลาว่าการตะบนจุ่นเชงตัวเขานั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมรอบรู้แตกฉานอ่านเขียนหนังสือหนังหาได้ลึกซึ้งคล่องแคล่วรอบรู้วิธีการบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะชื่นชอบในวรยุทธ์จนช่ำชองในกลยุทธ์หลายกระบวนรบ คบหาแต่เพื่อนมิตรในวงยุทธภพแต่ก็มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเพื่อแผ่ทุกผู้ไม่เลือกสูงต่ำดำขาวใครก็ได้ที่สมสารมาไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารน้ำท่ารับเข้ามาอยู่กินในเรือนคอยดูแลประครบประงมไม่มีที่จะเหนื่อยหน่ายหากคิดจะไปก็มีเงินทองให้เป็นค่าเดินทางว่านโปรยเงินทองไปดังเห็นเป็นเช่นเศษธุีผู้ใดขอเป็นไม่ขัดสางเรื่องยากของผู้อื่นให้เป็นเรื่องง่าย แก้ปัญหารักษาชีวิตสำหรับคนสิ้นไร้ไม่ต่อก็ออกเงินซื้อยาคนตายอนาถาก็หาโรงศพใส่ทำบุญสุนทอนทานกับคนยากจนช่วยเหลือเพื่อนบ้านในยามขัดสนอยู่เป็นนิจสินดังนั้นชื่อเสียงกิติศัพด์จึงได้เลื่องลือขจรขจาจออกไปทั่วมณฑลสานตุงและหัวเปื่อยผู้คนขนานนามให้ว่าฝนทั่วฟ้าประหนึ่งว่าน้าฝนจากฟ้า หลังลงมาชุบชีวิตสัประสัต์ทั่วปริมณฑลจบมหาสกลบนพื้นพิภพขณะที่ส่งเจี้ยงเดินออกมาจากสาาว่าการกับบ่าวคนหนึ่งสารวัตรโหก็ข้ามถนนไปหาแล้วเอ่ยขึ้นว่าเรียนท่านสมุหะไปรับน้ำชากับข้าน้อยก่อนปะไรส่งเจี้ยงแลดูปราดเดียวก็มองออกว่าโหเถาเป็นพนัก ง, งานตำรวจแต่ก็ถามออกไปว่าพี่ชายท่านนี้เป็นใครมาจากไหนหรือขอรับโหเถาว่า หาจะให้เกียรติข้าน้อยได้ตอนรับท่านในร้านน้าชาข้างหน้านี้ข้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังสรงเจี้ยงว่าท่าเช่นนั้นก็ตามใจเถิดทั้งสองก็เข้าไปนั่งในร้านน้าชาส่งเจียงให้บ่าวรออยู่ด้านนอกแล้วหันมาทางสรารวัตรแล้วเอ่ยว่าข้าขอทราบนามของพี่ท่านผู้นี้ด้วยขอรับโฮเทาบอกว่าข้าน้อยผู้ต่ําต้อยชื่อโหเทาเป็นสรารวัตรตํารวจประจําการอยู่ที่จังหวัดจี้โจ ข้าน้อยขอละลาบละล้วงทราบนามท่านด้วยทรงเจี้ยงว่าโอ้ท่านสารวัตรตอนที่เข้ามาทักต้องขออภัยที่ข้าน้อยไม่รู้จักท่านข้าน้อยเองเป็นแต่เสมียนเล็กๆนามว่าส่งเจียงพอได้ยินดังนั้นโหดเทาก็เรียบคุกเข่าลงกับพื้นแล้วก้มลงโขกศีรษะแล้วเอ่ยว่าข้าน้อยได้ยินกิติศัพท์ของท่านมานานนักหนาแล้วแต่ไม่เคยได้รับเกียรติให้รู้จักเลยท่งเจียงว่า ท่านทำให้ข้าได้อายนะักโปรดนั่งที่หัวโตะด้วยโฮเถาพูดว่าคุณต่ำต้อยด้อยข้าเช่นนี้นะหรือข้าไม่กล้าดอกร่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าท่านสารวัตรในฐานะที่ท่านเป็นคนเบื้องบนมาจากตัวจังหวัดและเป็นแขก จ, จากแดนไกลต้องได้สิขอรับทั้งสองต่างมา ร, รยาทกันไปมาอีกพักหนึ่งแล้วซ่งเจียงก็นั่งเป็นเจ้าภาพที่หัวโตะส่วนโฮเถาก็นั่งเป็นแขก เสียหนุ่มตะโกนสั่งออกไปว่าเรียวอออเอาน้ำชามาสองทีเมื่อน้ำชาหอมกรุ่นมาถึงทั้งสองก็พากันดื่มส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าท่านสารวัตรท่านถือหนังสือสำคัญใดจากเบื้องบนไม่ยังตำบลอันต่ำต้อยของเราหรือขอรับโหเถาตอบว่าข้าจะเล่าให้ท่านฟังจนหมดเปลือกเพราะมันเกี่ยวพันกับคนสำคัญที่นี่หลายคนส่องเจียงเอ่ยดักคอขึ้นว่าไม่ คงไม่ใช่เรื่องขโมยเขจรดอกหรือไรโห่เถาวบอกว่าข้าถือหนังสือปิดผนึกมาด้วยใครไหว้วานท่านให้ช่วยดำเนินการให้สักหน่อยส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าข้าจะไปปฏิเสธท่านพูดแทนจากเบื้องบนได้เช่นใดโจรกกไหนละ่ะที่เกี่ยวข้องโห่เถาว่าท่านสมุหะท่านเป็นคนเก็บรักษาบันทึกแจ้งความทั้งหลายในตำบล น, นี้บอกท่านไปก็ไม่มีอันตรายดอกคือว่า บนดอยสันดินเหลืองที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของจังหวัดเราโจนแดคนเอายาเบื่อใส่สุราวางยาคนส5ห้าคนที่คุ้มกันขบวนคาราวานสินค้าของผู้ว่าเหลียงแห่งนครต้าหมิงเมืองหลวงมณฑลอุดรที่จะส่งไปกำนันวันเกิดท่านสมุห์นายกชัยที่เมืองหลวงตะวันออกแล้วเชิดสินค้ามูลค่าหนึ่งแสนพุงอีแปะไปเราจับไปเชงคนสมรู้ร่วมคิดได้คนหนึ่งแล้วมันปูดว่า เจ็ดคนที่เป็นโจรตัวจริงบ้วนอยู่ในตำบลของท่านท่านสมุหานายกได้ส่งคนสนิทของท่านมาอยู่กํากับที่จังหวัดเราขอจนกว่าจะจับโจรได้เราหวังใจว่าท่านจะช่วยวิ่งเต้นเดินเหินให้ด้วยนะซ่งเจียงเอ่ยว่าไม่ต้องถึงท่านสมุหานายกดอกท่านสารวัตรท่านวางใจได้เราต้องรวบตัวไอโจรก๊กนี้ส่งตัวพวกมันให้ท่านให้จงได้ ไอ้โจนที่เหลือเจคนที่ไปเชงให้การซัดทอดนั้นเป็นใครกันล่ะสารวัตรเอ่ยขึ้นว่าเรียนท่านตามสัตว์จริงหัวโจกใจผู้บงการเรื่องนี้คือผู้ใหญ่บ้านเจ้าแห่งหมู่บ้านฝั่งตะวันออกแต่อีกหกคนเรายังไม่ทราบชื่อหวังใจว่าท่านจะกระทำการด้วยความรอบคอบระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งด้วยพอได้ฟังดังนั้นท่งเจียงก็ให้เสียว่าไปทั้งสันหลังรำพึงกับตัวว่า เจ้าไก่เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของเราอาญาแผ่นดินครั้งนี้โทษท่านใหญ่หลวงนักถ้าถูกเขาจับได้มีหวังต้องถูกประหารแน่ๆจำเราจะต้องแก้ไขช่วยชีวิตเพื่อนเอาไว้ให้ได้ซ่งเจียงเก็บงำความกระวนกระวายให้หายเป็นปกติแล้วเอ่ยขึ้นว่าไม่ไอ้ไวร้ายโสโครกคณนี้คนทั่วทั้งตำบลเกลียดชังมันนัก เพิมเกริมถึงเพียงนี้ต้องให้มันชดใช้ใสาสมสารวัตรโหเถาเอ่ยขอร้องขึ้นว่าโปรดช่วยเราจับพวกมันด้วยเถิดซ่งเจี้ยงว่านั่นไม่ลำบากใดๆเลยดังครั้งโบราณคนเก่าเขาว่าง่ายดังจับเต่าในหยครับในเรื่องของสาม ก, ก๊กครับก็เอ่ยในทํานองนี้ว่าง่ายดังล้วงกระเป๋าหยิบของแต่ท่านต้องยืนหนังสือนี้ กับท่านเทสาพิบาลตอนเปิดสาราว่าการตอนบ่ายท่านเทสาจะได้อ่านแล้วสั่งการให้คนไปจับส่วนข้าก็เป็นแต่เพียงสเสมียนหากเรื่องนี้รั่วไหลไปข้ารับผิดชอบเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ดอกขอรับโหเถาเห็นด้วยแล้วพูดขึ้นว่าแม่ที่ท่านพูดมาก็ถูกถ้าเช่นนั้นวานท่านช่วยพาข้าไปด้วยท่งเจียงว่าท่านเทสายุ่งมาแต่เช้าตอนนี้ท่านกําลังพักผ่อนนอนหลับ หากท่านรออีกสักนิดหากที่ว่าการเปิดเมื่อใดข้าจะมาตามท่านไปทันทีแล้วโฮเถาก็กำชับอีกว่าไม่ว่าอย่างไรข้าก็หวังใจว่าท่านจะช่วยเหลืองานเราให้รุ่ล่วงซ่งเจียงว่าแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรดอกข้าต้องกลับไปบ้านสัสางการงานอะไรสักสองสามสิ่งก่อนแล้วจะรีบ ก, กลับมารดรอข้าที่นี่สักพักนึงเถิดโฮเถาว่า เชิญท่านสมุหะข้าจะรอท่าอยู่ที่นี่ซ่งเจียงลุกออกจากร้านแล้วหันไปสั่งบริกรว่าหากสุภาพบุรุษผู้นั้นประสงค์จะรับน้ำชาเพิ่มก็ลงบัญชีข้าไว้นะแล้วกระวีกระวาดออกจากโรงน้ำชากำชับกำชาบ่าวติดตามให้คอยเฝ้าอยู่ที่ปากประตูตามเดิมหากท่านเทสาเปิดสำนักว่าการก็ให้เจ้าเข้าไปในโรงน้ำชาบอกแกเจ้าพนักงานคนนั้นว่าเดี๋ยวข้าจะรีบกลับ ขอให้รอท่าค่าอีกสักหน่อยพอถึงบ้านส่งเจียงก็รีบผูกอานมา้าแล้วจูงออกทางหลังบ้านมือถือแท่ขึ้นมา้าและบังคับให้เดินช้าๆออกจากเมืองพอพ้นประตูตะวันออกมาได้ก็ลงแท่ไปสองขับ<อ>ม้าสึกเพ่นพลกระโจนลับไปราวกระต่ายปา่ามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านฝั่งตะวันออกในทันทีไม่ถึงครึ่งชั่ว ย, ยามส่งเจียงก็มาถึงคระทหดผู้ใหญ่เจา้า พอเบ่าเห็นว่าเป็นใครก็รีบแล่นเข้าไปรายงานเจ้านายขณะนั้นเจ้าไก่กําลังดื่มสุรากับบูหยงกงซุนเชงและลิวถังใต้สมองุ่นในสวนหลังบ้านส่วนสามพี่น้องตะโกลหยวนได้ส่วนแบ่งสมบัติแล้วก็อําลากลับไปยังหมู่บ้านใต้ศิลากรเบ่าวไปรายงานว่ารายงานท่านผู้ใหญ่สมิ่งซ่งมารออยู่ที่หน้าประตูครับผู้ใหญ่เจ้าถามขึ้นไปว่ามอกี่คนบ่าวตอบว่า อ๋อคนเดียวขอรับเหงื่อยังตกกีบฝาน้ำหลายยังกลบปากมมาอยู่เลยสั่งมาว่าจะต้องพบท่านผู้ใหญ่ให้ได้ในเดี๋ยวนี้ต้องมีอะไรแน่แน่เจ้าไก่ได้ฟังก็รีบรุดมาทรงเจียงคารวะผู้ใหญ่เจ้าอย่างนอบน้อมแล้วเข้ามาฉุดมือพาไปยังตึกหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆท่านสมุหะเหตุฉันไหนจึงเร่งรีบถึงเพียงนี้ทรงเจียงเอ่ยขึ้นว่า พี่ใหญ่พี่ก็รู้ว่าข้าเคารพศรัทธาในพี่มากแค่ไหนแม้ชีพนี้ก็ลีให้ได้พวกนั้นคบคดีที่สันดินเหลืองแตกแล้วไปเชงตอนนี้ถูกจับอยู่ในคุกจีจ้โจเขาถูกบังคับให้รับเรื่องคนทั้งเจ็ดข้าหลวงจีจ้โจทรงสารวัตรโดเทาหมาพร้อมหนังสือของท่านข้าหลวงสำทับด้วยของสมุหนายกชัยให้มาจับเจ็ดตนสารวัตรว่าท่านพี่เป็นหัวหน้า เป็นพระสวรรค์เมตตาแท้ทีเดียวจึงบรรดาหให้ข้าเป็นผู้รับเรื่องข้ากันสารวัตรโฮเอาไว้ที่โรงน้ำชาหน้าศาลาปลดว่าท่านเทศายัางนอนพักผ่อนอยู่แล้วรีบควบมมามาบอกท่านพี่พิช ด, ดูในบรรดา36ทางให้หนีเป็นดีที่สุดพี่จะได้ชักชา้ารีบหนีไปเสียโดยไวส่วนข้าจะรีบกลับไปพาสารวัตรกับหนังสือคาสั่งไปพบท่านเจ้า เ, าเมืองก่อน คิดว่าท่านเจ้าเมืองคงรีบส่งกําลังมาจับท่านในคืนนี้เป็นแน่อย่าได้ชักช้าหากเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็อย่าได้มาปราโมทข้าว่าข้าไม่มาบอกก็แล้วกันเจ้าไก่ได้ฟังก็ถึงกับโอดกะว่าว่าน้องรักพี่คงไม่อาจจะทดแทนบุญคุณครั้งนี้ได้หมดทรงเจียงว่าถานอมชีวิตไว้ให้ดีเวลาหนีอย่าได้บอกแวกลังเลอย่าได้ชักช้าข้าต้องรีบกลับไปก่อน เจ้าไก่พูดขึ้นว่าพวกเรามีด้วยกันอยู่เจ็ดคนสามพี่น้องตระกูลหยวนน้องสองน้องห้าและน้องเจ็ดขนสุนแบ่งกลับบ้านใต้ศิลาไปแล้วอีกสามคนยังอยู่กับพี่ที่นี่ท่านต้องไปพบกับพวกเขาสักหน่อยเจ้าไก่พาสองเจี้ยนไปยังสวนหลังบ้านแล้วแนะนำแขกทั้งหมดให้รู้จักนี่คือท่านหูหยงนั่นท่านกงสุนเชงมาจากจี้โจแล้วนั่นท่านหลิวถัง มาจากดงลูกซ่องเจิ้งรีบคารวะด้วยมารยาทแล้วหันหลังจะกลับแต่นึกขึ้นได้จึงเอ่ยกับผู้ใหญ่เจ้าว่าท่านพี่ท่านหนอมตัวด้วยจงรีบหนีไปไวๆข้าจะต้องรีบไปแล้วว่าพรางก็กระโดดกลับขึ้นมา้าลงแท่จนสุดกำลังม้านั้นก็ตะบึงเข้าเมืองไปดุด จ, จะติดปีกเจ้าไก่หันไปถามเพื่อนร่วมโตทั้งสามว่ า, <S <S าทราบไหมว่าเขาเป็นใคร บูหยงส่วนขึ้นว่าอะไรจะร้อนรนปานนั้นคนผู้นั้นเป็นใครหรือเจ้าไก่ว่าบอกไปพวกท่านก็อาจจะประหลาดใจก็ได้แต่หากไม่เพราะเขาผู้นี้พวกเราเห็นจะกลายเป็นผีวักขาดกันไปหมดทั้งสามุทานขึ้นว่า<ม>ท่านหมายความว่าความของเราแตกสิแล้วหรือเ<ม>จ้าไก่พูดขึ้นว่าพี่น้องคนนี้เสี่ยงตายมาบอกเราไปเชงถูกเขาจับได้แล้ว ตอนนี้อยู่ในคุกเมืองจี้โจแล้วจำต้องปูดชื่อเราทั้งเจ็ดข้าหลวงจึงส่งสารวัตรโฮและคนอีกจำนวนหนึ่งถือคำสั่งของสมุหานายกไชมาขอกำลังจากตะบลจุนเชงให้มาจับพวกเราโชคดีนักที่พี่น้องท่านนี้ทวงเวลาสารวัตรโฮให้รออยู่ที่ร้านน้ำชาหน้าสาราว่าการแล้วตัวก็รีบรุดมานี่พอเขากลับไปท่านเจ้าเมืองก็คงจะมีคาสั่งให้คนมาจับเราคืนนี้เราจะทาฉันใดกันดี วูยงพูดขึ้นว่าหากเขาไม่มาบอกพวกเราก็คงจะต้องเข้าปิ่งแน่ๆท่านผู้มีพระคุณผู้นั้นเป็นใครกันหรือผู้ใหญ่เจ้าตอบว่าท่านผู้นั้นคือส่งเจียงผู้พิทักษ์คนกล้าเสมียนประจำสาราว่าการตะบนยุนเชงวูหยงเอ่ยขึ้นว่าข้าเคยได้ยินชื่อนี้มานานนะักแม้จะห่างกันไม่กี่ก้าวเราก็ยังหาได้พบกันไม่ ส่วนอีกสองคนพูดขึ้นว่าแม่คนพูดนี้ไม่ใช่หรือที่คนทั้งยุทธภพเรียกหาว่าฝนทั่วฟ้าทรงเจียงเจ้าไก่พยักหน้าแล้วเอ่ยขึ้นว่าคนคนนี้นั่นแหละข้ากับเขาใกล้ชิดสนิทกันเป็นที่สุดเราร่วมสาบานเป็นพี่น้องอาจารย์หูท่านอาจจะยังไม่ทันได้คบหาแต่จงมั่นใจเถิดว่าคนพูดนี้สูงค่าเสมอเกียรติ ที่ผู้คนเขาเล่าลือยกจ้องกันจริงๆข้าได้มาเป็นพี่น้องกับเขาก็ให้รู้สึกเสมอว่าชั่วชีวิตนี้เกิดมาไม่เสียทีเปล่าแล้วหันมาเอ่ยกับบูยงว่าสถานการณ์ของเราครับขันยิ่งนักจะแก้ไขอย่างไรดีฮะท่านบูยงบูยงว่าเฮาน่าไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลาโบราณว่าในบรรดาสาสิบหกทางให้หนีเป็นดีที่สุด เจ้าไก่พูดขึ้นว่าสมุหะส่งก็พูดเช่นนั้นแต่ถ้าว่าจะให้หนีไปที่ใดเล่าวูหยงตอบว่าข้ากําลังคิดอยู่ว่าแต่ก่อนอื่นเราควรรวบรวมสม บ, บัติของเราสักหกเจ็ดฮับแล้วถอยไปสมทบกับพี่น้องตระกูลหยวนที่หมู่บ้านต้ายศิลาก่อนแต่ก่อนอื่นเราต้องส่งคนล่วงหน้าไปแจ้งพวกเขาว่าเรากําลังจะไปเจ้าไก่พูดขึ้นว่าแต่พวกเขา เป็นแค่ชาวประมงคนหาปลาหมู่บ้านเล็กๆอย่างนั้นจะให้มารองรับผู้คนจนํานวนมากเช่นพวกเรานี้อย่างไรได้ผู้ยงพูดว่าท่านพี่ท่านยังไม่ได้คิดอ่านให้รอบคอบหมู่บ้านป้ายศิลานั้นห่างจากเขาเลี้ยงสารเพียงไม่กี่ย่างก้าวป้อมค่ายบนยอดเขาแห่งนั้นกนําลังเจริญรุ่งเรืองยามเจ้าพนักงานบอกว่าจะไม่จับจนพวกมันไม่กลา้าแม้แต่จะใช้ตาไปที่นั่นเสียด้วยซ้ํา หากการค้นหาจี้ก้นพวกเรามาติดๆเราก็สามารถหนีไปรวมก๊กกับพวกเขาได้เจ้าไก่ว่าไม่คิดได้เยี่ยมแต่หากว่าพวกเขาไม่ต้องการเราล่ะปู่ยงว่าเฮ้พวกเรามีเงินทองมากมายตายกองหากเราเสนอให้บ้างพวกนั้นก็คร้อที่จะรับเจ้าไก่ว่าเอาละเอาละ เมื่อพวกเราเห็นดีเห็นงามตามนี้ก็ควรที่จะเร่งรีบเดินทางได้แล้วอาจารย์วูท่านกับหลิวถังพาบ่าะแ่าจานวนหนึ่งพร้อมสัมภาระล่วงหน้าไปเตรียมการที่บ้านตะกุลหยวนบอกให้พวกเขามาสมทบกับพวกเราส่วนข้ากับท่านกงซุนหลังจากจัดการทางนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะไปทางบกตามไปสมทบกับพวกท่านทีหลังวูหยงกับหลิวถังจัดแบ่งของกนานันวันเกิด ทั้งที่เป็นเพชรนินจินดาและทองหยองออกเป็นหหาบใหญ่สั่งบ่าวหกคนให้กินข้าวปลาอาหารให้พร้อมอาจารย์ก็ม้วนโซ่สำริษเก็บไว้ในแขนเสือ้อลิ้วถังถือเงาแล้วก็พากันบ่ายหน้าออกเดินทางสู่หมู่บ้านป้ายศิลาโดยไวยส่วนผู้ใหญ่บ้านกับนักพรตเต๋ก็เริ่มทำการปิดคฤหาส์พวกเขาเอาเงินทองออกแจกจ่ายบ่าวไพร่ที่ไม่ต้องการไปด้วยเขียนหนังสือแนะนาให้ไปอยู่กับนายคนอื่น ส่วนพวกที่จะตามไปด้วยก็ให้เก็บข้าวของเครื่องใช้ใส่หีบห่อให้เรียบร้อยเรื่องนั้นเราจะไม่พูดในรายละเอียดอีกนะครับแต่จะย้อนกล่าวถึงส่งเจี้ยงซึ่งควบม้ากลับเข้าไปในเมืองแล้วรีบตรงไปยังโรงน้ำชาก็เห็นสรวัตโหออกมายืนรอท่าอยู่นอกร้านเฝ้าเชเงเเรแเช้ะงแะหาอยู่เป็นนานสมียนตาบลยุนเชงกล่าวว่าต้องขออภัยที่ปล่อยให้ท่านต้องรอเสียช้านาน ญาติที่หมู่บ้านผู้หนึ่งดึงเข้าไว้ปรึกษาเรื่องในเรือนนะ่ะขอรับโฮเถาพูดว่าถ้าเช่นนั้นรบกวนท่านช่วยนําข้าเข้าไปด้วยทรงเจียงว่าการุณาตามมาทางนี้เลยขอรับมามามาเชิญทั้งสองก็เข้าไปในสาราว่าการที่เทสาพิบาลชื่อเหวินปิ่นว่าการอยู่ทรงเจียงถือหนังสือปิดผนึกในมือ นำโหถาเข้าไปที่บันลังเจ้าเมืองแล้วให้บ่าวขึ้นป้ายห้ามรบกวนไว้หน้าห้องส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าหนังสือจากจังหวัดกี้โจขอรับว่าพรางท่งเจียงก็ยื่นหนังสือให้เจ้าเมืองอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่ันสารวัตรโหเถากํากับมาด้วยตนเองด้วยว่าคดีนี้เป็นเรื่องด่วนเกี่ยวกับโจรปล้นของกํานันเจ้าเมืองหยุ่นเชงได้ฟังก็รีบลี่หนังสือออกอ่านเงื่อการไหลยเยิ้มสั่นเทิมไปทั้งร่างแล้วว่า ท่านส ม, มุหะนายกเองก็บัญชาให้คนสนิทมารอรับโจรอยู่ที่ตัวจังหวัดแล้วหันมาบอกกับท่งเจียงว่าเราต้องเร่งรงค้นออกไปจับโจรมาให้ได้โดยไว้ท่งเจียงให้ความเห็นว่าหากเราเคลื่อนไหวในตอนกลางวันเขาไม่แคล้วจะรั่วค่อยลงมือคืนนี้เป็นอย่างไรขอรับพิเคราะห์ดูเห็นที่ว่าน่าจะเหมาะหากจาเพาะจับเจ้าไก่ได้อีกหกคนก็คงไม่พ้นมือเราเป็นแน่แท้ เจ้าเมืองหยุ่นเชงว่าเจ้าไก่เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านฝั่งตะวันออกอีกทั้งเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนักข้าไม่ยักเข้าใจว่าชั่วดีทีหางอยางไรถึงได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ว่าแล้วก็เรียกในอำเภอกับสองมือปราบเข้ามาหาคนหนึ่งนั้นชื่อจูถงและอีกคนหนึ่งชื่อเล่ยเหงคนทั้งสองไม่ธรรมดาเลยหลังจากได้รับคำสั่งจากเจ้าเมือง คนทั้งสก็พากันขึ้นมา้าขี่ตรงไปยังค่ายเกณฑ์เอาพลตระเวนหนึ่งคนทั้งพลเดินเท้าพลมา้าและพลธนูพอเริ่มมืดก็ออกเดินทางไปพร้อมสารวัตรโหและสองในกองที่กํากับมากับขบวนของกนานันวันเกิดทุกคนในขบวนต่างถือเชือกและอาวุธครบมือในอำเภอและมือปราบทั้งสองต่างขี่มา้ามือถือเงาดาบขัดเข้าที่เอลสะพายซองเกาทันกับคันธนูครบชุด แห่แห่นกันมาทั้งหน้าหลังสะพั่งไปด้วยพนธนูทั้งขี่ม้าหลายเดินเท้าแบ่งกันออกเป็นหมวดหมวดญาติราออกมาจากเมืองด้านประตูตะวันออกแล้วเร่งรุดตรงไปยังหมู่บ้านเป้าหมายและครึ่งหาดผู้ใหญ่บ้านเจา้าพอลูกเข้าเขตหมู่บ้านเวลาก็เพิ่งจะยามหนึ่งจึงแวะเข้าไปชุมนุมพลกันที่ลานศาลเจ้าแม่กวนอิมเลยเหงเอ่ยขึ้นว่าคุ้มบ้านผู้ใหญ่เจ้าอยู่ข้างหน้านี้แหละ มีเส้นทางทั้งประตูหน้าและประตูหลังถ้าเราตีเข้าด้านหน้าพวกมันก็คงจะหนีออกทางประตูหลังหากเราตีมาจากประตูหลังมันก็คงจะพากันหนีออกประตูหน้าเจ้าไก่ผู้นี้น่าเกรงขามนักแถมเรายังไม่รู้อีกว่าอีกหกคนกล้านั้นเป็นผู้ใดแต่ที่แน่ๆมันย่อมไม่ใช่สุภาพชนคนดีมีศีลธรรมเป็นแน่ยิ่งกว่านั้นพวกมันยังจนตรอกสอีกหากพวกมันตั้งใจตีหักออกมา แล้วได้เบาแพร่ในบ้านคอยช่วยเราคงเอาไว้ไม่อยู่ที่เราพอจะได้เปรียบอยู่บ้างก็คือทําเป็นตะกรอนไว้ด้านหนึ่งแล้วเข้าตีอีกด้านหนึ่งพวกมันจะแตกกระจัดกระจายกันไปก่อนแล้วค่อยลงมือเอาทีละส่วนจู่ถงว่าข้าขอเสนอให้เราแบ่งกําลังออกเป็นสองข้านําไปกองหนึ่งและให้ไหนดาบเลยเห็นนาอีกหนึ่งข้าจะพาพลตระเวนเดินเท้าไปซุ่มเงียบทั้งประตูหลังพอได้ยินสัญญาณผิวปาก ท่านในดาบเลยท่านกับพวกจงเร่งพังประตูหน้าเข้าไปจับทุกคนที่พบเลยเห็นว่าแหมฟังดูเข้าทีแต่ถ้าจะให้สวยยิ่งขึ้นก็ให้ตัวท่านกับนายอำเภอไอ้จักประตูหน้าเข้าไปส่วนข้าจะคอยดักซุ่มอยู่ทางประตูหลังแหมชอบจริงๆไอทางประตูหลังเนี่ยนะ <laughs> จู่ถงว่าท่านยังไม่เข้าใจคร่งหาดนี้ยังมีทางอีกทางหนึ่งเป็นทางที่สาม ข้าได้สำรวจตรวจตราไวห้หมดแล้วข้ารู้แจ้งทั้งสามทางต่อให้ในมือไม่ต้องมีใต้ข้าก็สามารถไล่ตามไปในที่มืดอันท่านนั้นยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางที่เจ้าไก่จะใช้หนีหากมันหนีไปได้ย่อมไม่ใช่เรื่องตลกเลยแม่อำเภอว่าที่ท่านพูดมาก็ชอบแล้วท่านไหยดาจูแม่อำเภอตัดสินว่าท่านเอาคนไปกึง่งนึงจู่โถงว่า เฮ้แค่ส0สิบก็พอว่าแล้วก็เลือกพลธนูสิบและพลเดินเท้าอีกยี่สิบแล้วแยกไปในอำเภอขึ้นมา้าส่วนเลยเหงวางพลธนูเป็นเกราะกำบังไว้รอบตัวให้พลเดินเท้าออกหน้าบัญชาให้จุดใต้ขึ้นส0ิบเล่มพลตรเวนเหล่านั้นในมือถือเหลาเงาและตะขอมุ่งตรงไปยังหน้าคฤหาส์อีกเพียงไม่ถึงครึ่งลี้ก็จะถึงตัวบ้าน ฉับพลัพนเหล่าพลตระเวรก็เห็นแสงเพลิงพวยพุ่งขึ้นจากตึกกลางส่งกลุ่มพันหนาทึบเปลวไฟสีแดงลามเลียขึ้นสู่ท้องฟ้าพอล่วงเข้าไปได้อีกสิเกก็เห็นไฟอีกกว่าสามสิบสี่บจุดลุกโผล่ขึ้นทั่วทุกหมูมตึกที่ตั้งเรียงรายกระจัดกระจายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเหงยกเงาวขึ้นโบกฉับพลันพลตระเวรทั้งหมดก็โห่ร้องทะยานเข้าทลายประตูหน้าเปลวไฟลุกโชดช่วงจับตัวคณะอาจสว่างจ้าดุดกลางวัน แต่พวกที่จู่โจมเข้าประตูไปหาพบผู้ใดไม่และแล้วจากด้านหลังคฤหาสน์พวกเขาก็ได้ยินเสียงกู่ร้องและตะวัดขึ้นว่าจับมันอันที่จริงมันเป็นความตั้งใจของจู่ถงมาแต่แรกที่จะปล่อยให้เจ้าไก่แยกนี้ออกไปทางด้านหลังคฤหาสน์จึงได้บอกเลยเหงห์ให้ตีเข้ามาทางด้านหน้าเลยเหงหเองก็คิดแบบเดียวกันเมื่อปราบเช่นเขาก็ปรารถนาจะไปคุมประตูหลังเพื่อเปิดทางให้เจ้าไก่หนีได้โดยสะดวก แต่เมื่อจูถงเสนอให้เขาเป็นฝ่ายเข้าตีด้านหน้าเลยเห็นก็ไม่มีทางเลือกดังนั้นในดาบมือเง้าคุมพลเดินเท้าจึงสร้างสั่งไพ่พลวิ่งกันให้วุ่นวายสับสนตะโกนแผดร้องดังๆเข้าไว้เพื่อเร่งให้เจ้าไก่หนีออกทางประตูหลังไวๆตอนที่จูถงเข้าซุ่มด้านหลังเจ้าไก่ยังสะสางเรื่องภายในเครือข่าไม่เสร็จพวกบา่าไพ่รีบเข้าไปรายงานว่าทหารมาแล้วพวกเราต้องรีบไป เจ้าไก่จึงสั่งให้จุดไฟเผาคฤหาสน์แล้วตัวกับเต้าสือกงซุนเฉิงก็นำเบาวไพร่ศักดิ์สิทธิ์กว่าคนกลายเงาบุกออกไปทางด้านหลังของคฤหาสน์และตะวัดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าค้นขวางต่อยใครหนีเป็นจูถงร้องขึ้นเบาๆออกไปจากมุมมืดว่าเบาๆไว้ท่านผู้ใหญ่ข้ารอท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วเจ้าไก่ไม่สนใจ ร่วมกับกงซุนเซงหวดเงาในมือไปข้างหน้าจู้ถงแส้งกระโดดถอยปล่อยวงล้อมให้โหวออกเป็นช่องเจ้าไก่เห็นดังนั้นก็สั่งให้กงซุนเซงกับบ่าวไพร่ทะลวงช่องโหวนั้นออกไปส่วนตัวคอยคุ้มกันอยู่ด้านหลังจู้ถงถอนพลธนูออกจากประตูหลังแล้วตะโกนสั่งขึ้นว่าโจนอยู่ข้างหน้าจับมันเอาไว้เลยเหงหได้ยินดังนั้นก็สั่งพลตระเวนกระจายกัน แผ่ออกไล่ตามไปทั่วทุกทิศทุกทางส่วนเจ้าตัวก็ลั่นไปอย่างที่สว่างแซงทําทีเป็นป้องหน้าป้องตาถะหลันไปทางซ้ายทีขวาทีฝ่ายจู๋ถงแยกตัวออกจากหมู่พลตระเวนถึงเงาไล่ตามพลพรรคของเจ้าไก่ไปติดๆเจ้าไก่พูดข้ามไหลมาว่าเฮ้ยไล่ตามมาทําไมวะท่านไหนดับข้าไม่ค่อยทําผิดคิดไรอะไรกับท่านจู๋ถงมองไปด้านหลังพอไม่เห็นมีใครตามมา จึงพูดออกไปตามตรงว่าท่านผู้ใหญ่ท่านคงไม่ทราบว่าข้าได้ทําอะไรให้ท่านบ้างข้ากลัวว่าเลยเห็นจะทําเกินไปปฏิบัติเอากับท่านในการอันไม่บังควรข้าจึงหลอกให้เขาเข้าตีทางประตูหน้าส่วนข้ามาคอยที่ประตูหลังเพื่อจะได้ปล่อยท่านไปไม่เห็นดอกหรือไรว่าข้าเป็นคนเปิดช่องออกอมาเร่เบ่าให้ท่านหนีเขาเหารียงซานเป็นสถานที่เดียวที่จะปลอดภัยอย่าได้ลองไปที่อื่นเลย เจ้าไก่พูดกับจูถ่ถงว่าเป็นพระคุณนักที่ช่วยเปิดทางให้ข้าในวันนี้วันน่าจะทดแทนให้สมแล้วเสียงเหลยเหงก็ดังสำทับมาแต่ไกลว่าอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้นะจูถ่ถงบอกกับผู้ใหญ่เจ้าว่าไม่ต้องตกใจใดๆ ไ, ไปดอกขอรับรอดไปตามทางของท่านเรื่อยๆข้าจะหันเหนพวกนั้นไปทางอื่นเองว่าแล้วก็ตะโกนไปว่าไอ้จอนสามคน มันหนีไปทางถนนด้านตะวันออกท่านในดาบเลยเหงเร่งตามไปเลยเลยเหงกับพักพวกก็ไล่ตามไปทางตะวันออกจู๋ถงเองก็แ้งทาทีเป็นไล่ติดตามไปแต่ก็ยังคงพูดกับเจ้าไก่ไปเรื่อยๆที่จริงแล้วที่มือปราบเช่นเขาทําไปก็เพื่อคอยคุ้มกันผู้ใหญ่เจ้านั่นเองในที่สุดผู้ใหญ่เจ้าก็ค่อยๆหายไปในความมืดจูถงแซงทาทีเป็นสะดุดล้มฟาดพื้นโดยแรง พวกพลตรเวณที่ตามมาทันก็ช่วยชุดให้ลุกขึ้นแล้วบ่นขึ้นว่าฟ้ามืดนักข้ามองทางไม่เห็นเลยหลงข้อเท้าข้าคงจะแพลงพระสะดุดล้มเมื่อตะกี้นี้เป็นแน่ในอำเภอเอ่ยขึ้นว่ามไอ้โจนตัวแอหนีไปจนได้้าอยู่ในกระชังแทๆ้ๆจูถงพูดแก้ตัวว่าหอใช่ข้าปล่อยพวกมันไปดอก แต่เป็นเพราะเมฆหมอเข้ามาบางดวงจันทพอดีแล้วหันไปแก้เกี้ยวเอากับพลตรเวนว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้เรื่องเลยไม่มีใครกล้าไล่ตามโจรในอำเภอก็สั่งให้พลตรเวนไล่าตามโจรไปแต่พวกเขาคิดอยู่ในใจว่าขนาดมือปรับถึงสองคนยังเอาพวกมันไม่อยู่ก็ถ้าคนระดับนั้นยังเข้าใกล้ไม่ได้แล้วระดับพวกเราจะไปสัมมาหาอะไรกับเขา ว่าแล้วก็ทําเป็นสมส่ำๆไปตามแกนแล้วก็กลับมารายงานว่าคืนนี้ฟ้ามืดนนะักพวกเรามองไม่เห็นทางที่พวกมันไปเลยเลยเหง์เองหลังจากทําทีเป็นวิ่งวุ่นวายไปมาพักใหญ่ก็กลับเข้ามาสมทบมือปราบไพร่าบคิดในใจว่าจูถงกับเจ้าไก่นั้นสนิทกันนักเขาคงจงใจปล่อยให้หนีส่วนตัวเรานี้ก็ไม่มีอะไรไปขัดทีแล้วที่หนีไปเสีย เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาหาเหตุแก้ตัวนายอำเภอบอกว่าพวกโจร น, นี้ร้ายนักเราไม่มีโอกาสจับมันได้เลยตอนที่นายอำเภอกับสองมือปราบกลับมาถึงหน้าคฤหาสน์เวลาก็ล่วงเข้าไปถึงยามสี่แล้วสารวัตรโห่เฝ้าดูพวกพลตรเวนกระจายกำลังกันออกตามหาอย่างสเปสสะปะไรระเบียบ ตลอดทั้งคืนก็ここไม่มีผู้ใดจับโจรได้แม้แต่คนเดียวสรวัตรโหครวรอยู่ในใจว่าแล้วกูจะกลับไปรายงานท่านข้าหลวงจี้โจอย่างไรได้วนะเนี่ยฮะเฮ้เท่าที่ในอำเภอจะทำได้คือส่งคุมเอาตัวเพื่อนบ้านผู้ใหญ่เจ้าบางคนมัดกลับไปหยุ่นเชงข้างฝ่ายเจ้าเมืองหยุ่นเชงอดตหลับขับตานอนรอฟังรายงานอยู่ทั้งคืน แต่เท่าที่ได้รับรายงานในตอนเช้าตรู่ก็คือแรง อ, อนันพวกโจรหลบหนีไปได้เราจึงค่าตัวเพื่อนบ้านเหล่านี้มาแทนเจ้าเมืองจึงเรียกคนเหล่านั้นเข้ามาไต่สวนพวกเขาบอกว่าถึงพวกเราจะเป็นเพื่อนบ้านผู้ใหญ่เจ้าแต่บ้านหลังที่ไกลที่สุดก็ยังต้องข้ามทุ่งไปอีกไกลที่ทะเลหาดสังนั้นมักมีคนถึงเฮาแบกทวนมาอยู่เป็นแขกประจา แต่ไม่มีใครเลยคิดว่าผู้ใหญ่เจ้าจะทำเรื่องแบบนี้ได้เจ้าเมืองยังพยายามซักไซสเอาเบาะแสจากพวกเขาต่อเพื่อนบ้านใกล้ชิดคนหนึ่งกล่าวว่าหากท่านอยากได้ความจริงฉนันไหนไม่ไปเค้นเอาจากบ่าวของเขาละขอรับเจ้าเมืองยุนเชิงว่าพวกนั้นไม่ใช่ตามันไปหมดแล้วดอกหรือเพื่อนบ้านใกล้ชิดคนนั้นว่าบางคนก็ไม่อยากไป พวกเขายังอยู่ที่หมู่บ้านนั้นเจ้าค่ะเจ้าเมืองจึงรีบส่งคนไปคุมตัวเป่าเหล่านั้นที่หมู่บ้านฝั่งตะวันออกโดยให้เพื่อนบ้านตามไปชี้ตัวไม่ทันถึงสองชั่วยามพนตรเวนก็คุมตัวเบ่าบ้านเจ้าไก่มาสองคนเมื่อแรกสอบเบ่าทั้งสองก็ปฏิเสธเสียงแข็งแต่พอถูกบอยหนักเขา้าก็ทนไม่ไหวเปิดปากสิน้นไม้ด้วยกันหกนขอรับพวกเขา มาสมคบคลิกกันที่บ้านผู้ใหญ่เจา้าแต่ที่เรารู้จักมีอยู่คนเดียวเป็นเต้าหยินสิ้นแสในตะ บ, บนนี้ผู้หนึ่งชื่อวูหยงอีกคนหนึ่งเป็นเต้าสือนามว่ากองซุนเชงอีกคนหนึ่งเป็นบุรุษผิวคล้ำตัวดําสูงใหญ่นามว่าเลิวนอกจากนั้นก็ยังมีอีกสามคนที่เราหารู้จักไม่อาจารย์หู่เป็นคนพามาได้ยินเขาพูดว่าพวกเขาสามคนพี่น้อง มีอาชีพหาปลาอยู่หมู่บ้านป้ายศิลาแซยวนเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เพียงเท่านี้แหละขอรับเจ้าเมืองว่าเรื่องเป็นเช่นนี้นี่เองให้เบิกอาตัวไปเชงมาเนี่ยท่าพภิบาลก็บัญชาการลงไปคาดคันเอาให้แน่ว่าสามคนพี่น้องตระกูลหยวนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนั้นจริงหรือฉไนปเชงถูกคุมตัวมา ก็เล็งเห็นอยู่แล้วว่าถึงปฏิเสธไปก็ไร้ประโยชน์เปล่าจึงสารภาพไปแต่โดยดีถูกแล้วขอรับทั้งสามล้วนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านป้ายศิลายวนที่สองเรียกว่ามานอมัหิตหยวนที่ห้าสมยาบ้ามุททะลุส่วนยวนที่เจ็ดก็มีนามว่าผีมาเกิดเจ้าเมืองถามต่ออีกว่าแล้วจนอีกสามคนมีนามว่ากระไรฮะ ให้เชงตอบว่าจอมมายากลหูหยงมังกรในม่านเมฆกองสุนเชงและวิสัท์หนวดแดงลิวถังขอรับเจ้าเมืองว่าเม่เพิ่งจะได้เรื่องก็ อ, อีกตอนนี้นี่เองเอาตัวไปเชงไปจําไว้ก่อนท่านเจ้าเมืองก็สั่งการให้สารวัตรโหเถาเดินทางไปยังหมู่บ้านป้ายศิลาโหเถาคิดในใจว่า หากเราจับสามพี่น้องตระกูลหยวนได้ก็เท่ากับปิดคดีนี้ไปได้กว่าครึ่งแล้วแต่แล้วการกลับกลายเป็นว่าก็เป็นเพราะโฮเทาได้บุกไปที่นั่นนั่นเองบรรดา36เทพอสูรกับอีก72มานปมารปทีก็ได้มาชมนุมกันพระหนึ่งพายุชักนำเสือเมฆเบิกทางให้มังกรร้ายป้อมค่ายชายน้ำก็กลายเป็นวิหารของเหล่าขุนทหารชนานาญศึก อะไรจะตามมากับ ก, บการที่สารวัตรเขตสามโหเถาบุกเข้าหมู่บ้านป้ายศิลาติดตามฟังในบทหน้าหากใครรู้พอได้รับคำบัญชาการจากเทศาบาลสารวัตรโหก็ก้าลงจากสาาว่าการพาคนของตนไปหารือกันในห้องรับพวกตำรวจเอ่ยขึ้นว่าหมู่บ้านป้ายศิลาตั้งประชิดติดบึงเหลียญซาน รายล้อมไปด้วยคุ้งน้ำเป็นอ่าวน้อยใหญ่ป่ากกดง อ, อ้อและเวิ้งน้ำกว้างแคบสุดแสนจะขนาดนับหากไม่ใช่กองเรือและทหารหมู่มากเขาช่วยก็อย่าฝันไปเลยว่าจะเข้าไปขว้าเอาตัวไอ้ผูกโจรพวกนั้นออกมาได้โูเถารำพึงว่าอืมจริงดังว่าว่าแล้วก็ย้อนกลับไปยังสาาว่าการรายงานเรื่องนี้กับเทสาว่าหมู่บ้านป้ายศิลา เต็มไปด้วยทางน้ําส่วนเลี้ยงสารเปาะที่อยู่ถัดไปก็ล้วนล้อมรอบไปด้วยคุ้มน้ําป่ากกและดวง อ, อ้อลําพังที่บ้านป่าหินก็มีโจรชุกชมอยู่แล้วยิ่งไปบวกกับไอ้พวกชานสนามอย่างไอ้กวนนี้ด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่หากคิดจะจับพวกมันเราต้องใช้ไพร่พลจํานวนมากขอรับเจ้าเมืองว่า <c oughs> ได้ได้ข้าจะคัดผู้ช่วยฝีมือดีและให้ทหารอีกห้าร้อยคนไปช่วยกันแล้วกันนะ โถแค่นี้จะเป็นอะไรไปโหเถากลับไปยังที่ประชุมเรียกหาบรรดาองครักของตนและสั่งการให้ไปคัดตัวคนทั้งห้าร้อยพร้อมอาวุธเสร็จสรร์วันรุ่งขึ้นบรรดาผู้ช่วยที่เป็นแม่ทัพในกองก็มาหาโหเถาตั้งแต่เช้าพร้อมด้วยคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านเจ้าเมืองทั้งสองเรียกระมพลทั้งห้าร้อยสมทบกับตารวจที่มาด้วยทั้งหมดก็ยกตรงไปยังหมู่บ้านป้ายศิลา ในเวลาเดียวกันหลังจากเผาเครื่องหดของตนจนราบเจ้าไก่กับกองซุนเชงพร้อมด้วยบรรดาไพร่พลบริวารอีกสิบกว่าคนก็มาถึงหมู่บ้านป้ายศิลาสามพี่น้องตระกูลหยวนรีบรุดออกมาสมทบอาวุธครบสะพรึกสะพรัง่งทุกคนพากันมารวมตัวที่บ้านหยวนที่ห้าหยวนที่สองก็เตรียมการจะให้มารดาพันยากับลูกเลี้ยงเข้าไปหลบภัยอยู่ในบึงลึกแล้วคนทั้งเจ็ดก็ปรึกษาจะพากันไปสวามิภักดิ์กับพวกนอกกฎหมายบนเขาเหลียมซาน บูหยงกล่าวขึ้นว่าที่ปากทางลิเจียชายผู้หนึ่งนามว่าจูกุยดำเนินกิจการโรงเตียมแห่งหนึ่งเป็นที่บางหน้าเขามีสมญาว่าจระคขบบกเป็นคนอินังขังขอบและอารีอารอบต่อผูกกล้าทั้งผองผู้ใดที่คิดจะเข้าร่วมชุมโจนแห่งนั้นต้องผ่านคนนี้ก่อนพวกเราต้องหาเรือใส่ข้าวของที่มีไปแบ่งกำนันเขาบ้างเพื่อเขาจะช่วยฝากฝังเราเข้าไป บรรดาชาประมงก็รีบพากันเข้าไปรายงานว่าแา่งานทหารต้องขี่ม้าและเดินเท้ากำลังมุ่งตรงมาทางนี้ขอรับตอนนี้พวกมันอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านของเราแล้วเจ้าไก่ผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเอ่ยขึ้นว่าหากไอ้พวกชั่วเหล่านั้นตามเราทันเราคงจะหนีพวกมันไม่พ้นเป็นแน่ยวนที่สองเอ่ยขึ้นว่าอย่าตกใจไปเลยข้าจะจัดการเอง ข้าจะจับพวกมันทวงน้ำเสียส่วนใหญ่และที่เหลือก็จะกระซวกสิให้สิ้น <Hey! S 1> กองซุนเชงเอ่ยขึ้นบ้างว่าโรถรังมือก่อนให้ข้าได้มีโอกาสสัแดงบ้างว่านักพจพูดต่ำมต้อยก็วีระอาจหานจะกระทำการอันใดก็พอได้อยู่เจ้าไก่หันไปสั่งลิวถังว่าน้องพี่เจ้ากับท่านอาจารย์ พาครอบครัวพร้อมด้วยสมบัติพัสถานของพวกเราล่งเรือล่วงหน้าไปดักรอพี่ที่ปากทางลิเจียพวกเราจะอยู่คอยทีดูสถานการณ์ก่อนแล้วจะตามไปสมทบนะยวนที่สองเลือกเรือสองลำเอามันดาพัญญาและลูกเลี้ยงพร้อมทั้งทรัพย์สินใส่เรือลำหนึ่งอู๋ยงกับหลิวถังขึ้นเรืออีกลำหนึ่งชาประมงเจดถึงแปดคนก็เจเรือทั้งสองลำมุ่งตรงไปรอท่าที่ปากทางลิจียตามนัด แล้วน้องที่สองก็สั่งการยวนที่ห้ากับยวนที่7ดถึงวิธีการกำจัดฝ่ายศัตรูทั้งสองต้องใช้เรือเล็กและแล้วพี่น้องทั้งสามก็รีบรุดไปตามนั้นโหเถาผู้ช่วยกับเหล่าทหารใต้หมู่บ้านเข้ามาทุกขณะผวกเขายึดเรือทุกลำที่พบและบรรทุกทหารที่รู้จักว่ายน้ำลงไปฝ่ายทหารม้าก็ขี่ม้าลัดเลาะไปตามชายฝั่ง กองทัพทั้งบกทั้งน้ําก็เคลื่อนขบวนเคียงข้างตามกันไปพอมาถึงบ้านด่วนที่สองทหารก็โห่ร้องขึ้นพร้อมกันแล้วตะลุยเข้าไปในลานบ้านแต่ว่าโอ้อันิจจานอกจากเครื่องเรือนชิ้นใหญ่ๆ ห, หนักๆแล้วห้องหอในตัวบ้านไม่มีอะไรเลยล้วนสะอาดสะอ้านไปนานนักแล้วโฮ่เถาสั่งการขึ้นว่าไปเอาตัวเพื่อนบ้านคนหาปลาของพวกมันมาสอบเฮ้ยไปพอนําตัวมาถึงคนหาปลาคนนั้นก็พูดขึ้นว่า ยวนที่ห้าและยวนที่7อาศัยอยู่ในบึงไม่แต่ต้องใช้เรือจึงจะเข้าไปได้โเ่เถาหันมาปรึกษากับผู้ช่วยและเอ่ยขึ้นว่าบึงนี้เต็มไปด้วยคุ้งน้ำน้อยใหญ่บรรดาคูคลองที่ล้ำเข้าไปในแผดินก็แสนจะคดเคี้ยวเต็มไปด้วยกุดแก่งและวังน้ำสุดจะอย่างถึงหากพวกเราแยกกันคน้นด้วยคนหมู่น้อยคงไม่แข็ต้องเข้าไปติดกับตามความคิดของข้าเราทิ้งหมากับยามรักษาการเอาไว้ที่หมู่บ้าน แล้วทุกคนนั่งเรือเข้าไปพร้อมกันจะดีกว่าด้วยเหตุนั้นเรือเล็กเรือน้อยกว่าร้อยลำก็ถูกยึดมาบ้างก็ทอบ้างก็พายกองเรือทั้งหลายก็มุ่งตรงไปยังค้งบ้านชาวประมงในบึงใหญ่อันเป็นที่อยู่อาศัยของหยวนที่ห้าหลังจากแล่นเรือมาได้ห้าถึงลี้ก็ได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนเป็นเพลงเสียงดังบกเบกระคายหูอยู่ในดงออทึบ แต่คำร้องที่สะท้อนกล้องมากับผืนน้ำอันเวงวางนั้นฟังชัดทุกถ้อยกระทงความหาปลาในดงอ้อมาทั้งปีทั้งชาติข้ากระป๋อบ่เคยขาดถึงจะไม่เคยลูกหากปะคุณนางขี้ชอ่อกูจะขอเชื่อไม่เว้นชีพนี้ผีเส้นแต่องพระจักร ะ, ะพับ โหเถากับเหล่าทาหารได้ยินก็ใจแป้วขม่นมองออกไปแต่ไกลแล้วก็เห็นต้นเสียงกำลังก้มหน้าก้มตาเจ้าเรือลำน้อยพันคนหนึ่งในกองเรือก็ เ, เกิดจำขึ้นมาได้นั่นไงยวนที่ห้าสรวัติเขตสามยกอาวุธขึ้นบกเป็นสัญญาณแล้วกองเรือทั้งกองก็สะพริบไปด้วยอาวุธก็ไล่รุกตามเป้าหมายเรือน้อยลำนั้นยวนที่ห้าหัวร่อร่าอย่างหยันหยันพึมพาว่า ไอ้คุณน้ำกังชินพวกนี้เวลาไล่ล่าชาวบ้านร้านตลาดช่างเก่งชะกัดเสียจริงๆพวกเองจะมาอะไรกับข้าระวังให้ดีจะได้ริอานมากระตุกหนวดเสือเฮ้ยเดี๋ยวเมิงเดี๋ยวเะเดี๋ยะพลธนูที่อยู่หลังโหหขึ้นเทียบเกาทันเข้ากับสายหนาวสอนจนสุดแขนแล้วดิดออกจากแหล่งพอเห็นดังนั้นหยวนที่ห้าก็ถึงแจวกระโดดตีลังกาลงน้า พอพวกทหารมาถึงเรือก็ไม่มีวี่แววคนบนนั้นเลยกองเรือแล่นต่อไปได้อีกสองสามคุ้งก็ได้ยินเสียงสัญญาณวีดแหลมก้องท้องน้ําดังออกมาจากหลังดงอ่อกเรือทั้งกองรีบแปรขบวนด่านหน้าออกเป็นรูปปีกาชักทันเบื้องหน้าก็เห็นเรือน้อยลําหนึ่งเคลื่อนใกล้เข้ามาบนเรือทั้งลํามีคนอยู่แค่สองคนคนที่ยืนอยู่หัวเรือสวมหมวกฟางสีดําใส่เสื้อคลุมไหล่สักด้วยใยมะพร้าวสีเขียว ในมือถือทวนรูปร่างดังทุกกัรด้ามใหญ่ร้องเพลงได้ความว่าเกิดแต่บ้านป้ายศิลาชอบนักชอบหนาเรื่องตีเรื่องฟันศีรษะโหกับผู้ช่วยกูจะ บ, บันเป็นกำนันไทยท่านองราชันแห่งแผ่นดินโหกับพวกทหารได้ยินก็เสียววูบขึ้นมาอีกหนบางคนในกองเรือก็เกิดจำขึ้นมาได้อีกว่า ยวนที่เจ็อยู่นั่นทหารทั้งหลายพเึกกําลังกันเข้าโห่เถาบัญชาการไปว่าจับมันให้ได้อย่าปล่อยให้มันหนีน้องเจ็ดก็โหวร่าแล้วว <ś> ่า <c oughs> ไอ้ขี้เหม็นเอ้ยว่าพรางก็เอาทวนชี้มาที่เรือแล้วนาวาลําน้อยก็หันกลับล่อเรือนับร้อยล่วงตามเข้าไปในคลองเบื้องหน้าทหารบนเรือกู่ร้องจนสุดปอดแล้วขยิกเข้าประชิด คนเเจบนเรือของน้องเจ็ดเอาผายช่วงน้ํางัดเรือลําน้อยลอยเฉิยวปลิวไปประดุดจะติดปีกคนในเรือลําน้อยเป่าสัญญาณเสียงเล็กแหลมพรางเหวหัวเรือเลี้ยวเข้าไปในคุ้งน้ําแคบๆสายหนึ่งขบวนเรือที่ไล่าตามไปเริ่มรู้สึกว่าคุ้งน้ําที่เข้าไปนั้นยิ่งลึกก็ยิ่งสอบลงทุกขณะยุดยุดยุดโฮเถาลนลานสั่งการทุกคนเอาเรือเทียบตะลิงว่าแล้วก็กระโจนขึ้นฟังงขมิ้นมองออกไปโดยรอบ ก็เห็นแต่เวิงน้ำป่ากกและดงอ้ออยู่ทั่วทุกขนแห่งไม่เห็นเส้นทางบกเลยแม้แต่สายเดียวโฮเทาลังเลใจนักตัดสินใจไม่ถูกว่าจะสั่งเดินหน้าหรือถอยหลังก็หันไปถามทหารที่มาจากระแวกนั้นทหารคนนั้นสารภาพว่าถึงข้าจะเคยอาศัยอยู่แถวนี้มาแต่เดิมแต่ยังมีหลายสถานที่นักที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยขอรับสารวัตรโหจึงส่งเรือเล็กสองล พร้อมทหารลำละสามคนล่วงหน้าเข้าไปลาดตะเวนในปากกเบื้องหน้าสองชั่วยามก็แล้วเรือทั้งสองก็หากลับมารายงานใดๆไม่โห่เฒานึกในใจว่าไอ้ปัญญาอ่อนพวกนี้ไม่เคยทำอะไรถูกสักทีว่าแล้วก็ส่งเรืออีกสองลำตามไปคราวนี้ให้ไปลํำละห้าคน เวลาก็ผ่านไปอีกชั่วยามหนึ่งแต่เรือทั้งสองลำไปแล้วก็ไปรับหาได้กลับมาไม่โฮเถารําพึงอีกว่าเอไอพวกหลังนี้ฉลาดเป็นกรดฉันไหนจึงได้ทําเรื่องโง่ๆพันนี้อีกวะทําไมพวกมันไม่ส่งเรือสักลำกลับมาแจ้งข้าตํารวจพวกนี้เป็นคนของข้าทั้งนั้นแต่ก็บัดซบพอๆกันเยามนั้นตะวันคล้อยลงไปเรื่อยๆโฮเถานึกในใจว่า คื้นจอมอยู่นี่เห็นทีจะสั่งอะไรไม่ออกจําข้าจะไปดูให้รู้แจ้งคิดพลางก็เลือกเรือเร็วลำหนึ่งขนพวกตำรวจเก่าที่มาด้วยลงเรือแต่ละคนติดอาวุธมากมายบวกกับสีพายมือดีอีกหกคนเรือเร็วลำนั้นแหวกคลื่นไปข้างหน้าโเถาวนั่งมาในเรือคม้นตา ก, กวาดหาไปตลอดทางตอนนั้นตะวันก็คล้อยลงไปทางทิศตะวันตกแล้ว พอล่วงตามคุ้งน้ำแคบๆเข้ามาได้สักห้าถึงหกลี้โหเทาก็เห็นบุรุษผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งแบกจอบดายหญ้าบนบา่าเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆโหเทาเรียกออกไปเฮ้ยนั่นใครอะที่นี่ที่ไหนวะรู้ไหมชายผู้นั้นตอบว่าผ่าน้อยเป็นชาวนาจากในหมู่บ้านสถานที่นี้เรียกว่าคุ้งสักหัวขอรับครองสายน้ตันทะลุไอไม่ได้โฮเทาถามอีกว่า เจ้าเห็นเรือสองลำผ่านมาทางนี้บ้าหรือไม่ชายผู้นั้นว่านายท่านพูดถึงเรือที่จะมาจับหยวนที่ห้าหรือไรโฮเถาว่าเฮ้ยยายจึงรู้ว่าพวกนั้นมาจับมันล่ะชายคนนั้นว่าก็พวกเขาอยู่ในป่าละม่อข้างหน้านี่เองขอรับกําลังรบกันอยู่โฮเถาถามว่าป่าละม่อที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนล่ะชายผู้นั้นตอบว่าอ๋อ จากที่นี่ไปไม่กี่ก้าวเองขอรับโห่เถาตะโกนสั่งให้พลแจวเร่งคัดท้ายเรือเข้าเกยตลิ่งส่งตำรวจสองนายพร้อมด้วยเหล่าเครือบดีบุกขึ้นฝั่งฉับพลันชาวนาผู้นั้นก็เนื้อจอบขึ้นเหนือหัวแล้วขวดลงไปสองทีตายตำรวจเคราะหร้ายทั้งสองก็ตกน้ําโห่ถาพยายามตะเกียตะกายขึ้นตลิ่งแต่ฉับพลันเรือก็ถูกใครคนหนึ่งใต้น้ําจับกราบเรือโคร่ไปมา และบุรุษหนึ่งก็พุ่งขึ้นจากผืนน้ำคว้าขาสัตว์วัดโหกระชากตกลงไปในน้ำสีดังตูมใหญ่ตำรวจคนอื่นๆเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นพยายามจะหนีชาวนาคนนั้นก็กระโดดลงไปในเรือเอาจอบแผ่นกะบาลคนเหล่านั้นสมองแตกกระจัดกระจายละลายไปกับผืนน้ำเสียสิ้นชายคนที่พึ่งโผล่ขึ้นจากน้ำลากขาโหเถาขึ้นฟังเอาข้าคาดเอลมัดไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือยวนที่เจ็ดคนนั้นนั่นเอง ยวนชายที่ถือจอบคือหยวนที่ห้าทั้งสองรุมตะคอกด่าสารวัตรโหกันให้ลั่นคุง้งเฮ้ยพวกกูสามพี่น้องตระกูลยวนชอบนักชอบหนาเรื่องฆ่าคนเผาหมู่บ้านเมื่อเทียบกันแล้วมึงมันแสนจะกระจายกล้าดีชั้นไหนยกทัพคิดจะมาจับพวกกูวะเนี่ยฮะเฮ้ย hey. <Hey. S 1> สารวัตรโหเถ่าอ้อนวอนว่าโอ้พ่อเจ้าพระคุณพ่อทุนหัวสงสารลูกช้างด้วยเถิด ลูกช้างเลี้ยงไม่ได้จริงๆเลยขอรับเจ้านายท่านบัญชาก็จำต้องมาตามสั่งที่จริงข้าไม่ควรไล่ตามผู้กล้าเช่นพวกท่านเลยโปรดเห็นใจแม่ไว้แปดสิบของข้าด้วยเถิดคนเลี้ยงดูก็มแจะค่าเพียงผู้เดียวเท่านั้นโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยหยวนที่เจ็ดตะโกนขึ้นว่าหูกให้แน่นแล้วจับมันยัดไว้ในเรือสองพี่น้องยวนจับศพทหารโยนลงน้าแล้วเป่าปาก ชับทันคนหาปลาสี่ห้าคนก็พาเรือเล็กแวกปากกกออกมาแล้วย้ายขึ้นมาผลัดส่วนหยวนที่ห้ากับยวนที่เจ็ดเลือกเอาเรือเล็กคนละลำแจ้วกลับไปในทะเลสาบขณะเดียวกับทหารที่อยู่บนกองเรือผู้ช่วยก็พากันบ่นอุบว่าเฮ้ยนายตำรวจยศสูงระดับท่านสารวัตรน่าจะรู้ดีว่าไม่ควรออกไปสอดแนมด้วยตนเองจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่ยอมกลับยามนั้น เวลาล่วงเข้ายามหนึ่งท้องฟ้าดารดาดด้วยหมู่ดาวคนบนเรือกำลังชื่นใจอยู่กับไอเย็นยามค่ำทันใดนั้นลมประหลาดกลุ่มหนึ่งก็พันกันโชกมาจากทางด้านหลังสายลมกล้าพัดตึงกระทั่งเชือกขึงเรือที่โยงเอาไว้กับฝั่งตีสะบัดดังลัททบๆเหล่าทหารก้มหน้าหลบยกมือป้องตาร้องออกมาด้วยอารมณ์กลัว แรกแล้วก็ได้ยินเสียงวีดสัญญาณเล็กแหลมดังมาจากทางหัวพายุพอรีตาดูสู้รมแรงก็เห็นเป็นแสงเพลิงลุกโชดช่วงขึ้นจากโดมอ่อฝั้งตรงข้ามพวกทหารพากันร้องลั่นว่าโอ้ยตายแล้วหวา่าไปรุกใหญ่แล้วกองเรือข้างฝ่ายทหารทั้งใหญ่น้อยคะแนดูไม่ต่ำกว่าร้อยลำถูกพายุกระหน่ำกระแทกกระทันชนกันเองจนคุมไม่อยู่แสงไฟตอนนี้ลามเข้าไปใกล้เกือบจะถึงกองทหารอยู่มารมารอ แต่ทว่าพอคอมเมนมองเข้าไปในกองไฟที่ลุกชดช่วงก็เห็นเป็นเรื อ, อน้อยใหญ่ลามติดกันเป็นคู่ๆกองสมด้วยเศษไม้ใบหญ้าแห้งลุกไม้ติดไฟควันขโมงเปลวไฟในเรือลามเรียกิ่งไม้ใบหญ้าแตกประทุปุปับพ่นพันขึ้นพยับฟ้ายิ่งต้องพายุเปลวไฟก็ยิ่งได้ลมโหมเชื้อลามเข้าหากองเรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้เร่งจะหนีดั้งหอยทากติดดังอยู่ในคุ้งแคบๆจะขยับทางไหนก็ไปไม่เป็น และแล้วเรือที่สุ่มเชื้อไฟของพวกนอกกฎหมายลำแรกก็ถูกชาประมงที่ดำอยู่ใต้น้ำใช้เชือกหน้าเข้าใส่กองเรือของฝ่ายรัฐบาลเรือทหารติดไฟขึ้นบรรดาทหารทั้งไพร่ทั้งนายพยายามตะเกียกตะกายหนีขึ้นฝั่งแต่แล้วก็ต้องพบว่าฝั่งดังกล่าวที่แท้ก็เป็นแค่ปากกบลงอ้อลอยเป็นแพรยู่บนผิวน้ำครั้นจะหยั่งตีนลงไปในบึงตีนก็หาดินไม่ถึงและแล้วปากกบที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งพันก็ติดไฟลุกชดช่วงขึ้นตัดทางหนีจนหมดสิน้น ตอนนั้นพายุพัดกล้าวเร็วไฟลุกโชนฉานบรรดาทหารทั้งนายทั้งบ่าวต่างพากันซุกหัวหมกตัวอยู่ในน้ําโคลนและแล้วเรือเร็ว ล, ำลํำแรกอีกลําหนึ่งก็โผล่ออกมาจากแสงไฟบุรุษหนึ่งเร่งขัดท้ายมาในเรือเต้าสืออีกผู้หนึ่งยืนอยู่หัวเรือมือถือกระบี่คมกริบนักโทษเต่าผู้นั้นพันก็ร้องขึ้นว่าอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้แม้แต่คนเดียว พวกทหารที่จุ่มตัวอยู่ในน้ำโคลนพากันแตกตื่นกอดกันกลมก็ขณะนั้นเองจากฝั่งตะวันออกของป่ากกชายสองคนนำชาวประมงสี่ถึงห้าคนโผล่ออกมาในมือล้วนถือดาบและทวนส่วนป่ากกฝั่งตะวันตกชายอีกสองคนก็นำหน้าชาวประมงสีถึงห้าคนปรากฏขึ้นมาอีกในมือพวกเขาถือเชืกแทงปลาปลายแหลมเปียบผู้กล้าทั้งสี่และพลพักที่ตามมา ก็กระหนาบรัดเข้ามาจากสองด้านรูเข้าเข็นฆ่าทหารที่ถึงคราวเคราะเพียงไม่นานนักเหล่าทหารทั้งนายบ่าวนับร้อยก็นอนตายทิ้งซากจมเปลื่อนอยู่ในปลักน้ําที่เฉิดแฉะผู้ที่ปรากฏกายขึ้นที่ฝั่งทางตะวันออกคือเจ้าไก่กับหยวนที่สองส่วนฝั่งตะวันตกนั้นคือหยวนที่ห้าและที่7เต้าสือบนเรือผู้เรียกพายุคือกงซุนเชงผู้กล้าทั้งห้า กับชาวประมงสิกว่าคนก็ออกพากันสังหารทหารทั้งบ่าวทั้งนายที่ติดอยู่ในป่า ก, กกจนหมดสิน้นจะเหลือรอดอยู่ก็แค่สารวัตรโหเถาเพียงผู้เดียวซึ่งก็ถูกผูกเป็นเข้าต้มมัดยัดอยู่ในประทุนเรือยวนที่สองลากสารวัตรโหขึ้นฝั่งแล้วแต่ทอกใส่หน้ายัางเกลี้ยกลาดว่ามึงไอ้คนใจชั่วไอจ้จอมกดขี่ฤนาทารินประชาชีแห่งที่โจตะกี้กูคิดจะสับมึงให้ละเอียด แต่มาตอนนี้กูเกิดเปลี่ยนใจจะให้มึงกลับไปรายงานไอ้เทศากับไอ้บ้าข้าหลวงไอ้คนคดนั้นว่าเฮ้ย hey, พวกเราสามวิรชนคนกล้าแห่งบ้านป้ายศิลาพี่น้องตระกูลหยวนกับเจ้าไก่ผู้ปกครองฝั่งตะวันออกนี่แหละเว้ยไม่ใช่ขี่ไก่จะไม่ให้รันเล่นพวกกูไม่ไปเรียกเอาข้าวปลาอาหารจากเมืองมึงก็บุญสักเท่าไหร่แล้วพวกมึงก็ไม่ควรแสมหาที่ตายถึงในหมู่บ้านกู ว่าพวกมันยังไม่ตาติดกะหลกอยู่แล้วไซยอย่าว่าแต่น้าหน้าข้าหลวงอย่างมันต่อให้เป็นไอส้สมหะนายกใช่ยส่งกองทัพมาจับหรือกระทั่งให้ไอ้เปรตนั้นมันมาด้วยตัวมันเองกูก็จะแทงสีให้30 40สรูเอาให้ทะลุแดดส่องรอดรูแดงแจวแหวกไปเลยที่พวกกูจะปล่อยให้มึงไปเป็นๆแล้วอย่าได้กลับมาอีกแล้วบอกไอ้เจ้านายของมึงด้วยว่าหากยังรักตัวกลัวตายแล้วไซก็ให้หลีกหนีไปไกลๆ อันสถานที่แถบนี้ไม่มีทางหลวงน้องกูจะพามึงไปส่งที่ถนนเองยวนที่เจ็ดก็พาสรวัตรโหใส่เรือไปส่งยังทางเดินแล้วพูดกับโหเถาว่าเดินไปเรื่อยๆตามถนนเส้นนี้ก็จะถึงถนนใหญ่ทหารที่มากับมึงนั้นถูกฆ่าตายไปหมดแล้วหากกูปล่อยมึงไปโดยไม่แตะอะไรเลยไอ้ข้าหลวงคนสามนั้นก็คงจะทาเสียงหผเราะยาะอย่ากระนั้นเลย กูขอให้มึงทิ้งใบหูทั้งสองข้างเอาไว้เพื่อไอ้ข้าหลวงจะได้ไม่มายะใส่หน้าเราเอาทีหลังว่าแล้วก็สะบัดมีดหั่นใบหูสองข้างของโห่ออกเลือดสดๆไหลโกรกออกมาจากบาดแผลสวนที่เจ็ดเช็ดใบมีดแก้ผ้ารัดเอวที่ใช้มัดเฉเลยแล้วเหวี่ยงตัวสารวัตรโห่ขึ้นตะลิงสารวัตรโหนั้นยินดียิ่งนักที่รอดตายมาได้ ก็รีบมุงมงงาระาคำทางจนถึงถนนใหญ่ท hm. ี่ต evet ัดตรงไปยังเมืองจี้โจเจ้าไก่กงซุนเชงสามพี่น้องตระกูลหยวนกับชาประมงอีกสิบกว่าคนพร้อมเรือหาปลาหกเจ็ดลำก็จากบ้านป้ายศิลาบ่ายหน้าตรงไปยังปากทางลิเจีย สมทบเข้ากับเรือวูหยงและลิงถังอาจารย์วู่ใครรู้รายละเอียดว่าพวกเขาจัดการกับทหารอย่างไรเจ้าไก่ก็เล่าให้ฟังโดยไม่คิดปิดบังใดๆวูหยงได้ฟังก็ยินดีนักหลังจากนั้นคนทั้งหมดก็จัดแจงแต่งเรือแล้วตรงไปยังโรงเตี้ยมของตะเคเบกจู่กุยพอไปถึงก็แจ้งให้จูกุยทราบวัตถุประสงค์ที่จะขอสวามิภักดิ์เขาเป็นพวกกับชุมโจนแห่งเขาเหลียงซานจู่กุยต้อนรับขับสู้อย่างกุลีกุจอ บูหยงก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าของโรงเตี้ยมยินดีนักตรงเข้าไปคารวะคณะเป็นรายตัวแล้วเชื้อเชิญผู้หัวหน้าและทุกๆคนเข้าไปนั่งในโรงเตี้ยมสั่งบริกรยกเล่ามอบริการจาระเข้บกยกคันธนูด้านหนึ่งเทียบเกาทันสัญญาเข้ากับแหลงแล้วดีดไปหาเวิ้งกบที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ไม่ช้าเรือเล็กกับโจนผู้หนึ่งก็ลอยลำออกมาจู ก, กุยรีบเขียนหนังสือแนะนำระบุจำนวนคนและรายชื่อของผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมส่งมอบให้แก่สมุนโจนผู้นั้นแล้วกำชับกำช้าให้ถือขึ้นเขาไปโดยไวไม่ให้ชักช้าหลังจากนั้นก็สั่งให้ล้มแกะแต่งโตรับรองแขกเรือรุ่งขึ้นจู ก, กุยสั่งให้เตรียมเรือลำใหญ่เชือ้อเชิญบรรดาผู้กล้าทั้งหลายลงเรือ แล้วบรรดาเรือที่มากับผู้ใหญ่เจ้าลามืออื่นก็แล่นตามตรงไปยังป้อมค่ายชายน้ำแห่งนั้นหลังจากแล่นเรือมาได้ไกลโข ổ, ทั้งหมดก็มาถึงอ่าวแห่งหนึ่งเสียงคล้องกรองที่ประโคมฟังดูอึ้งเอกิกะเริกอยู่บนชายฝั่งในคงน้ำก็แว่วเข้ามาจนถึงในเรือเรือระวังเหตุประจำด่านสี่ลำแล่นออกมารับมือในเรือแต่ละลำมีโจรประจาอยู่ราวเจถึงคน พวกเขาพอเห็นเป็นจู้กุ้ยก็รีบโค้งคาราวะแล้วรีบแดันลับกลับไปหลบอย่างที่ซ่อนในคุ้งคณะคันธุ ก, กะพากันขึ้นฝั่งที่หาดทรายทองปล่อยให้ครอบครัวและชาวประมงที่ตามมารอท่าอยู่ในเรือสมุนโจรหลายสิบคนลงมาจากเขาแล้วพาแขกกลับขึ้นไปบนค่ายวางหลุนกับหัวหน้าโจรคนอื่นๆ อ, ออกมารอต้อนรับเจ้าไก่กับคณะก็พากันเข้าไปคาราวะอย่างนอบน้อม นายโจนใหญ่รีบรับไหว้แล้วว่าข้าน้อยมีนามว่าวางหลุนชื่อเสียงเจ้าไก่จักรพรรดิสวรรค์โจดจันกนปานฟ้าผ่าจนสองรูหูข้าชาไปสินแล้วยินดีนักที่ได้ต้อนรับสู่ป้อมค่ายอันต่ำใต้แห่งนี้เจ้าไก่พูดขึ้นว่าข้าน้อยพูดต่ำต้อยเองก็หยาบคายนักหนังสือนังหาศักฉบับจะแนะนาตัวก็ไม่มี ขอภวรณาตัวเป็นเบาวเดินตามม้าให้ท่านบัญชาใช้สอยได้เต็มที่วานจะได้ไล่หนีไปที่อื่นเลยนะขอรับวางหลุนว่าท่านไม่ควรจะกล่าวถึงเพียงนี้โปรดได้เข้ามาที่ป้อมค่ายน้อยๆของเราก่อนเพื่อจะได้หารืษ์กันให้ทันทีแล้วคนทั้งหมดก็ขึ้นเขาตรงไปยังหอชุมนุมทํามายุทธภพวางหลุนยืนกรานให้แขกขึ้นไปนั่งบนยกพื้นเจ้าไก่กับพวกทั้งห ก็ขึ้นไปยืนเรียงลาดับกันอยู่บนยกพื้นฝั่งขวาส่วนวังหลุนกับนายจนคนอื่นๆทากันไปยืนบนยกพื้นฝั่งซ้ายหลังจากคํานับกันตามประเพณีแล้วทั้งสองฝ่ายก็นั่งกันตามธรรมเนียมแขกกับเจ้าภาพวังหลุนบัญชาให้ในายทหารชั้นประทวนผู้ประกอบพิธีตีนยกพื้นประกาศต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติพอสิ้นเสียงทงหารมหโหรีก็ดีดสีตีเป่าประโคมขึ้นพร้อมกันนายจรใหญ่ สั่งให้ลูกน้องลงไปดูแลพลพรรคแขกที่ตามมาในขบวนเรือให้พาขึ้นฝั่งเข้าไปพำนักยังเรือนรับรองนอกประตูใหญ่ที่ตีนผูบนตัวค่ายมีการล้มบวชสองตัวแกะสิบตัวหมูห้าตัวทุกคนดื่มกินกันไปท่ามกลางเสียงขับกร่อมของโมโหรีปีพาษระหว่างที่ดื่มกินเจ้าไก่ก็เล่าเรื่องทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นให้เจ้าภาพฟังวางหลุนฟังไปก็คิดไปในใจให้อึดอัดนักเอออวยไปด้วยอย่างแกน แต่ไม่ยอมรับปากใดๆที่จะให้เป็นเรื่องผูกมัดทุกคนดื่มกินกันไปจนค่าแล้วพวกนายโจรก็พาแขกลงเขาเข้าไปพักอย่างเรือนรับรองนอกประตูค่ายให้บ่าวไพร่าตามมาด้วยช่วยกันรับรองต่อเจ้าไก่ให้ปราบปลื้มนักพูดกับอีกหกคนว่า <S <S เราละเมิดอาชญาหนักหนาถึงขั้นนี้จะมีที่ไหนให้หลบซ่อนได้ ถ้าไม่เป็นเพราะความเมตตาของหัวหน้าวาังลุนเราจะหันหน้าไปพึ่งบุญใครได้อีกฉะนั้นเราจึงพึ่งลำลึกถึงบุญคุณครั้งนี้ให้จงหนักวูยงได้ฟังก็แค่นหัวรอเจ้าไก่ย้อนว่าเอา้าเหตุฉันไหนยายจึงไปแครงใจเขาท่านครูของข้ารู้อะไรดีๆก็จงบอกพวกเรามาเถิดวูยงว่าท่านพี ท่านนี้เชี่ยวช้านแต่ในเรื่องหารกล้าเสียแต่ว่าซื่อไปจนเกินการพี่อย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าวางหลุนเขาจะยอมให้เรารบภัยอยู่ในนี้พี่เห็นแค่ยามเขาทําทีโอภาปราสายแต่ภายนอกไม่เข้าไปนั่งในใจแล้วเขาคิดเช่นไรพี่ก็ไม่รู้เจ้าไก่ถามว่าแล้วท่านครูเห็นเช่นไรเล่าวูหยงว่าตอนเราเริ่มกินโตะ๊ะ ตัวเขาก็ยังญาติดีอริอารอบกับพวกเราอยู่ดอกแต่พอพี่เล่าให้เขาฟังว่าพวกเราข่าบรรดาทหารทั้งนายทั้งเบาวแล้วปล่อยให้โหเถ่าไปรวมไปถึงวีรกรรมของพี่น้องตระกุลหยวนล้วนเก่งกล้าสามารถอย่างนี้แล้วสีหน้าท่าทีของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแม้จะยังเออ่วยไปด้วยมารยาทแต่ปากนั้นก็หาตรงกับใจไม่หากเขาประสงค์จะรัดพวกเราไว้จริงๆแล้วไซป่านช น, นี้ก็คงจัดที่นั่งให้เราไปนานแล้ว ตู้เฉียนกับทรงวานนั้นอากับกริยาดังเช่นพวกบ้านนอกคอกนาไม่รู้ธทมเนียมปฏิบัติต่อแขกลิ้นชงเป็นครูทหาร 80,000 ืนในกองทหารรักษาพระองค์แห่งเมืองหลวงได้รับการอบรมบม่มสอนขัดเกลามาดีมีมารยาทนักแต่ตอนนี้ถูกกักจนทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งตัวตำแหน่งที่เขามอบให้ก็ชั่วเป็นได้แค่ที่ีข้าพิจดูแลเห็นว่าเขามีท่าทีที่ไม่พอใจ ยหวังหลุนสนทนากับพี่เขาจ้องวังหลุนไม่วางตาเห็นได้ชัดว่าตัวเขาคงมีอะไรอยู่ในใจเป็นแม่นมันข้าคิดว่าเขาน่าจะช่วยเราแต่ตัวเขาเองตอนนี้ก็ตกที่นั่งลำบากพรุ่งนี้ข้าคิดว่าจะลองเสนออะไรออกไปสักอย่างแล้วดูทีรู้ว่าพวกนั้นจะขัดใจกันไหมเจ้าไก่ ย, ยอมรับแล้วว่าท่านอาจารย์ ข้าต้องพึ่งความฉลาดหลักแหลมของท่านจนหมดสิน้นในคืนนั้นคนทั้งเจ็ดก็อำลากันไปพักผ่อนรุ่งเช้ามืดมีคนมาร้องว่าครูทหารหลินมาวูหยงบอกเจ้าไก่ว่าเขามาหาเราเองตรงตามที่ข้าขาดไว้พอดีคนทั้งเจ็ดรีบรุดออกไปต้อนรับ แล้วเชิญลิ้นชงกลับเข้ามานั่งในห้องรับแขกวูหยงเอ่ยขึ้นว่าเมื่อคืนก่อนพวกเรารบกวนความเมตตาของท่านนักแล้วต้องขออภัยด้วยลิ้นชงเอ่ยขึ้นว่าเป็นตัวข้าเองต้องหอที่สมควรเป็นฝ่ายที่ต้องมาขออภยัยแม้ตอนนั้นจะกระหายใครแสดงสัมมาคารวะต่อพวกท่านใหเหมาะสมกว่าสักแค่ไหนแต่ก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะทาได้ขอโปรดจงอภัยให้ข้าด้วยเถิด เจ้าไก่พูดขึ้นว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่สันทัดจัดเจนใดๆแต่พวกเราก็ไม่ใช่หัวหลักหัวตอดอกนะท่านคูนทหารที่ท่านได้แสดงออกมาแล้วนั้นพวกเราทราบซึ้งในน้าใจไมตรีนักจักขอจดจำไปจนวันตายเจ้าไก่ขอให้ลินชงนั่งในตาแหน่งที่สูงสุดแต่ลิ้นชงไม่ยอมกลับดันให้เจ้าไก่นั่งส่วนตัวก็นั่งฝั่งตรงข้ามบูยงกับอีกข่าคนที่เหลือก็นั่งเรียงกันเป็นแถว เจ้าไก่เอ่ยขึ้นว่าพวกเราได้ยินชื่อกิติศักดิ์ของท่านครูทหารมานานนักหนาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มีโอกาสมาเจอกันที่นี่ลิ้นชงเอ่ยขึ้นว่าตอนที่อยู่เมืองหลวงตะวันออกข้าไม่เคยพลาดที่จะแสดงมารยาท ต, ต่อเพื่อนมิตรมาตอนนี้ก็ยังดีที่มีโอกาสได้คบหารู้จักมักคุ้นกับเราพวกกล้าเช่นพวกท่านแต่ถ้าว่าก็ให้ขัดสนนักไม่อาจแสดงออกได้ตามใจปรารถนา ดังนั้นข้าจึงได้ตรงมาที่นี่เพื่อขอขามาเจ้าไก่ว่าเราขอขอบพระคุณท่านด้วยความจริงใจข้าเองก็เคยได้ยินกิติศัพท์ที่เล่าลือถึงวิราภาพของท่านที่เมืองหลวงตะวันออกนั้นก็เนิ่นช้าแล้วบูหยงเอ่ยขึ้นบ้างว่าเรื่องที่ท่านเป็นความกับเกากิวและเหตุที่มันคิดร้ายทําลายท่านโรงฟังทหารที่กังโจถูกเผาก็เพราะมันไม่ใช่ดอกหรือ และผู้ใดใครกันเล่าที่แนะนาท่านให้มาอยู่ที่ป้อมค่ายแห่งนี้ลิ้นชงว่าหากจะให้สาธยายถึงความชั่วของไอ้บัดซบเกากิวแล้วหรอกก็ขนของท่านคงลุกไปทั้งตัวแต่ข้าก็ยังคงชาระแคนไม่ได้อยู่ดีส่วนมาที่นี่ท่านชายใช้เป็นคนแนะนำ ม, มาขอรับบูยงว่าจะใช่ท่านชายใช้จิน้นที่ทั้งยุทธภพขนานนามว่าสลาตันน้อยดอกหรือไม่ใช่ ลิ้นชงตอบว่าเป็นท่านผู้นั้นนั่นเองขอรับเจ้าไก่เอ่ยขึ้นว่าข้าเคยได้ยินเขาเล่าลือเรื่องคุณธรรมน้ำมิตรของท่านชายและการที่ท่านเปิดบ้านช่องช่วยเหลือผู้กล้าไปทั้งยุทธภพว่ากันว่าท่านสืบเชื้อสายตกทอดมาจากราชวงศ์โจจะเป็นที่ให้อัศจรรย์ใจเพียงใดหนาหากว่าข้าจะได้พบหน้าท่านชายสักครั้งกุยหยงกล่าวว่าท่านชายใชย้ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งยุทธภพ นี่ต้องเป็นเพราะความล้ำเลิศในเพลงอาวุธของท่านครูทหารเป็นแน่ท่านชายจึงได้แนะนําให้ท่านมาที่นี่ตัวข้านี้ใช่ตั้งใจจะกล่าวเกินเลยหรือก็หาไม่ที่ถูกแล้วไซวางหลุนควรจะสละตําแหน่งหัวนหน้าใหญ่ให้ท่านจึงจะเหมาะที่พูดมานี้ก็เพราะอาศัยสามัญสํานึกและยึดตามหนังสือแนะนําของท่านชายใช้เป็นหลักลิ้นชงว่าท่านอาจารย์ตอราคาข่าสูงนะัก อันตัวข้าต้องโทษอาญาจนต้องหนีมาพึ่งพาท่านชายใช้ท่านชายเองก็สมัครที่จะคุ้มครองข้าไว้กับตัวชั่วแต่ข้าเห็นว่าท่านชายจะพัวพันพลอยมัวหมองไปด้วยจึงขอมาอยู่เสียที่นี่ด้วยใจสมัครไม่คิดว่าทางออกตามตรอกนี้จะต้องมาตันข้าไม่ใส่ใจหรอกว่าเขาจะให้ตำแหน่งตำแต่เท่าว่าวางหลุนนั้นเป็นคนเอาใจยากยิ่งนักเขาไม่มั่นใจในตัวเองและข้างจะโลเลกลับกรอก ผู้หงเอ่ยขึ้นว่าดูท่าทางก็เป็นมิตรดีนี่อะไรไปทำให้เขาใจแคบเช่นนั้นลินชงพูดขึ้นว่าการที่ได้วีระชนอย่างพวกท่านมาร่วมต้องถือว่าเป็นคุณเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันเสมือนยกดอกไม้มาใส่ไว้ในลายไหมประหนึ่งตาไม้ได้น้ำฝนแต่ถ้าว่าวางหลุนเป็นคนใจริษยาคนที่มีฝีมือด้วยกลัวว่าเขาจะขึ้นเนือกว่าตัวเมื่อคืนก่อน ตอนที่ท่านเล่าเรื่องที่พวกท่านสังหารทหารทั้งนายทั้งบ่าวเขาก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาในทันใดลังเลใจที่จะให้พวกท่านอยู่ที่นี่จึงได้ไล่ใ ห, ลให้ลงมาอาศัยอยู่ในเรือนรับรองนอกค่ายแห่งนี้มูยงได้ฟังเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่าในเมื่อเขารู้สึกตะขิดตะขวงใจเช่นนี้ก็ป่วยการที่จะรอให้เขาออกปากไล่สู้เราเป็นฝ่ายจากไปหาที่อยู่ใหม่เองจะดีกว่าลิ้นชงเอ่ยขึ้นว่าโปรดจะได้น้อยเนื้อต่ำใจไปเลยขอรับ ข้าพอมีวิธีใต้ด้วยเกรงว่าพวกท่านผู้กล้าจะหนีไปเสียก่อนข้าจึงรีบลงมาดักหารือเสียแต่เช้าทําไมไม่รอดูท่าทีวังหลุนต่ออีกสักวันถ้าวันนี้ไอ้หมอนั่นพูดจาดีมีเหตุผลไม่เหมือนในวันก่อนก็คงจะปรึกษาหารือกันได้แต่ถ้าหากขืนอ้าปากเ อ, อ่ยวาจาไม่เหมาะสมแม้แต่ครึ่งประโยคก็โปรดจงมอบภาระทั้งหมดนี้ไว้เป็นธุระของข้าก่อแล้วกัน เจ้าไก่พูดขึ้นว่าแม่น้ำใจไมตรีเช่นนี้ใช่จะควรข่าของพวกเราหรือก็หาไม่วูหยงว่าท่านครูทหารยายต้องเป็นเดือดเป็นแขนแทนพี่น้องใหม่แล้วไปทะเลาะเบาแหว่งกับพี่น้องเก่าด้วยเล่าหากเขาจะรับไว้เราก็อยู่ถ้าไม่เราก็จะไปลิ้นชงร้องขึ้นว่าไม่เช่นนั้นดอกท่านอาจารย์ดังโบราณว่า ราดย่อมหูวชาปราดคนอ์อาจก็ย่อมเชิดชูซึ่งกันและกันไอ้คนชั่วช้าสามานพ น, นั้นมันเคยทำดีมีบุญคุณต่อผู้ใดบ้างเล่าท่านผู้กลา้าโปรดจงไว้ใจข้าเถิดว่าแล้วหลินชงก็ลุกขึ้นลากลับแล้วสำทับว่าไม่นานคงได้พบกันอีกแคกเรือพากันออกมาส่งถึงหน้าประตูส่วนครูทหารเจ้าบ้านก็ดุมเดินกลับขึ้นเขาไป ไม่นานนักสมุนโจรผู้หนึ่งก็ลงจากเขามาหาแล้วบอกว่าท่านผู้กล้าทั้งหลายวันนี้นายของเราขอเรียนเชิญพวกท่านไปดื่มกินที่สลาชัยน้ำตรงเชิงเขาทางด้านทิศใต้ขอรับเจ้าไก่บอกว่าวอนท่านช่วยเรียนเหล่าหัวหน้าด้วยว่าพวกข้าจะรีบไปเมื่อเห็นพลเดินสารจากไปแล้วเจ้าไก่ก็หันมาพูดกับบูญอยงว่า เราจะทําฉันไหนดีท่านอาจารย์อาจารย์บู่ยิ้มแล้วว่าเอาหน้าอย่าได้กังวลไปเลยท่านพี่อีกไม่งานป้อมค่ายแห่งนี้จะได้ไนายใหม่ลิ้นชงคงจะสะสางกับควางหลุนให้สิ้นความหากพวกเขาเกิดลังเลลิ้นข้ า, าจะหันเหพวกเขาให้ว่ากันจนหมดเปลือกจงซ่อนอาวุธไว้กับตัวทุกท่านหากข้าให้สัญญาณยกมือลูกเขาก็จงตะลุยกันเข้าไปช่วย เจ้าไก่กับพวกพากันเงียบงนันแต่ในใจนั้นกลับเห็นงามตามไปสิ้นพอตกสายพลเดินสารก็ม่ย้ำคำเชิญอีกถึงสี่ครั้งในที่สุดคนทั้งเจ็ดก็ออกเดินทางไปแต่งกายรัดกุมคลุมอาวุธไว้มิดชิดทรงวานขี่ม้าล่วงหน้าคณะมาแล้วออกคำสั่งสมุนโจรให้แบกเกี่ยวแขกทั้งเจ็ดหลังเคลื่อนไปยังสารารีมน้าที่ตั้งอยู่ตีนเขาทางทิศใต้แขกทั้งเจ็ดลงเกี้ยว วางหลุนตู้เฉียนลิ้นชงและจู่ ก, กุ้ยก็ออกมายืนต้อนรับขับสู้แล้วเชิญเข้าไปในศาลาทั้งแขกทั้งเจ้าภาพก็นั่งแถวตามประเพณีปฏิบัติทั้งซ้ายและขวาสมุนโจรคอยระวังเหล้าไม่ให้พร่องจอกเมื่อเสร็จอาหารไปสองชุดดื่มเหล้าตามไปอีกหลายรอบเจ้าไก่ก็ขอเข้าพวกกับวางหลุนอีกแต่นายโจรก็เฝ้าแต่เฉยฉไปนอกเรื่อง วูหยงชำเลืองมองหลินชงก็เห็นครูทหารขม่นมองหวังหลุนไม่กระพริบตาทั้งหมดดื่มกินกันไปจนกระทั่งบ่ายในที่สุดวังหลุนก็เอ่ยขึ้นว่าเอา้าไปยกของเข้ามาสมุนจรสามคนก็ออกไปไม่นานนักก็กลับเข้ามาคนหนึ่งถือถาดในนั้นใส่แท่งเงินแท่งใหญ่เอาไว้ห้าแท่งวังหลุนผุดลุกขึ้นจอกเล่าในมือแล้วกล่าวกับเจ้าไก่โดยตรงว่า พวกเราที่นี่รู้สึกเป็นเกียรติที่วิรชนเยี่ยงท่านจะมาขออยู่ด้วยกันในวันนี้แต่โชคร้ายนักป้อมค่ายของเรานี้เป็นแต่หนองแต่บึงไม่คู่ควรชื่อเสียงเกียรติยศของพวกท่านเราจึงขอมอบของกำนันเล็กๆน้อยๆนี้ให้โปรอดอย่าได้ตัดไมตรีดูมินทิมแคลนเลย <c oughs> เมื่อพวกท่านไปได้ป้อมค่ายใหม่ที่ใหญ่กว่านี้แล้วข้าจะส่งคนตามไปรับใช้เ <c oughs> จ้าไก่ตัดพ้อว่าเออ เป็นที่รู้จักกันมานานหนักหนาแล้วว่าป้องค่ายชายน้ำที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ยินดีต้อนรับผู้เก่งกล้าสามารถเราจึงใช้ทางพึ่งดิ่งมาถึงนี่หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับเราไว้พวกเราก็จะไปอยู่ที่อื่นเงินแท่งที่ท่านมอบให้ด้วยกรุณานี้เราไม่ขอรับไว้ใช่เพราะอยากจะอดร่ำอดรวยแต่ก็ด้วยเงินเดินทางเรายังพอมีโปรดจงรับของกำนันเลอฆ่าเหล่านี้คืนไปเสดิด วางหลุนว่าแม่ใหญ่จึงปฏิเสธด้วยเราอันใจจริงนั้นเราใครจะได้พวกท่านมาร่วมยิ่งนักขัดสนอยู่ก็ด้วยความที่ที่พมณนักรับแคบสเสบียงอาหารก็อัตคัดขัดสนอยู่สถานที่แบบนี้รังแต่จะเป็นที่รึงรัดขัดขวางไม่คู่ควรแก่ศักดิ์ศรีวีรชนเยี่ยงพวกท่านดังนั้นพวกเราจึงไม่กล้าขอให้ท่านอยู่ก่อนคาพูดของว่างหลุน จะทันสิ้นกระแสความสีหน้าลิ้นชงก็เปลี่ยนไปเป็นเคียดขมึงทันก็ตะวาดออกไปว่าแล้วไรตอนแรกเข้ามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเจ้าก็พูดทำนองเดียวกันนี้แหละห้างไม่มีที่ไม่มีทางบ้างละข้าวปลาอาหารอัตคัดขัดสนบ้างละไม้จะผลักใสข้าให้หนีไปอยู่ที่อื่นพอมาถึงตอนนี้ก็ยกเอาเรื่องบัตรสีนี้ขึ้นมาขับไ้ไสทรงท่านเจ้าก่กับพวกอีก บางนี่มันต้องการอะไรกันแน่วะเนี่ยฮะวูหยงร้องขอว่าโปรดสงบอกสงบใจไว้ท่านหัวนหน้าพวกเราไม่ควรมาเลยมาก็รังแต่จะควรตะกร น, นอนก้นให้ฟุง้งเสียอารมณ์กันไปเปล่าๆปล่าปี๊ปีท่านหัวนหน้าวางลุน้นไม่ได้จงใจขับไล่สาย ส, ส่งพวกเราดอกท่านยังออกเงินทองเป็นค่าเดินทางให้เสร็จสับโปรดระงับความโกรธขึงทะมึงร้ายลงเสียท่านทั้งหลายเราจะไปเอง ขอให้จบกันเพียงแค่นี้เถิดลิ้นชงตวาดว่าอุไอ้วางหลุนผู้นี้ซ่อนมีดร้ายไว้ในรอยยิ้มคนคนนี้ดีแต่ปากหากแต่ประพฤติตัวชั่วช้าสามานนะักครั้งนี้ข้าจะปล่อยให้มันลอยลวนวลไปอีกไม่ได้ไป น, นันขาดวางหลุนคันตวาดขึ้นบ้างว่า โอ้โหสารเลวไอ้ชิขายมึงนะั้นมันยังไม่ทันเมาสักหน่อยฉันไหนจึงได้กล้าหาันบั่ากู้าสต์เสียเทศเสียฉันหนีวะเนี่ยฮะไม่รู้จักเคารพเบื้องบนเสียบ้างเลยหรือไรฮะลิ้นชงเย้ยขึ้นมาว่าเฮ้บัตรซบไอ้ตัวมึงนั้นมันก็แค่บัณฑิตตกอับแถมสอบเข้ารับราชการก็ยังไม่ได้มึงมันแค่รู้หนังสือหนังหาบ้างนิดๆหน่อยๆใช้สิทธ์อะไร ฮะจึงขึ้นมาเป็นหัวหน้าในป้อมข่ายนี้ปูหยงหันไปบอกเจ้าไก่ว่าตอนมาของพวกเราทําให้พวกเขาทะเลาะกันใหญ่แล้วเราต้องรีบหาเรือออกจากที่นี่ไปในวันนี้ทั้งเจ็ดพากันลุกดูประหนึ่งจะลงจากสาราไปวังหลุนรีบออกมาห้ามไว้ว่าช้าก่อนพวกท่านอย่างน้อยก็อยู่ให้เสร็จงานเลี้ยงซะก่อนฉักท่ันหลินชงก็ลุกขึ้นถีบโต๊ะกระเด็นไป ลแล้วมือข้างหนึ่งก็ล้วงเข้าไปในเสื้อคลุมดึงดาบคมวาวเล่มหนึ่งออกมาเห็นดังนั้นวูหยงก็ยกมือขึ้นลูกเขาเจ้าไก่กับหลิวถังก็ปราดเข้าใส่ทำดังว่าจะเข้าไปห้ามวางหลุนแล้วร้องขึ้นว่าเอาเอาเอาอย่ า, าทะเลาะกันวูหยงสร้างทำทีเป็นเข้าไปห้าม ห, ามหลิ้มชงร้องว่าอ๋อ อย่าหุนหันพลันแล่นไปเลยลิ้นชงกง้องซุนเชิงก็ร้องห้ามปรามทั้งสองฝ่ายว่าจะได้สะบั้นไมตรีเพราะเรานี้เป็นเหตุยวนที่สองยื่นแขนออกไปกอดตู้เฉียนหยืนที่ห้าก็เข้ารั้งทรงวานส่วนหยวนที่เจ็ดก็เข้าประชิดตัวจู้กุยบรรดาโจร น, น้อยใหญ่ต่างตกตะลึงพึงเพิดทำอะไรไม่ถูกลิ้นชงหันมาล้าเลิกเอากับวางหลุนอย่างไม่เลี้ยงมึง มันก็แค่ไอ้มันดิดตกยากจากบ้านนอกฮกไม่เป็นเพราะตู้เฉียนเ้าไซฉันไหนจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่อยู่ที่นี่ท่านชายใช้เกื้อหนุนจุนเจือมึงให้เงินมึงเดินทางเรียกหามึงว่าเพื่อนมิดแต่พอท่านมีหนังสือแนะนำกูมามึงถึงกับทําทุกทางพักสายไล่ส่งกูให้ไปเสียพุนผลจากเขาตอนนี้พอวิริชนคนกล้าเหล่านี้มาถึงมึงก็ไล่พวกเขาไปอีกเฮ้ยเขาเลี้ยงสา ร, ร เป็นสมบัติส่วนตัวของเมืองหรือไรตั้งแต่เมื่อไรฮะไอ้จังไรอิจฉาริษยาแต่คนดีมีฝีมือขืนปล่อยให้มึงอยู่ไปจะมีประโยชน์อันใดหรือก็หาไม่ความสามารถติดตัวใดๆก็ไม่มีมึงเป็นใครฮะจึงคิดจะมาเป็นใหญ่อยู่ที่ค่ายนี้ฮะฮะตู้เฉียนทรงวานและจู้กุยพยายามขยับเข้าไปช่วยวางหลุนแต่ก็ไม่อาจสลัดสามพี่น้องตระกูลหยวนมาได้ นา้โจรหมุนตัวจะหนีแต่ถูกเจ้าไก่กับลิวถางขวางทางไว้วางลุนสำเนีกถึงอันตรายจึงร้องขึ้นว่าเพื่อนแพ้ใครอยู่ไหนฮะบรรดาสมุนที่รับใช้ใกล้ชิดหลายคนอยากจะออกไปช่วยแต่ด้วยอากับกริยาอันแสนจะดุ ด, ดันของลินชงนั้นให้หน้าวาดวันยิ่งนะักลินชงผุดสวาสใสในายโจรผู้เป็นใหญ่แล้วก็เสื้อดาบออกไปทีหนึ่ง คมดาบทะลุวางอกอวางหลุนล้มพับลงกับพื้นเจ้าไก่กับพวกก็ช่วยมีดที่ซ่อนมากับตัวขึ้นชูลิ้นชงก้มลงตัดหัววางหลุนแล้วชูขึ้นสุดแขนตู่เฉียนทรงวานจู่กุยควันหนีทีฟอพากันระย่อลงบนเขา่าแล้วเอ่ยขึ้นว่าโปรดไว้ชีวิตขอให้เราได้เป็นตะพุ่นยากถือแทะประคองกลนมา ให้ท่านขี่ด้วยเถิดทั้งหมดร้องขึ้นเจ้าไก่รีบร่รนรานเข้าไปฉุดคนทั้งสามให้ลุกขึ้นปู่หยงก็ก้มลงไปดึงเก้าอีน้นายใหญ่ที่เต็มไปด้วยเลือดขึ้นมาจากพื้นแล้วผลักลิ้นชงลงไปนั่งก่อนจะตะโกนขึ้นว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยก็จงตามวังหลุนไปนับแต่นี้เป็นต้นไปท่านครูทหารลินชงจะเป็นนายใหญ่แห่งเขาเดยนซานลิ้นชงร้องลั่นว่า ไม่ได้ไม่ได้ท่านอาจารย์ที่ข้าต้องกําจัดไอ้บัตรซกนี้ก็ด้วยต้องการเหล่าวิรชนคนกล้าเยี่ยงพวกท่านหาใช่จะสแสวงหาตําแหน่งให้ตนเองหากวันนี้ข้ายอมรับตําแหน่งนี้ของผู้กล้าทั้งยุทธภ พ, พคงพากันเย้ยหยันหากเป็นเช่นนั้นข้าก็ขอตายไปเสียจะดีกว่าแต่ข้ามีข้อเสนออย่างหนึง่งแกร่งแต่ว่าจะมีใครฟังข้าหรือไม่คนอื่นๆก็พูดขึ้นว่า จงว่ามาใครคิดจะไปขวางพวกเราจะพร้อมใจฟังคำพูดของหลินชงนั้นสั้นนักแต่ผลก็คือใต้ร่มชายคาพาราดอนภาพหลายหัวเข้าร่วมรวมเป็นหนึ่งใจหลานหน้าหอธทรมายุทธภพบรรดานักรบก็มาผนึกแน่นเป็นแกนกลางด้วยว่าอีกไม่ช้าบุรุษหนึ่งพูดซึ่งงามสง่าน้ำใสใจกล้าและเปี่ยมด้วยคุณธรรมน้ามิ จะมาอุปบัติรับลิขิตแห่งสวงสวรรค์น้หลินชงกล่าวอะไรแก่วูหยงเล่าฟังบทต่อไปหากใครรู้ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกลงจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรัสชัยเชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่สิบสองมีเชื่อตอนว่านางแม่เล้าเย็ยนร้องสารตะบนหยุ่นเชงด้วยคุณธรรมน้ำมิตรจูถงปล่อยส่งเจียงส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆ ท, ท่าน รับฟังได้นะบัดนี้เมื่อเทศบาลตำบลยุ่นเชงได้ยินว่าตำรวจจับฆาตกรได้จึงเร่งเปิดสาากลางเรียกระดมเหล่ากรมการตำบลพ่อมองออกไปก็เห็นตำรวจกำลังร่มรุมถังงัวด่างเบื้องซ้ายเป็นสาวใหญ่ไว้กลางคนคุกเข่าอยู่ ส่วนทังเบื้องขวาเป็นไอ้บ้าตัวหนึ่งเทสาสักว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้เกิดเรื่องขาตกรรมขึ้นได้ล่ะฮะฝ่ายหญิงละล่นละ ล, ะละักตอบว่าเอออีฉันมีนามว่าเยียนเจ้าค่ะอีฉันมีบุตรสาวคนหนึ่งนามว่านางเปาะสีอีฉันขายเป็นนางบำเรอให้เสมเดนจส่งเจี้ยงเมื่อคืนก่อนเราสามคนกําลังนั่งดื่มกันเจ้าถังัวด่างตัวนี้ปุกเขไปพานหาเรื่องถึงในบ้านอีฉันเลยด่าว่า แล้วแต่เพืชได้มันออกไปจากบ้านเพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้เห็นกันสิน้นพอเช้ามาสรงเจี้ยนก็ออกไปแต่ช้างแล้ววกกลับมาฆ่าลูกสาวอีฉันอีฉันก็ลากตัวมันมาที่สลาว่าการแต่แล้วจูๆ่ๆเจ้าถังงัวด่าก็มาแกะมืออีชั้นออกอีฉันจึงได้มาขอร้องความเป็นธรรมกับพระคุณท่านนี่แหละเจ้าค่ะเทสาได้ฟังก็หันไปถามถังว่าเฮ้ <c oughs> เจ้ากล้าช่วยให้จําเลยหนีไปเช่นนั้นหรือ เจ้าถังละลําละลักตอบว่าเอ่อข้าข้าไม่รู้เรื่องข้าแกนพวกนั้นเมื่อก่อนเลยขอรับเมื่อคืนก่อนข้าเพียงแต่ไปบ้านนางคิดจะไปขอยืมเงินท่านทรงเจียงไปซื้อเหล้าแต่นางก็เบี่ยงข้าออกมาข้าก็กลับบ้านพอเช้ามาข้าก็แบกถาดใส่ขิงดองเพื่อจะเอาไปขายที่ตลาดตามปกติก็เห็นนางกําลังฉุดกระชากลากท่านทรงเจียงอยู่ที่หน้าสาราว่าการแห่งนี้ข้าจึงเดินเข้าไปขอร้องดีๆอดีบ้าอะไร งาทท้อเเลั น, ลนอบอกให้เบาๆหน่อยแล้วท่านส่งเจียงก่อนหนีไปข้าจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเขาฆ่าลูกสาวนางนะครับแทศาได้ฟังก็ตะโกน ล, ลั่นว่าเฮ้ยไอ้นี่พูดจาเหลวไหลส่งเจียงเป็นคนซื่อตรงเขาไม่เคยลิอานไปฆ่าใครดอกไอตัวฆาดตกรต้องเป็นเจ้าแน่แนพวกพนัก ง, งานไปอยู่ไหนกันหมดฮะ บรราเจ้าพนักงานถูกเรียกมาประชุมกันพ่อจ้างหวนหยวนรู้ความว่านางเย็ยนกล่าวหาส่งเจียงว่าฆ่าบุตรสาวซึ่งเป็นชู้รักของตัวก็เขียนสำนวนคำฟ้องตามรูปการอย่างรัดกุมบรรจุไว้สิ้นทุกถ้อยกระทงความม่ให้มีขาดหกตกหลน่นและประทับรับฟ้องเทศาเรียกหาเจ้าพนักงานพิสูจนศพหัวหน้าพัสดีและเพื่อนบ้านอีกหลายรายสั่งให้ยกขบวนไปยังบ้านที่เกิดเหตุมีการชนสูตรพลิกศพ แล้วพบมีดของฆาตรกรตกอยู่ข้างๆการชนสูตรศพพบว่าสาเหตุการตายมาจากผู้ตายถูกเชือดคอจึงเอาศพใส่ลงย้ายไปฝากเก็บไว้ที่วัดเพื่อรอการฝังส่วนกลุ่มที่ไปชนสูตรพลิกศพก็กลับมายังสาราว่าการเจ้าเมืองหยุ่นเชิงนั้นชอบพ อ, อยู่กับซ่งเจียงและต้องการจะช่วยลูกน้องให้พ้นผิดจึงพยายามซักไซไละเลียงถังนัวด่างซ้าแล้วซ้าเล่า แต่ทุกครั้งคำสารภาพของถังก็ยังยืนอยู่ที่เกล่าว่าข่าน้อยไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยขอรับท่านเทสาจึงว่าเฮ้ยแล้วทําไมเมื่อคืนเจ้าจึงได้ไปบ้านพวกเขาแล้วก่อเหตุขึ้นเจ้าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเป็นแน่ถังัวด่างจึงว่าข้าข้าน้อยเป็นแค่อยากจะไปขอยืมเงินเพื่อไปซื้อเหล้าท่านเทสาว่าเฮ้ยเลวไหลทหารเขียนไอสารเดลคนนี้ ถ้หาหยามฉุดกระชากลากถังไปยังหมูยังหมาเอาเชือกมัดไว้จนแน่นก่อนจะโบยถังไป 40-50 หทีแต่ถังก็ยังให้การตามเดิมฝ่ายเทศานั้นรู้ทั้งรู้อยู่เต็มอกว่าไอ้ตลกตัวนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการฆาตกรรมครั้งนี้แต่เป็นเพราะตัวยังมองหาช่องทางช่วยเหลือซ่องไม่ออกจึงต้องต้มยำทาแกงเอากับถังเช่นนั้นในท้ายที่สุดก็เลยจนใจสั่งให้เอาคือใส่คอแล้วให้เอาตัวไปขังไว้พลางพลางก่อน จางหวนหยวนก้าวเข้าไปหาเทสาอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยขึ้นว่ามีดสั้นของกลางที่เราพบเป็นของส่งเจียงเราควรนําตัวเข้ามาสอบสวนความจะได้กระจ่างขอรับจางยืนกรานอยู่เช่นนั้นจนเทสาไม่อาจปฏิเสธจําต้องส่งคนไปคร่าเอาส่งเจียงอย่างที่พมนักในเมืองมาสอบสวนแต่ทว่าส่งเจียงหนีไปเสียแล้วผู้ตํารวจกลับมารายงานพร้อมทั้งลากตัวเพื่อนบ้านส่งเจียงบางคนมาด้วย คัตกรหนีไปแล้วไม่มีผู้ใดรู้ไปไหนขอรับจางจึงพูดกับท่านเทษาว่าข้อหาบดีส่งบีดาของเขากับส่งชิงน้องชายคนเล็กอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านตระกูลส่งนอกตัวเมืองเราควรไปกุมตัวมาเป็นประกันจนกว่าจะจัดส่งเจียงมาสอบปากคำได้เทษาคิดจะตั้งข้อหาถังไว้ก่อนรอให้เรื่องต่างๆสงบแล้วค่อยปล่อยตัวไป แต่จ้างทําคดียุให้นางเหยียนร้องเรียนอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนเทศาไม่มีทางเลี่ยงนอกจากต้องส่งคนพร้อมหมายจับไปกุมตัวข้าบดีส่งกับส่งฉิงบุตรชายคนเล็กมาเมื่อตํารวจไปถึงหมู่บ้านตระกูลส่งชายชราก็ออกมาต้อนรับพอทุกคนเข้าไปในห้องโถงเรียบร้อยแล้วตํารวจก็ยืน่นหมายสารให้ข้าบดีส่งอ่านข้าบดีส่งพูดกับตํารวจเหล่านั้นว่าโปรดฟังข้าก่อนครับ ครอบครัวเราเป็นชาวนามาหลายชั่วอายุคนแล้ววันๆหากินอยู่กับท้องไร่ท้องนาแต่ไอ้ส่งเจียงผู้นี้เป็นบุตรอกตันอยู่คิดคดขบถกับทางบ้านมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กไม่พอใจในชีวิตเช่นชาวนาฝ่าฟื้นคําสั่งบิดายืนกร้านแต่จะไปเป็นเจ้าพนักงานบ้านเมืองให้ได้ดังนั้นข้าเลยไปร้องขอที่ตาบลขอให้ตัดมันออกจากบ้านอย่างเป็นทางการมาหลายปีแล้ว ทุกวันนี้มันจึงไม่ใช่คนบ้านนี้แต่ให้ไปมีที่พำนักอาศัยอยู่ในตัวเมืองส่วนตัวข้ากับส่งชิงบุตรคนเล็กก็ก้กมหน้าก้มตาหากินกับเรื่องสวนไร่นาในหมู่บ้านเล็กๆของเราต่อไปตามปกติส่วนตัวมันนั้นไม่แม้แต่จะเคยหาข้าวหาปลามาให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพวกเราเพว่าข้านี้คิดอยู่เสมอว่าหากมันเกิดไปทําผิดคิดร้ายใดๆ แล้วกมจะไพร่ตกมาใส่ดังนั้นจึงได้ไปขอท่านเทศาคนก่อนให้ทาหนังสือรับรองคัดมันออกจากครอบครัวข้าจะไม่หยิบมาให้พวกท่านดูนะขอรับแม้พวกตำรวจจะรู้ดีว่าเป็นเพียงช่องทางหนีทีไล่ของจําเลยที่เตรียมการไว้ก่อนแต่พวกเขาก็ล้วนญาติดีกับส่งเจียงและไม่ปรารถนาที่จะเอาความใดๆอยู่แล้ว พวกเขาจึงพูดขึ้นว่าเราขอคัดสําเนาเอาไปมอบให้ท่านเทศาคนใหม่ขหาบดีส่งเลี้ยงดูปูเสือตํารวจที่ไปทั้งเหล้ายาปลาปิ้งทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่แถมเงินให้อีกกว่าสิบตาบรึงขหบดีส่งอนุสือรับรองให้ตรวจพวกตํารวจก็คัดลอกสําเนาแล้วออกจากบ้านตระกูลส่งกลับไปรายงานเรื่องนี้ที่ศาลาว่าการพวกเขารายงานขึ้นว่าข้าบดีส่ง ตัดพ่อตัดลูกกับส่งเจียงมาได้สามปีแล้วขอรับนี่คือสำเนาใบรับรองด้วยเหตุนี้เราจึงเอาตัวพ่อเท่ามาไม่ได้ตัวเทสานั้นก็หาเหตุจะไม่เอาความกับส่งเจียงอยู่แล้วจึงพูดขึ้นว่าข้าหับดีส่งมีหนังสือรับรองมาไม่มีผิดและส่งเจียงก็ไม่มีญาติสนิทคนอื่นๆ อ, อีกทั้งหมดที่เราพอจะทําได้คือตั้งรางวัล น, นําจับเขาหนึ่งพันพวงอิแพเขียนใบ ป, ประกาศ ไปติดเอาไว้ให้ทั่วท่วแต่ด้วยคำยุยงของจางนางเหยียนก็หวนกลับมาโมบกราบต่อหน้าเทสาอีกเพื่อดูสมกับไว้ทุกหัวหูก็แต่งให้ดูยุง่งเหยิงไปสิน้นนางเอ่ยขึ้นว่าส่งชิงน้องชายมันคงซ่อนตัวส่งเจี้งเอาไว้ในบ้านเพื่อกันให้สารสอบทำไมท้อยเท้าจึงไม่ไปจับตัวน้องมันมาช่วยอีกชั้นให้ได้รับความเป็นธรรมบ้างละเจ้าคะเทสาจึงเอ่ยว่า ทำเช่นนั้นไม่ได้เมื่อสามปีที่แล้วบิดาเขามาร้องขอกับเทสาคนก่อนว่าลูกเขาไม่เชื่อฟังและตัดพ่อตัดลูกกันไปเรียบร้อยแล้วเขายังส่งหนังสือรับรองนี้มายืนยันเราจึงไม่มีเหตุผลใดๆไปเอาตัวบิดาและน้องชายของเขามาเป็นตัวประกันโอ้พระคุณท่านใครๆก็รู้ว่าทรงเจี้ยงนั้นคนทั่วไปเขาตั้งฉายาให้ว่าคุณชายดาที่สาม บุตรกตัญญูกตะไวทีและมีมุทิตาจิตหนังสือรับรองนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพจเจ้าข่าพระคุณท่านเจ้าขาให้ความเป็นธรรมกับอิชันบ้างเถอะเจ้าข่าเทศาตวัดด้วยความโมโหว่าเอ้ยแล้วไหหนังสือรับรองฉบับนั้นประทับตาเทศาคุณก่อนมันจะเปโกหกได้เช่นไรนางเย็นได้ฟังก็ได้แต่ร่าไห้อยู่เป็นวักเป็นเวน พระคุณท่านอันว่าชีวิตคนนั้นสำคัญดังฟ้าดินหากพระคุณท่านให้ความเป็นธรรมแก่อกฉันไม่ได้อกฉันก็ต้องไปร้องเรียนทางจังหวัดลูกสาวอิฉันตายอย่างทารุณโหดร้ายไปแบบนี้ทั้งคน <c oughs> จางจึงเข้าไปช่วยพูดให้นางเยียนอีกแรงหนึ่งและเตือนขึ้นว่าหากท่านจับส่งเจียงไม่ได้นางก็จะไปฟ้องร้องทางจังหวัด เรื่องก็จะไปกันใหญ่นะขอรับสมมุติว่าท่านข้าหลวงมาตรวจสอบขั้นตอนที่เราทำคดีข้าน้อยก็ไม่รู้ที่จะออกตัวอย่างไรดีนะขอรับเห็นได้ชัดว่าจางพูดมีเหตุผลเทศาจึงจำใจมีหนังสือไปเรียกตัวสองนายดาบจูถงกับเลยเหงมาแล้วพูดขึ้นว่าพวกเจ้าเอาคนไปเครือหาดบ้านตระกูลส่งแล้วจับเอขัตรส่งเจี้ยงมา พอได้รับหนังสือเมื่อปราบทั้งสองก็ไปรวบรวมพลตระเวนได้สักสี่สิบคนแล้วเร่งรุดไปยังเครือหาดบ้านตระกูลส่งชายชารารีบโผล่ออกมารับหน้าเมื่อปราบทั้งสองเอ่ยขึ้นว่าโปรดจะได้ตำแหน่งพวกเราเลยนะท่านผู้เฒ่าพวกเราไม่มีทางเลี่ยงต้องทำตามคำสั่งท่านผู้เฒ่าบุตรชายของท่านอยู่ไหนท่านผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นว่า ให้ทรงเถียงมันเป็นลูกอักตันอยู่ข้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันท่านเทสาคนก่อนก็ช่วยตัดมันออกจากบ้านนี้ไปแล้วหนังสือรับรองก็บอกอยู่นี่แถมชื่อมันก็ถูกลบออกจากสำมโนโครัวของบ้านข้าไปตั้งสามปีแล้วมันไม่ได้อยู่ไม่ได้มาบ้านนี้นานแล้วจูถงจึงเอ่ยขึ้นว่าพวกเราถูกสั่งให้มาจับ เกรงว่าจะไม่อาจรับฟังคำแก้ตัวของท่านได้เราต้องขอตรวจคน้นหากเราไม่ทําถึงขั้นนี้เจ้านายเบื้องบนคงไม่พอใจว่าพรางก็หันมาสั่งลูกน้องให้ล้อมครื่องหาดเอาไว้แล้วพูดกับเล่ยเหงว่าข้าจะเข้าประตูหน้าท่านไม่ดับเลยท่านเข้าไปค้นในตัวบ้านเล่ยเหงก็เข้าไปในบ้านเริ่มจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งในที่สุดก็กลับออกมาประตูหน้าเขาบอกกับจูถงว่า เฮ้ยจริงแฮะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่จูถงจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งดีกว่านายดาบเลยท่านกับพี่น้องเราเฝ้าประตูบ้านเอาไว้ให้ดีส่วนข้าจะเข้าไปค้นในบ้านให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งข้าบอดีท้องพยายามคานว่าข้าเป็นพลเมืองดีเคารพตัวบทกฎหมายข้าไม่กล้าซ่อนใครไว้ในบ้านดอกเฮ้ย บอกก็ไม่เชื่อเดีนั้นเนี่ยผูนี้ดื้อหน้าดูเลยจูถงจึงต่อขึ้นว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมต้องเรียนขออาภัยด้วยข้าบดีส่งจึงว่าข้าเช่นนั้นก็เข้าไปเลยท่านนายดาบเอาเลยค้นกันให้เปิ่งไปเลยจูถงหันมาบอกกับเหลยเหงหว่าท่านนายดาบเลยจับตาดูท่านผู้เฒ่าให้ดี เล่้ยบอยให้แกหลบหนีไปไหนเป็นอันขาดจูถงจึงเข้าไปในเครื่องหดเอาเงาพิงฝากำแพงหันไปลั่นดานประตูหน้าก้าวเข้าไปภายในตัวบ้านแล้วตรงไปยังห้องพระเลื่อนโต๊ะบูชาออกไปข้างหนึ่งยกประตูกลบที่พื้นห้องขึ้นจับเชือกเส้นเล็กๆที่ห้อยลงไปข้างล่างเขยา่าท่านใด น, นั้นกระดิ่งที่แขวนอยู่ที่ปลายเชือกข้างล่างก็ดังขึ้นไม่ช้าส่งเจ้นก็โผล่ขึ้นมาพอเห็นว่าเป็นจูถงก็ตกใจ มือปราบเอ่ยขึ้นว่าอย่าได้ตำหนิที่ข้ามาจับพี่เลยพี่ส่งพี่นั้นดีต่อข้าเสมอมาเราไม่เคยปกปิดอะไรกันตอนที่ดื่มกันวันหนึ่งพี่เคยบอกข้าเองว่าหน้าแท่นพระพุทธรูปในห้องพระที่บ้านข้ามีต้งหมู่บูชาตัวหนึ่งพื้นห้องใต้นั้นเป็นประตูกนมี อ, อุโมงค์ไว้ซ่อนคนอยู่ชั้นล่างหากคิดจะหลบใครน้องจะไปใช้ก็ได้ข้ายังจาได้ขึ้นใจ วันนี้ท่านเทสาส่งข้ากับเลยเหง๋งให้มาค้นบ้านพี่ทั้งทั้งที่ข้าไม่เต็มใจข้าจึงต้องหาทางมากลบเกลื่อนเรื่องนี้ให้พี่ท่านตัวท่านเทสานั้นอยากจะช่วยพี่นะักเป็นแต่ไอ้จางกับอีนางเยียนออกมาขู่ว่าหากไม่ตามคดีนี้ให้ถึงที่สุดพวกมันจะร้องเรียนไปถึงจังหวัดท่านเทสาจึงจําต้องใช้ข้ากับเลยเหง๋งให้มาค้นบ้านพี่ข้ากลัวว่าเลยเหง๋งจะแปลคําสั่งท่านเทสาเข้มงวดไป และถ้าเจอพี่เขา้าเขาอาจจะไม่อารมอร่วยให้พอดังนั้นข้าจะให้เขาเฝ้าที่ประตูด้านหน้าแล้วก็รีบตรงมาหาพี่ที่นี่ความจริงที่หลบภัยที่นี่ก็ไม่เลวนักดอกแต่ถ้าว่าไม่ถึงกับปลอดภัยที่สุดสมมุติว่ามีคนรู้และมาค้นดูท่านพี่จะทำอย่างไรส่องจิ้งจึงว่าพี่เองก็คิดเช่นนั้นอยู่เหมือนกันหากไม่เป็นเพราะน้องเมตตาผ่อนปนพี่ก็คงไม่พ้นคุกไม่ต้องพูดถึงเพียงนั้นดอก ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าพี่จะหลบไปอยู่ที่ไหนจึงจะปลอดภัยซ่งเจี้ยงจึงว่าพี่คิดไว้สามทางด้วยกันทางหนึ่งนั้นคือคฤหาดท่านชายใช้จิ้นสลาตันน้อยแห่งตำบลเห่งให้ในเขต จ, จังหวัดกังโจอีกหนึ่งนั้นคือที่ป้อมลมใสในเขต จ, จังหวัดฉิงโจเป็นบ้านของท่านหัวหงฉายาลี่กวงน้อยทางที่สามคือคฤหาดของข้าบดีของที่ภูพยักษ์ขาวในจังหวัดฉิงโจเช่นกัน ท่านผู้นั้นมีบุตรชายสองคนขงหมิงลูกคนโตสมญาดาวผมนางกับขงเหลียงคนเล็กสมญาดาวจารัดแสงพี่เคยพบทั้งสองที่ตำบลเราหลายครั้งแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะไปไหนดีนายดาบจูถงจึงแนะนําว่าท่านพี่รีบตัดสินใจไวๆเข้าจะได้ทําเสียทีพี่ต้องไปแต่คืนนี้เลยจึงจะเป็นการดีที่สุดจะมาโมอ้โอเอสาลารายชักช้าเสียเวลาอยู่ไม่ได้นะขอรับ ส่องเจียงจึงว่าถ้าเช่นนั้นพี่ต้องทิ้งเรื่องตอบแทนพระคุณทั้งหลายทั้งเบื้องต่าเบื้องสูงไว้ให้น้องเป็นธุระช่วยเหลือดูแลซะแล้วหากต้องการเงินเท่าใดก็จงมาเอาที่บ้านพี่นี้เถิดเฮ้ยอย่าได้เป็นห่วงไปเลยข้าจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เองส่วนพี่ก็ต้องตั้งสติให้ดียามหนีภัยส่องเจียงขอบพระคุณจูถงแล้วกลับลงอุโมงค์ไปอย่างเก่า มือปราบปิดประตูกลนเลื่อนโต๊ะบูชากลับเข้าที่เปิดประตูห้องพระออกมาหยิบเงาวขึ้นถือแล้วออกไปจากบ้านหลังจากออกไปแล้วจูถงประกาศขึ้นว่าเฮ้ยเขาไม่อยู่ในกระหาร์จริงๆนั่นแหละ ว, ว่าพรางก็เรียกระดมสมัครพักพวกท่านในดาบเลยเราจะคุมตัวจ่าบ้านส่งไปดีไหมเลยเหงนคิดในใจว่าจูถงผู้นี้ เป็นปีเป็นคุยกับส่งเจียงมาแต่ไหนแต่ไรแล้ววันนี้ฉะไหนจึงคิดจะมาจับพ่อเขาไปเอ๊ะไม่เป็นการเอาเสีเลยขืนพูดมาอีกข้าจะขวางเองมือปราบทั้งสองฤกษกทหารมารวมตัวกันแล้วกลับเข้าไปในห้องโถงข้าบวดีส่งรีบกรีกุจอเอาเล่ามาบริการทุกคนเป็นการใหญ่จูถงเอ่ยขึ้นว่า ey, เฮ้ยเราไม่ต้อง เราจะเชิญท่านผู้เฒ่ากับส่งฉิงบุตรคนที่สี่ตามเราไปที่ตำบนด้วยกันเลยเหงถามว่าทำไมเราไม่เห็นเขาผู้เฒ่าจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าใช้ให้ส่งฉิงเข้าไปในหมู่บ้านทำเครื่องไมายเครื่องมือในไร่ตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่สำหรับไอ้ส่งเจียงไอ้ลูก อ, กอักกันยูนั้นข้าตัดพ่อตัดลูกกับมันไปเมื่อสามปีที่แล้วข้ามีหนังสือรับรองยืนยันอยู่นี่ จูถงจึงว่าพูดไปก็ไร้ประโยชน์เราได้รับคำสั่งให้นำตัวท่านผู้เท่ากับท่งชิงกลับไปตำบนเลยเห็ิงพร่องขึ้นทันทีว่าเฮท่านในดับจูโปรดฟังข้าก่อนหากสมุท่งจำเพาะต้องก่อกรรมทำเข็ญจริงๆมันก็ต้องมีเงื่อนงำจำเป็นอะไรสักอย่างมันอาจจะไม่ชั่วร้ายอะไรถึงปานนั้นก็ได้ท่านผู้เท่าสรงก็มีหนังสือรับรองมายืนยันอยู่นี่แล้ว ราประทับที่กำกับอยู่นั้นก็ล้วนถูกต้องย่อมไม่ใช่ของปลอมแน่ๆเราควรจำเอาไว้บ้างว่าในอดีต ท, ที่แล้วมานั้นท่านทรงเจียงเคยเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนพวกเรามามากแค่ไหนวรจะลุ่มอร่อยตอบแทนให้กันบ้างเราแค่สั่เนาหนังสือนี้ไปก็น่าจะพอแล้วจูถงพูดกับตนเองว่าที่รอพูดแรงแบบนี้ก็เพื่อกันไม่ให้เหลยเหงสงสัย แล้วจึงพูดออกไปดังๆว่าเมื่อพี่คิดเช่นนั้นข้าเองก็ไม่อยากแสดงบทผู้ร้ายเช่นกันชายชาราละล่ำ ล, ละลักว่าเออขอพระคุณท่านทั้งสองยิ่งนักว่าแล้วก็ยิ่งบริการเล่าเสยยกใหญ่เอาเงินให้มือปราบทั้งสองยี่สิบตำลึงจูถงกับเหลยเห็งก็มอบเงินทั้งหมดนั้นให้ทหารสี่สิบคนที่ตามมาหลังจากสำเนาหนังสือรับรองแล้ว พวกเขาก็ลาข้าหบดีส่งออกจากหมู่บ้านแล้วกลับยุนเชงไปพร้อมกับคนของตนทั้งสองตรงเข้าไปรายงานเทสาที่เปิดศาลารอท่าอยู่แล้วว่าพวกเราค้นกระหาร์ดและรอบๆ บ, บ้านกันทั้งสองครั้งสองผหาอย่างไรก็หาไม่พบจาบ้านทรงก็นอนป่วยอยู่บนเตียงไปไหนมาไหนไม่ได้อาการย่ําแย่นักซ่งฉิงก็ไม่อยู่มากกว่าเดือนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กลับ ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงได้แต่สำเนารับรองมาเทษาจึงว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็เขียนรายงานไปยังข้าหลวงและเรียมประกาศจับส่งเจียงเรื่องนั้นเราจะไม่พูดถึงอีกนะครับคนทั้งหลายที่สาราว่าการซึ่งล้วนเป็นมิตรกับท่งเจียงจึงพยายามพูดจาน้มน้าวจางหวนหยวน จางเองก็ไม่ปรารถนาที่จะท้าทายคนเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีทางฟื้นชีวิตของนางเปาะสีให้คืนมาได้อย่างเก่านอกจากนั้นจางยังเคยได้รับความเมตตากรุณาจากส่งเจี้ยงมาในอดีตดังนั้นจึงวางมือปล่อยเรื่องให้เลยไปตามเลยจู้ถงเอาเงินบางส่วนให้นางเหยียนเกลี้ยกล่อมมาให้เเรื่องขึ้นไปฟ้องร้องที่จังหวัดเมื่อนางยอมรับเงินก็เท่ากับว่ายอมรับปาก นอกจากนั้นจู ถ, ถงยังเอาเงินให้คนไปเดินเหินที่ตัวจังหวัดเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการเรียกรายงานคดีนี้จากตำบลขึ้นไปดูฝ่ายเทศาก็ออกใบนำจับตั้งรางวัลค่าหัวส่งเจี้ยงเป็นเงิน 1,000 พวงอีปแปะทั้งงัวด่างต้องข้อหาปล่อยคนร้ายหนีถูกโบย20ทีสักหน้าแล้วในประเทศออกจากเมืองไปไกลในระยะ500ลี้ ฝ่ายพวกที่ถูกคุมตัวในฐานะพยานก็ถูกปล่อยให้กลับบ้านครอบครัวส่งเจียงนั้นเป็นชาวนาฉะนั้นต้องมีอุโมงค์หลบภัยไว้ในบ้านด้วยเล่าเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในสมัยส่งบรรดาขุนนาขุนนางมีชีวิตสะดวกสบายยิ่งนักแต่เจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยกลับเป็นคนละเรื่องทำไมจึงพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าในสมัยนั้นพวกขุนนางกลางฉินมีอานาจอิทธิพลในราชสานัก คนพวกนี้มักใช้สอยแต่สมัครพรรคพวกและญาติพี่น้องของตนยามเห็นเงินเป็นจ้องไม่วางตาไอทีว่าจะปล่อยให้ลอยหนีเป็นไม่มีทางและมีสิ่งใดบ้างที่ต้องไปตกหนักกับเจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยในสมัยนั้นเจ้าพนัก ง, งานชั้นเสมียนคนใดทำเรื่องผิดพลาดหากไม่ใหญ่โตนักก็มักจะถูกสักหน้าในประเทศไปอยู่หัวเมืองห่างไกลหรือไม่ก็ตามชายแดนต่างๆแต่หากเป็นเรื่องใหญ่พวกเขาอาจจะถูกประหารชีวิต กระทั่งสมบัติพระสถานก็จะถูกริบไปสิน้นการเตรียมที่ซ่อนแบบนี้ไว้ในบ้านจึงนับว่าเป็นการฉลาดครับแต่ว่าอย่าให้ความลับรั่วไหลนะครับโอ้โหถ้ามีคนรู้คนเดียวเนี่ยนะครับรับประกันนะครับพี่น้องเห็นไหมครับคนปลูกกัญชานะครับถ้าไม่เป็นความลับนะครับไปให้ใครคนใดคนหนึ่งรู้นะครับเดี๋ยวสักพักเดียวโดนจับนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องพันอย่างนี้ต้องเก็บเป็นความลับขั้นสุดยอดกันเลยนะครับและเพื่อกันไม่ให้พ่อแม่ต้องมาพลอยรับโทษไปด้วยส่งเจียงจึงจัดการให้พวกเขาประกาศว่าตัวเป็นลูกอกตันจูตัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านและต้องทําหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานส่งเจียงต้องเข้าไปอยู่ในเมืองไม่ติดต่อไปมาหาสู่จะทําธุระปะปังอะไรที่เกี่ยวกับบ้านก็ต้องแอบทํากันในที่รับ ในสมัยราชวงศ์ซ่งมีคนนิยมทำกันเช่นนี้เป็นจำนวนมากย้อนกลับมาที่ซ่งเจียงครับเมื่อขึ้นจากอุโมงค์ลีภยัยใต้ห้องพระก็รีบปรึกษาหารือกับบิดาและน้องชายซ่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าฮอกไม่ได้จูด ถ, ถงข้าคงถูกเขาจับเอาไปประหารเสียนานแล้วเราต้องไม่ลืมพระคุณเขาในคราวนี้ตอนนี้น้องกับลูกคงต้องหนีไปก่อน หากสวรรค์ปราณีมีพระราชทานอภัยโทษให้เมื่อใดเราคงจะได้กลับมาเห็นหน้าท่านพ่อใหม่ตอนนี้พ่ออยู่หลังจงเอาเงินให้จูดถงเป็นการรับหวานให้เขาเอาไปวิ่งทั้งบนทั้งล่างครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับพี่น้องเลื <c oughs> อกเขาตัวไหนเรื่องรางวัลที่หนึ่งที่สองไม่ต้องไปเอามนะันเอเอาทั้งบนทั้งล่างก็พอนะครับหวานให้เขา เอาไปวิ่งทั้งบนทั้งล่างว่าสมัยก่อนนีเล่นเวกันเลยโอ้สุดยอดหวานให้เขาเอาไปวิ่งทั้งบนทั้งล่างกำชับให้เขาเอาเงินให้นางเยี่ยนบ้างเพื่อนางจะไม่ได้อุดทรนขึ้นไปเบื้องบนอีกบิดากล่าวว่าเฮ้ยไอเรื่องนั้นพวกเจ้าไม่ต้องกังวลใจไปหรอกเจ้าทั้งสอง เวลาเดินทางบนถนนให้ระมัดระวังให้ตรงดีก็แล้วกันพอถึงที่หมายนะให้ลูกชายก็ให้จดหมายมาบอกข่าวคราวพ่อบ้างฝากคนที่เชื่อถือได้ให้มาบอกพ่อด้วยพึ่งเหงาเนีอยู่คนเดียวละ่ะไม่รู้จะไปพึ่งใครเราเอ่ยคืนนั้นสองพี่น้องช่วยกันเก็บข้าวของพอได้ยามสี่ก็ลุกขึ้นล้างมือล้างหน้ากินข้าวกินปลาแล้วก็พร้อมออกเดินทาง ส่งเจียงสวมหมวกสกปราดปีกกว้างสีขาวเสื้อคลุมไหมา ย, ยาวสีเดียวกันคาดเอวด้วยรัดประคตสีชมพูใส่สนับแข้งและรองเท้าสารส่วนส่งฉิงนั้นแต่งตัวเป็นบ่าวหาบข้าวของทั้งสองคุกเข่าโคกศีษะอำลาผู้เป็นบิดาที่ออกมาส่งที่หน้าห้องโถงใหญ่หาใครจะกตั้นน้ำตาเอาไว้ไม่มีขหบดีส่งกล่าวขึ้นว่าผลทางข้างหน้ายังอีกไกลนะลูกนะ ขอให้ลูกทั้งสองจงเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งพี่ทั้งน้องกำชับเบาพร่ให้ดูแลบ้านช่องห้องหอปรนิบัติพัดวีจัดสำรับกับข้าวให้ผู้เป็นบิดาให้ดีแล้วก็เหน็บดาบหยิบเงาขึ้นมาถือออกจากหมู่บ้านตระกูลท่งไปตามทางยามนั้นเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าฤดูหนาวทั้งสองเดินทางอย่างกระปี้กระเป๋า พอไปได้สักพักซ่องชิงก็ถามว่าพวกเราควรจะไปฝากชีวิตเอาไว้กับใครดีท่านพี่ซ่องเจียงจึงว่านายยุทธภพพี่มักจะได้ยินกิจศัพท์ของท่านชายใช้แห่งตะมนเห่งให้สังกัดจังหวัดกังโจเสมอเสมอว่ากันว่าท่านสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากจั ก, กรพรรดิแห่งราชวงศ์โจองค์สุดท้ายนี่แหละพี่ยังไม่เคยพบหน้าท่านมาก่อนแต่เหตุชนไหน เราไม่ไปขอความคุ้มครองจากท่านราชนิกูลท่านนี้ดูเป็นผู้มีวีระอาจหารและมีคุณธรรมน้ำมิตรต้อนรับขับสู้ผู้กล้าและคนต้องในประเทศจากทั่วทุกสารทิศเปรียบได้ดังเมืองชางจุนกลับชาติมาเกิดเราควรจะไปพึ่งท่านดีกว่าซ่งชิงจึงว่าข้าเองก็คิดเช่นนั้นท่งเจียงพูดตอไปว่าถึงพวกเรายังไม่เคยพบหน้า แต่ท่านกับข้าก็มีหนังสือนังหาถึงกันอยู่เสมอๆว่าพรางสองพี่น้องก็บ่ายหน้าไปเมืองกังโจข้ามเขามาได้หลายลูกข้ามแม่น้ำมาได้หลายสายผ่านตำบลหมู่บ้านมาได้ก็ให้มากมายในสมัยนั้นยามพำนักตามโรงแรมต่างๆคนเดินทางต้องระมัดระวังอยู่สองเรื่องหนึ่งคือห้ามกินจากถ้วยชามติดเชื้อและสองห้ามนอนเตียงคนตาย แต่กลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับหลังจากผ่านไปได้หลายวันสองพี่น้องก็เดินมาถึงชายแดนเมืองกังโจพวกเขาสอบถามทางไปคฤหาดของท่านชายใชย้พอไปถึงก็ถามกับบ่าวผู้หนึ่งว่าพี่พท่านชายใช้อยู่หรือไม่นะฮะบ่าวผู้หนึ่งตอบว่าอ๋อไม่อยู่หรอกครับไต่เท้าไปเก็บค่าเช่านากงจะค้างที่คฤหาดตะวันออกที่นั่นเลยละ่ะทรงจียงถามต่อไปว่า จากนี่ไปไกลแค่ไหนล่ ะ, ะกว่าสิบลี้เห็นจะได้แล้วขอรับทรงเจียงถามอีกว่าเออแล้วเราจะไปกันอย่างไรล่ะคนรับใช้ถามว่าข้าน้อยใครขอทราบนามท่านด้วยขอรับทรงเจียงตอบว่าข้ามีนามว่าทรงเจียงจากตำบลยุนเชงคนรับใช้เอ่ยขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าอา้าวไม่ใช่ท่านทรงเจียงที่คนเขาพากันให้สมญาว่า ฝนทั่วฟ้าดอกหรือไรทรงเจียงว่าอ้อคนคนเดียวกันคนรับใช้ตะโกนขึ้นอย่างตาโตว่าโอ้ใต้เท้าใช่ค่อยพูดถึงท่านอยู่เนืองๆบนแต่ว่าเสียใจนักที่ไม่มีวาสนาได้รู้จักข้าน้อยรู้สึกเป็นเกียรติหนักหนาที่ท่านมาถึงที่นี่ข้าน้อยจะเป็นผู้นำทางท่านไปเองขอรับ บ่าวคนนั้นก็พาส่งเจียงกับน้องชายไปขึ้นหาดตะวันออกเดินไปได้สักสามชั่วยามก็ถึงแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านทั้งสองโปรดนั่งรอที่สารานี้ก่อนนะขอรับข้าน้อยจะเข้าไปเรียนใต้เท้าส่งเจียงว่าดีดีดแล้วพาส่งฉิงเข้าไปพักที่สาราริมเขาเอาเงาวพิงฝาวางดาบปลดห่อผ้าแล้วนั่งลง หลังจากบ่าวไปไม่ทันนานประตูบานใหญ่ของเครื่องหาดก็พันเปิดผางออกท่านชายใช้วิ่งนำหน้าบ่าวไพร่สี่ห้างคนวิ่งเป็นพรวนตามหลังพอมาถึงศาลาก็เพ่นพรวดขึ้นไปทลาลงไปคุกเข่าอยู่ต่อหน้าทรงเจียงแล้วเอ่ยและล่ำและลักขึ้นว่าหากท่านจะได้รู้สักนิดว่าข้าน้อยระลึกถึงท่านสักแค่ไหนโอ้ลมสวรรค์หอบใดพัดพาท่านมาถึงที่นี่ ไม่มีอื่นได้ในชีวิตนี้อีกแล้วที่จะปรารถนาช่างโชคดีมีวัสนาอะไรจะมากมหาศาลถึงปานนี้เนอทส่งเจียงรีบคุกเข่าโคกศีรษะตอบเป็นการรับไหวแล้วเอ่ยขึ้นว่าข้าน้อยพูดต่ำต้อยนี้ก็ช่างให้บังอาจนักหนาเป็นแต่เพียงเจ้าพนัก ง, งานบ้านนอกก็ยังอวดกล้ามาขอพบหน้าแต่เท้าโดยตรง ท่านชายใช้ประคองให้ส่งเจียงลุกขึ้นแล้วเอ่ยขึ้นว่า ah! มาแฮเมื่อคืนก็ครั้งหนึ่งแล้วไสตะเกียงแตกออกเป็นดอกช่อพอเช้าขึ้นมานกสาริกาดงก็บินมาร้องเพลงอยู่บนกิ่งไม้ไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่แท้คือลางบอกเหตุว่าท่านพี่จะมาเยือนถึงเรือนชนันช้ยเจิ้นพูดไปหน้าก็ดาดไปด้วยรอยยิ้มส่งเจียงให้ตื้นตันใจ กับการต้อนรับขับสู้ยิ่งนักจึงแนะนำน้องให้รู้จักท่านชายสั่งบ่าไพร่ที่มาด้วยว่าเอารีบเข้าไปรับห่อผ้าจากท่านสมุตซ่งสิพวกท่านจะพักกันที่ห้องตะวันออกข้างห้องโถงหลังแล้วก็เดินจุงมือซ่งเจี้ยงไปยังห้องโถงใหญ่ทั้งสามพากันนั่งตามธรรมเนียมแขกและเจ้าบ้านท่านชายใช้เอ่ยขึ้นว่าหอกท่านพี่ไม่รังเกียจข้าน้อยใครขอถามท่านว่า เหตุเช่นไหนจึงได้มีเวลาปลีกหน้าที่การงานที่ตำบลมาเยี่ยมบ้านน้อยอันต่ำต้อยของข้าได้ล่ะเนี่ยฮะส่งเจียงจึงว่าเรียนใต้เท้าชื่อเสียงของท่านก้องอยู่ในสองหูมานานหนักหนาถึงจะเคยได้รับหนังสือนังหาจากท่านเป็นระยะระยะแต่ก็หาโอกาสมาคาระวะเป็นการส่วนตัวไม่ได้ด้วยเหตุว่างานที่สลาว่าการอันต่าต้อยคอยรั้งเอาไว้ข้าน้อยเป็นคนไม่มีความสามารถ แถมยังบางอาจไปกระทำเรื่องโง่เขลาบ่าปัญญาจนต้องพาน้องออกมาระหกระเหินตกระกรรมลำบากพวกเรานึกถึงความวิระอาถรรพ์น้ำจิตน้ำใจความกรุณาปรานีของท่านจึงสมสารมาหวังจะหลบหน้าลี้ภัยขออาศัยอยู่กับท่านขอรับท่านชายฉชยยิม้มแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านพี่อย่าได้กังวลไปเลยต่อให้กระทาผิดต้องอาญาหลวงหลายกว่านี้ ท่านพี่ก็จะปลอดภัยในบ้านข้าใช่ว่าจะคุยโตอ้วอวดแต่หามีมือกฎหมายหรือในทหารใหญ่โตคนใดจะเยี่ยมหน้ากล้าสอดสายสายตาเข้ามาในเครื่องหาดน้อยๆของข้าก็หาไม่ทรงเจียงก็เล่ารายละเอียดที่ตนได้สังหารนางเปาะสีพอได้ฟังท่านชายใช้ก็ยิ้มอีกแล้วเอ่ยขึ้นว่าเอาหน้าหรือมันเสด็เถิดท่านพี่แม้พี่จะฆ่าขุนนางที่องค์พระจกักรพรรดิทรงแต่งตั้ง หรือกระทั่งพลพระคลังหลวงข้าก็ไม่รู้สึกลำบากที่จะซ่อนท่านเอาไว้ในที่นี้เลยสักนิดว่าแล้วก็เชิญสองพี่น้องอาบน้ําอาบท่าจัดหาเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านทั้งข้างนอกข้างในผ้าโพกผมบนหัวตระเตรียมรองเท้าใหม่และถุงเท้าสะอาดให้สวมใส่ทั้งสองอาบน้ําผัดเสื้อผ้าชุดใหม่บ่าวเอาเสื้อผ้าที่หอบมาไปไว้ในห้องพักและท่านชายใช้ก็เชิญทั้งสอง ไปยังห้องโถงหลังบ้านท oui, aki, yep ี <vient> Clone, <Sacramento> <i> ่จัดเตรียมสุราอาหารเอาไวรอท่าอยู่ก่อนแล้วเจ้าภาพเชิญส่งเจี้ยงไปนั่งที่หัวโต๊ะส่วนตัวก็นั่งฝั่งตรงข้ามส่งฉิงนั่งลงอีกฝั่งหนึ่งบรรดาบ่าวไพร่ปลายแถวและผู้ดูแลร่วมสิบกว่าคนคอยเฝ้าระวังระววยปรติบัติไม่ให้มีการขาดตกบกพร่องคอยขยันขยอให้แขกดื่มและร่วมบันเทิงเริงรมไปด้วยท่านชายใช้นั้น เป่ารบเร้าให้แขกดื่มกินอย่างไม่อั้นซ่งเจียงกล่าวขอพระคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้นเวลาล่วงไปราวเครื่องอิ่มทั้งสามก็สนิทสนมกลมเกลียวเอออหอหมกกันด้วยดีพอราตรีเริ่มตั้งไข่โคมไฟก็ถูกติดซ่งเจียงร้องขอว่าพระสุรารงสักนิดก่อนเถิดขอรับแต่ท่านชายใช้หาฝั่งไม่พวกเขาก็เลยต้องดื่มต่อ จนเวลาล่วงเลยไปถึงยามแรกส่งเจียงลุกขึ้นจะไปเบาเจ้าภาพก็สั่งเบาคนหนึ่งให้คอยถือโคมไฟสองทางกำกับให้พาไปจนสุดระเบียงด้านตะวันออกสมิ่หนุ่มเอ่ยขึ้นว่าเอ้ยข้าคงกลับไปไม่ทันรอบใหม่แล้วอ้อมไปตามปีกบ้านตัดข้ามสนามหญ้าแล้วขึ้นไปยืนบนระเบียงด้านทิศตะวันออกตอนนั้นส่งเจียงเมาไปแปดในสิบแล้ว จึงโซซัสโซเซไปตามทางไม่ทันได้ระวังอะไรทั้งสิ้นบุรุษร่างใหญ่ผู้หนึ่งกำลังถูกให้ป่าเล่นงานนอนคุดคุปผิงฝฟยจากเตาอังโล่อยู่บนระเบียงบ้านท่งเจ้งไม่ทันมองล่างเท้าก็ไปเหยียบด้ามจับเตากระเดื่องกอกระดกถ่านร้อนร้อนดีดใส่หน้าชายที่นอนคุดคุอยู่ที่นั่ น, นชายร่างยักษ์ตกใจจนเหนื่อการแตกพรกทลักออกจากทั่วร่างผุดลุกขึ้นด้วยความโกรธ คว้า อ, อกเสื้อของส่งเจี้ยงขึ้นมาเขยา่าเฮ้ยมึงเป็นใครวะไอ้ลูกหมาใหญ่จึงคิดจะมาเล่นตลกกับโก๊เฮ้ยส่งเจี้ยงตกใจจนพูดไม่ออกแต่บ่าวที่ถือโคมไฟได้สติจึงร้องออกไปว่าอย่าได้หยาบคายนะท่านผู้นี้เป็นแขกผู้ทรงเกียรติที่สุดของใต้เทา้าอ๋อแขกอย่างนั้นหรือข้าเองก็แขก แถมแต่แรกก็ทรงเกียิที่สุดเช่นกันแต่ท่านชายใช้ไปฟังคำโกหกของไอ้พวกบาว่าไพร์จึงได้ทำตัวเฮินห่างก็อย่างที่เขาว่านั่นละอันว่ามิตรนั้นใช่จะเป็นกันให้นิรันต์ไปก็หาไม่ว่าแล้วก็เนื้อหมัดจะชกทรงเจียมเบาเห็นดังนั้นก็ทิ้งโคมกระโดดเข้ากันแต่ก็ยังไม่ทันจะแยกทั้งสองออกจากกันได้ก็พอดีโคมไฟอีกสามดวงวิ่งตึกตักมาตามทาง เสียงท่านชายใช้ลอยใกล้เข้ามาว่าขาหาท่านสมุยอย่างไรก็ไม่เจอนั่นไว้อยไวอะไรกันน่ะฮะเบาคนนั้นก็เล่าเรื่องเต่าอั้งโล่ให้ฟังท่านชายใช้ก็ยิ้มท่านชายใช้หันไปถามบุรุษร่างใหญ่ผู้นั้นว่าท่านรู้จักท่านสมุผู้โด่งดังท่านนี้หรือไม่ชายร่างยักษ์ตะโกนขึ้นว่าเฮ้โด่งดังกับส่นน่ะสิ ถ้าเทียบกับท่านสมุทรงแห่งยุนเชงคนคนนี้ไม่ได้ขี่ตีนหรอกเฮ้ hey. ท่านชายใช้หัวเราะแล้วเอ่ยขึ้นว่า <h ahaha> แล้วท่านเคยเห็นสมุทรงหรือไรชายร่างยักษ์ว่าเรายังไม่เคยพบแต่ทั่วทั้งยุทธภพรบรรดาผู้กล้าล้วนรู้จักท่านทรงฝนทั่วฟ้ากันทั้งสิน้นชื่อเสียงท่านโดงดังไปทปั่วปฐพีท่านชายใช้ถามอีกว่า ให้ที่ว่โด่งดังนั้นคืออะไรชายร่างใหญ่ตอบว่าหากจใจสาธยายในตอนนี้ก็จะยาวเกินบอกแต่ท่านนั้นเป็นวีรชนคนจริงหากได้เริ่มก็จะต้องสารต่อให้จบทันทีที่ข้าฟื้นไข้ข้าจะไปร่วมกับท่านทัน ท, นทีท่านชายใช้ถามต่ออีกว่าแล้วตัวท่านใครจะพบท่านผู้นั้นหรือไม่ชายร่างยักษ์ตอบว่า ก่อนแล้วใครจะไม่อยากปาดท้อท่านชายใช้จึงว่าท่านทรงนั้นหากจะว่าไปถ้าว่าไกลก็ไกลถึงหนึ่งแสแปดมืนลี้แต่ถ้าหากว่าไกลก็ไกลเพียงแค่เอ้อมท่านชายใช้ชี้ไปที่ทรงเจียงแล้วว่านี่ไงท่านทรงฝนทั่วฟ้าบุรุษร่างยักพ์งะรีบสุดลงมนเข่าเอาศิษะโคกพื้น แล้วละล่ำละลักขึ้นว่าข้าข้าข้าน้อยเมื่อไม่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้มาเจอพี่ท่านในวันนี้ทรงเจียงเอ่ยขึ้นว่าข้าไม่สมควรกับมารยาทขนาดนี้ดอกบุรุษร่างยักษ์จึงว่าแต่ข้าน้อยเพิ่งจะจ้วงจับหยาบช้าไปพี่ท่านโปรดอภัยให้ด้วยนะขอรับข้านี้มีตาสิเปล่าแต่หารู้จักเขาไทาสารไม่ บุรุษผู้นั้นหาได้ลุกขึ้นใหม่ทรงเจียงจึงเรียบรุดเข้าไปฉุดแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านผู้ทรงเกียรติมีนามว่ากไร้ายหรือขอรับท่านชายชัยจึงบอกชื่อและพื้นเพล ข, ของบุรุษผู้นั้นให้ทรงเจียงฟังพอได้ฟังก็จิงดังว่าลำพังได้พบเสือบุญภูตัวเป็นๆได้เห็นโจรกล้าในป่าเปลี่ยวคนเที่ยวทางก็ให้เสียวหนักหนาแล้วแต่พอขานชื่อบุรุษผู้นี้ออกไป แม้ดาวเดือนก็ต้องเลือนแสงแม่น้ำเดือดแดงก็ยังต้องไหล ย, ย้อนกลับและท่านชายใช้เอ่ยนามผู้ใดออกไปเล่าหากใครรู้โปรดฟังในบทต่อไปช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกังจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรับชายเชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่ยี่สิบสามมีชื่อตอนว่าช้จิ้นอนุเคราะห์ผู้คนในตำบลแห่งให้ผู้สงฆ่าเสือร้ายบนสันเขาจิ้งหยางส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุทกๆท่านรับฟังได้นะบัดนี ตอนนั้นสรงเจียงเมาไปแปะในสิบแล้วจึงโซซัสโซเซไปตามทางไม่ทันได้ระวังอะไรทั้งสิน้นบุรุษ ร, ร่างใหญ่ผู้หนึ่งกําลังถูกไข้ป่าเล่นงานนอนคุดคูผิงไฟจากเตาอั้งล้ออยู่บนระเบียงบ้านสรงเจียงไม่ทันมองล่างเท้าก็ไปเหยียบด้ามจับเตากระเดื่องก็กระดกฐานร้อนๆดีดใส่หน้าชายที่นอนคุดคู้อยู่ที่นั่นชายร่างยักษ์ตกใจจนเหนื่อการแตกพักทะลักออกจากทั่วร่าง พุดลุกขึ้นด้วยความโกรธคว้าอ ก, อกเสื้อของส่งเจี้ยงขึ้นม า, าเขย่าเฮ้ยมึงเป็นใครวะไอ้ลูกหมาใหญ่จึงคิดจะมาเล่นตลกกับกูเฮ้ยส่งเจี้ยงตกใจจนพูดไม่ออกแต่บ่าวที่ถือโคมไฟได้สติจึงร้องออกไปว่าอย่าได้หยาบคายนะท่านผู้นี้เป็นแขกผู้ทรงเกียดที่สุดของใต้เทา้าออแขกอย่างนั้นหรือขาก็แขก แถมแต่แรกก็ทรงเกียติที่สุดเช่นกันแต่ท่านชายใช้ไปฟังคําโกหกของไอ้พวกบ่าวไพรจึงได้ทําตัวเหินห่างก็อย่างที่เขาว่านั่นแหละอันว่ามิตรนั้นใช่จะเป็นกันให้นิรันต์ไปก็หาไม่ว่าแล้วก็เนื้อหมัดจะชกทรงเจียงเบาเห็นดังนั้นก็ทิ้งโคมกระโดดเข้ากันแต่ก็ยังไม่ทันจะแยกทั้งสองออกจากกันได้ก็พอดีโคมไฟอีกสามดวงวิ่งตึกตักมาตามทาง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 บาด ท, ท้ท่านชายใช้จึงว่าท่านทรงนั้นหากจะว่าไปถ้าว่าไกลก็ไกลถึงหนึ่งแสนแปดมืนลี้แต่ถ้าหากว่าไกลก็ไกลเพียงแค่เอ้่มท่านชายใช้ชี้ไปที่ทรงเจียงแล้วว่านี่ไงท่านทรงฝนทั่วฟ้าบุรุษร่างยักษงผงะรีบสุดลงมนเข่าเอาศิษะโคพื้นแล้วละล่ำละลักขึ้นว่า ข้าขะขาน้อยแม่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้มาเจอพี่ท่านในวันนี้ทรงเจียงเอ่ยขึ้นว่าข้าไม่สมควรกับมารยาทขนาดนี้ดอกบุรุษร่างยักษ์จึงว่าแต่ข้าน้อยเพิ่งจะจ่วงจับหยาบช้าไปพี่ท่านโปรดอภัยให้ด้วยนะขอรับข้านี้มีตาเสียเปล่าแต่หารู้จักเข า, ท า, าไทศาลไหมบุรุษผู้นั้นหาได้ลุกขึ้นไม่ ท่งเจียงจึงเรียบรุษเข้าไปฉุดแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านผู้ทรงเกียรติมีคำว่ากระไรหรือขอรับท่านชายชายจึงบอกชื่อและพื้นเพ ข, ของบุรุษผู้นั้นให้ทรงเจียงฟังพอได้ฟังก็จิงดังว่าลํำพังได้พบเสือบุญภูตัวเป็นๆได้เห็นโจรกล้าในป่าเปลี่ยวคนเที่ยวทางก็ให้เสียวหนักหนาแล้วแต่พอขานชื่อบรุษผู้นี้ออกไปแม้ดาวเดือนก็ต้องเลือนแสง แม่น้ำเดือดแดงก็ยังต้องไหล ย, ย้อนกลับและท่านชายใช้เอ่ยนามผู้ใดออกไปเล่าท่านชายใช้ก็เอ่ยนามขึ้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรคนรองนามว่าบูสงพื้นเพเป็นคนตาบลชิงเหอเขามาอยู่ที่นี่ได้เกือบสองปีแล้วทรงเจียงจึงว่าแม่ ข้เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านร่ำลือไปในวงการยุทธภพมาหลายครั้งนึกไม่ถึงเลยว่าวันนี้จะวิ่งขโมยชนก็ให้ที่นี่ช่างโชคดีแทๆ้ๆท่านชายใช้จึงว่าเมื่อผู้กล้ามาพบผู้กล้าวันนี้ต้องเป็นเลิกผานาทีที่หาไดเปรียบถ้าเช่นนั้นเชิญท่านเข้าไปนั่งสนทนากันด้านในจะไม่ดีกว่าหรือทรงเจียงเบิกบานใจยิ่งนักจุงมือหูดสงเข้าไปตึกหลัง แนะนำให้น้องชายได้รู้จักท่านชายใช้เชิญวูสงนั่งทรงเจียงขอให้นั่งหัวโต๊ะแต่วูสงปฏิเสธหลังจากเถียงกันไปมาตามมารยาทอึดใจต่อมาวูสงก็นั่งเก้าอี้ตัวที่สามช้จิ้นเรียกหาสุรมามรินแล้วขยันขยอให้แขกทั้งสามดื่มกินกันให้เต็มที่ต้แสงเทียนทรงเจียงอดที่จะชื่นชมเรือนร่างอันกำยำล่ำสันพึงภายสูงใหญ่ของวูสงไม่ได้ จึงเอ่ยปากถามออกไปว่าท่านมาที่นี่ได้อย่างไรกันท่านวูสงวูสงตอบว่าเรื่องของเรื่องเก่ามีอยู่ว่าที่บ้านข้าในตำบลฉิงเหอวันหนึ่งข้าเมาไม้เกิดไปทะเลาะกับผู้รักษาตู้หนังสือลับประจําสาลาว่าการข้าต่อยออกไปแค่หมัดเดียวเองมันก็หงายหลังวัดพื้นพึงหมดสติไปเลยข้าก็นึกว่ามันตายจึงได้หนกีกระเซาะกระเซิงมาพึ่งท่านชายใชย้ที่กระหาร์หลังนี้นั่นแหละ นี่ก็เกือบสองปีแล้วตอนหลังข้ามาทราบว่าชายคนนั้นยังไม่ตายแถมฟื้นขึ้นมาเป็นปกติซะด้วยข้าก็เลยคิดจะกลับบ้านไปเยี่ยมพี่ชายแต่ให้บังเอิญติดไข้ป่าจนแล้วจนรอดก็ยังไปไม่ได้ตอนที่พบท่านพี่นั้นไข่กำลังจะจับเลยข้าหนาวสั่นจนต้องผิงไฟก็พอดีท่านพี่ไปเหยียบด้ามกระเดื่องดีดทานไฟใส่หน้าข้าท่านพี่ทาให้ข้าตกใจจนเงือไหล ไข่ที่หนาวสั่นอยู่ก็สางไปสิ้นซ่งเจียงได้ฟังเช่นนั้นก็ยินดียิ่งนักทั้งสี่ดื่มกินกันจนเวลาล่วงเข้าไปถึงยามสามสมุ่งซ่งขอให้วูสงย้ายมานอนในห้องปีกตะวันตกของตนกับน้องพอรุ่งขึ้นเช้าท่านชายใช้สั่งล้มแกะและหมูแต่งโต๊ะเลี้ยงดูซรงเจียงเรื่องนั้นเราจะไม่ขอก่าวอีกนะครับหลายวันต่อมาทรงเจียงเอาเงินให้วูสงไปหาซื้อเสื้อผ้า ท่านชายใช้ได้ยินก็ห้ามส่งเจี้ยงไม่ให้ใช้เงินใดๆทั้งสิ้นแล้วสั่งให้คนรับใช้เข้าไปหยิบผ้าไหมอย่างดีจากห้องเก็บสมบัติมาให้ช่างเสื้อส่วนตัวตัวตดเย็บให้แขกทั้งสามตอนที่มาถึงใหม่ๆบูสงก็ได้รับความเอื้อเฟื้อเชกเช่นแขกคนอื่นๆแล้วเหตุฉไหนจูๆ่ๆท่านชายใช้จึงได้ทำตัวเหินห่างจากบูสงไปเสียเล่านั่นก็เพราะว่าวูสงดื่มเหล้าเมาเป็นประจำดื่มแล้วก็โมโหโกรธทาเข้าให้อีก นึกไม่พอใจบริการอะไรเป็นต้องหาเรื่องทุบตีบ่าวไพร่จนไม่มีบ่าวคนไหนเป็นปากเป็นเสียงให้ตัวซํมไม่หนํายังเก็บเอาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆไปฟ้องท่านชายใช้อยู่ไม่ได้ขาดแม้ท่านชายใช้จะไม่ถึงกับออกปากไล่ตรงๆหากกิริยาอาการก็ห่างเหินออกไปเรื่อยๆแต่หลังจากที่ส่งเจียงเข้ามาจัดการเรื่องนี้และดื่มกินกับูสงทุกเมื่อเชื่อวันชายหนุ่มก็ไม่มีอาการก้าวร้าวให้เห็นอีก คนทั้งสองคบหาสนิทสนมกันมาได้กว่าสิบวันแต่ตัวหูสงนั้นเป็นโรคคิดถึงบ้านใคร่แต่จะกลับไปเยี่ยมพี่ชายที่ฉิงเหอท่านชายกับซ่งเจียงได้ข่าวก็ร้องขอว่าอย่าพิ่งด่วนไปแต่วูสงก็เฝ้าแต่รบเร้าว่าข้าน้อยเป็นห่วงพี่ชายนักข้าวคราวขาดหายไปไม่ได้ยินมนหลายเพลาแล้วซ่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าฮอกท่านจะต้องไปจริงๆเราก็จะไม่รังท่านไว้ แต่ถ้ามีโอกาสก็จงเรียบกลับมาเยี่ยมเราอีกนะบูสงขอบพระุณทรงเจียงท่านชายใชัย้าเอาเงินให้ก้นหนึ่งบูสง์กล่าวเป็นเชิงขอขามาลาโทษว่าไต้เท้าขอรับข่าน้อยก่อเรื่องราวให้ท่านลำบากมามากนักแล้วแล้วก็กลับไปเก็บข้าวเก็บของใส่ห่อผ้าเสียบเข้ากับไม้เท้าเตรียมพร้อมที่จะไปท่านชายใช้จัดโต๊ะเลี้ยงส่ง วูสงสวมเสื้อคลุมไหมตัวใหม่สีแดงสดใสใส่หมวกสก๊ะลัดปีกกว้างสีขาวยกไม่เท้าที่สอดห่อผ้าขึ้นบ่าแล้วกล่าวอํลลามิ ส, สหายส่งเจียงเรียกหาด้วยสนิทใจว่าระประเดี๋ยวน้องพี่แล้วรีบกลับเข้าไปในห้องหยิบเงินมาก้อนหนึ่งแล้วรีบกลับมาที่ประตูคฤหาสน์แล้วเอ่ยขึ้นว่าเราจะตามไปส่งน้องสักหน่อย ว่าพรางกับซ่งฉิงก็ลาท่านชายใช้เดินตามไปส่งวู่สงแล้วหันมาเอ่ยกับท่านชายใช้ว่าใต้เท้าขอรับประเดี๋ยวเราจะเรียบกลับแล้วทั้งสามก็จากปราสาทตะวันออกมาเมื่อเห็นว่ามาได้ไกลสักหกเจ็ดลี้วูสงจึงเอ่ยขึ้นว่าเรามาไกลพอแล้วท่านพี่จงกลับไปเสเดิดท่านชายจะรอนานซ่งเจียงบอกว่าเฮ้ยไปอีกสักหน่อยนะ่า ท่านสองก็สนทนากันไปพลางเดินไปพลางกว่าจะรู้ตัวก็ต่อไปได้อีกสามลวูสงหันมากุมมือทรงเจียงแล้วเอ่ยขึ้นว่าท่านพี่อย่าได้ไปไกลกว่านี้อีกเลยโบราณก็ว่าไม่ไม่ใช่หรือว่าทรงเพื่อนตอให้ตามไปส่งสักพันล้ไม่ช้าไม่นานก็ต้องจากกันอยู่ดีทรงเจียงจึงว่าข้างหน้า น, นี้ไม่กี่ก้าวมีโรงเตี้ยมเล็กๆริมทางหลวง เราก็าไปนั่งดื่มกระสักพักก่อนแล้วค่อยไปทั้งสามเข้าไปนั่งในโรงเตียมส่งเจียงนั่งลงที่หัวโต๊ะวูสงเอาไม้พลองที่ถือต่างไม้เท้าพิงฝานั่งลงปั่งตรงข้ามส่งฉิงก็สุดตัวลงนั่งอีกข้างหนึ่งสมุส่งสังสุราและกับแกรมตอนที่พวกเขาดื่มกันไปได้หลายจอกนั้นแต่วันก็ข้ามหัวไปเบื้องทิศ ต, ตะวันตกแล้วปูสงจึงเอ่ยขึ้นว่าหม่ ฤดูนี้กลางวันสั้นลงทุกเวลานาทีหากไม่ถือเป็นการดูหมิ่นถินแคลนก็โปรดรับไว้สักสีเขาเต่าแล้วรับน้องเอาไว้ร่วมสาบานด้วยเถิดซ่องเจียงเปลืมปิติยิ่งนักวูสงโคกศรีรษะเป็นการคาระวะสี่ครั้งสมุตซ่องก็สั่งซ่องชิง ม, มอบเงินให้วูสงสิบตำลึงวูสงพยายามปฏิเสธท่องฉิงจึงว่าเงินก้อนนี้จาเป็นสาหรับท่านนักแล้วท่องเจียงก็ว่า อย่าได้คิดเป็นอื่นไปเลยหากไม่รับพี่ก็จะไม่นับว่าเจ้าเป็นน้องวูสงไม่มีทางเลี่ยงได้แต่ขอบคุณแล้วเอาเงินก้อนนั้นเก็บใส่ไท้ายซ่งเจี้ยงชําระเงินวูสงหยิบไม้เท้ามาถือทั้งสามออกจากโรงเตี๊ยมเมื่อตอนจากกันนั้นบูสงน้ําตาไหลาพากซ่งเจี้ยงกับซ่งฉิงยืนมองจากประตูโรงเตี๊ยมจนกระทั่งคนเดินลับหายไปจากสายตาแล้วทั้งคู่ก็บ่ายหน้ากลับ พอมาได้สักสี่ห้าลี้ก็พอดีท่านชายใช้ขี่ม้ามาตามบุรุษผู้สูงศักดิ์จูงม้าหลังเปล่าตามมาด้วยอีกสองตัวทั้งสองกล่าวขอบพระคุณกระโดดขึ้นหลังม้าแล้วขี่กลับครือหาดท่านชายเชื้อเชิญทั้งสองให้เข้าไปในห้องโถงแล้วดื่มสุรากันอีกนับแต่นั้นสองพี่น้องก็ได้รับความอนุเคราะห์ให้อาศัยกบดานอยู่ในเครือหาดตะวันออกสืบมาตอนนี้เราจะขอซอยเรื่องออกเป็นสองท่อน มาว่ากันตอนที่วูสงแยกจากซ่งเจียงคืนนั้นเขาไปพักในโรงเตียมตามปกติเช้ามาก็รีบตื่นกินข้าวปลาอาหารชำระเงินเก็บข้าวของหยิบไม้เท้าขึ้นมาถือแล้วออกเดินไปตามทางวูสงคิดในใจว่าซ่งเจียงนั้นผู้คนทั้งยุทธภพเรียกหากันว่าฝนทั่วฟ้าช่างสมนามงามชื่อนักหนาไม่เสียใจเลยที่ได้ไมารู้จักมักคุนกับท่านผู้นี้ วูสงเดินทางต่อไปอีกหลายวันก็มาถึงชายเขตตะบนหยางกูตอนนั้นเวลาเที่ยงแล้วแต่ก็ยังอยู่ห่างจากตัวเมืองจริงๆอีกไกลโขการเดินทางไกลทำให้ชายหนุ่มทั้งหิวและกระหายพอขมินมองออกไปข้างหน้าก็เห็นโรงเตี๊ยมหลังหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ริมถนนเหนือประตูทางเข้ามีป้ายแขวนเขียนกากับไว้ว่าแค่สามก็ข้ามสันเขาไปไม่ได้วูสงก็ไปข้างในนั่งลง เอาไม้เท้าพิงฝาแล้วร้องขึ้นว่าเท่าแกขอรับเอาเหล้ามากินหน่อยผู้ดูแลร้านลำเลียงชามสามใบตะเกียบคู่หนึ่งและจานใส่ของกบเคี้ยวขึ้นมาวางบนโตะ๊ะแล้วเทเหล้าใส่หนึ่งในสามชามจนล้นปรีวูสงก็ยกชามไปนั้นขึ้นซดจนหมดเหล้าแล้วพึมพำขึ้นว่าแม่เาหล้าไหนี้รสดีจริงๆท่านเจ้าของร้านหากท่านมีอะไรมาแกล้งข้าก็ขอแบ่งมาเป็นกับสักหน่อย เจ้าของร้านเอ่ยขึ้นว่าแวัวมีเพียงเนื้อสุกอย่างเลี้ยวอ่ะวูสงจึงว่าถ้าเช่นนั้นหันไม้ข้าสักสองสามช่างเลือกเอาแต่ส่วนดีๆนะเจ้าของร้านเข้าไปในครัวกลับออกมาพร้อมด้วยเนื้อวัวสองช่างใส่มาในจานขนาดใหญ่แล้วเอามาวางไว้ต่อหน้าวูสงเจ้าของร้านเรนเหล้าใส่ชามใบที่สองวูสงก็ยกขึ้นดื่มรวดเดียวอีกแล้วเอ่ยชมขึ้นว่าหมเหล้านี่เยี่ยมจริงๆ วูสงชมไม่ขาดปากแล้วก็ตามเข้าไปอีกชามหนึ่งซึ่งก็เท่ากับสามชามเข้าไปแล้วเจ้าของร้านทำไข่สือไม่ยอมรินต่อวูสงจึงเคาะโต๊ะเตือนเอนผู้จัดการเหล้าอยู่ไหนเฮ้เจ้าของร้านจึงเอ่ยขึ้นว่าจะเอาเหล้าอีกหรือขอรับได้ได้รออีกเดียววูสงพูดสัมทับขึ้นไปว่าสองอย่างเลยเนื้อด้วยเหล้าด้วย เจ้าของร้านเอ่ยขึ้นอีกว่าอ๋อเนื้อนั้นข้าจะหันให้แต่สุราท่านจะไม่ได้อีกแล้วดอกขอรับวูสองมโมโหร้องขึ้นว่าบะบะ้าสิ้นดีทําไมหรือเฮ้ยเจ้าของร้านร้องตะโกนบอกว่าท่านไม่เห็นป้ายที่แขวนไว้หนา้าร้านดอกหรือขอรับแค่สามก็ข้ามสันเขาไปไม่ได้วูสงถามขึ้นว่าแล้วนั่นมันหมายความว่าอะไรฮะ เจ้าของร้านจึงว่าถึงแม้ว่าสุราของเราจะเป็นของบ้านนอกแต่ก็หอมหวนอยูนใจเชกเช่นสุราเก่าเก็บชั้นเลือดคนเดินทางคนใดได้ดื่มเข้าไปสามชามเป็นอันต้องเมาข้ามสันเขาลูกนั้นไม่ไหวที่ได้ชื่อม้าก็ด้วยเหตุนั้นนั่นเองเราไม่มีใครที่ผ่านมาทั้งนี้จะกล้าดื่มเกิน ก, นกว่าสามชามวูส่งยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นว่าเช่นนั้นเองดอกหรือบ้า ข้าดื่มไปต้องสามชามแล้วเหตุชะไหนจึงยังไม่ทันเมาเลยเล่าเจ้าของร้านว่าสุราข้าไม่ฉายาว่าหอมเล็ดขวดส่วนอีกสมยาก็ว่าล้มหน้าประตูตอนแรกๆท่านอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พออีกสักหน่อยก็จะม้อยกระรอกเดี๋ยวค่อยดูสิอู๋สงตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยแล้วไหลข้ามีเงินจนะ่ายน้า เร็วเข้ารินนี้ค้าอีกสามชามเมื่อเห็นว่าสุราของตัวทำอะไรชายร่างใหญ่ไม่ได้เจ้าของโรงเตี้ยมจึงรินเพิ่มให้อีกสามชามวูสงก็ดวดลงไปรวดเดียวหมดแล้วเอ่ยชมขึ้นว่าสุดยอดจริงๆเลยพ่อพาเฮ้ยเท่าแก่ข้าจะจ่ายเป็นชาาๆไปรินมาให้เรื่อยๆสิปัดโถขาดจังหวะเฮ้เจ้าของร้านว่าใจเย็นๆขอรับ เล่านี้ล้มคนมานั่งต่อ น, นักแล้วยาแก้ก็ไม่มีซะ ด, ด้วยปูสงร้องลั่นว่าเฮ้แล้วไรถึงเจ้าคิดจะวางยาข้าก็มีจะหมกเหมือนกันนะโว้ยปาดโทแม้ว่าเจ้าของโรงเตี๊ยมจะหว่านล้อมอย่างไรอย่างไรปูสงก็หาฝั่งไม่และอีกสามชามก็หมดไปอีกปูสงสั่งออกไปอีกว่าเอาเนื้อมาให้ข้าอีกสองช่างเจ้าของร้านก็นําเนื้อมาให้ และรินเหล้าเพิ่มอีกสามชามเหล้านั้นกระตุ้นความอยากของบูสงยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนต้องควักเอาเงินออกมาวางบนโต๊ะเขาเอ่ยขึ้นว่าดูนี่แค่นี้พอค่าเนื้อค่าเหล้าหรือไม่เจ้าของโรงเตียมตอบว่าโอ้ยเกินพอแล้วขอรับอันที่จริงข้าต้องทอนให้ท่านอีกไม่ต้องทอนรินมาเรื่อยๆก็แล้วกันเจ้าของร้านร้องเตือนว่า ตอนนี้เล่าค่ะยังพอเหลืออีกห่าถึงหกชามแต่ข้าเกรงว่าท่านจะดื่มต่ออีกไม่ไหวน่ะสิผู้สงร้องขึ้นอีกว่าเฮ้อีกห้าหรือหกชามหรือมากกว่านั้นข้าก็ยังไหวมีเท่าไหร่ก็รินมาอีกให้หมดเจ้าของร้านร้องออกไปว่าตัวท่านใหญ่โตยังกับยักษ์ปักลันถ้าล้มแล้วข้าจะเอาแรงจากไหนมาแบกเฮ้อผู้สงว่า ถ้าต้องปล่อยให้เจ้ามาแบกข้าก็ไม่แน่จริงนะสิวะเจ้าของร้านลังเลวูสงให้รำคาญใจนักจึงตะวาดไปว่าเฮ้ยกล้าดืมก็ต้องนี้ปัญญาจ่ายสิหนาอย่าทำให้ข้ามีน้ำโหนนะไม่เช่นนั้นจะรื้อร้านเองเอาดาบมาทำกาต้มน้ำเสร็จเลยเจ้าของร้านคิดในใจว่าไอ้บัตช็อนี่ถ้าจะเมาเสียแล้วอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับมันจะดีกว่า ว่าแล้วเจ้าของโรงเตี้ยมก็สงบปากสงบคํารินเหล้าให้วูสงไปอีกเรื่อยๆไม่ช้าวูสงก็ว่าเข้าไปทั้งสิ้นสิบแปดชามวูสงหันไปหยิบไม้เท้าแล้วลุกขึ้นแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่เห็นเมาสักหน่อย <c oughs> <c oughs> ว่าพรางก็หัวร้อแล้วเดินออกประตูจากไปแล้วคิดในใจว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใครกันนะบอกว่าแค่สามก็ข้าไม่ได้นะ เจ้าของโรงเตี้ยมรีบวิ่งตามตะโกนถามไปว่านี่ท่านคิดจะไปไหนเลยขอรับวู๋สงชะ ง, งักตัวแล้วพูดขึ้นว่าแล้วมันเรื่องอะไรของเองวะข้าจ่ายเงินหมดแล้วตะโกนหาพระแสงอะไรอีกเล่าเฮ้ยเจ้าของร้านพูดขึ้นว่าข้าปรารถนาดีดอกกลับมานี่ก่อนข้าจะให้ดูใบบอกของทางการวู๋สงถามว่าแล้วมันเขียนว่าอย่างไร เจ้าของร้านบอกว่ามันแจ้งว่ามีเสือโคร่งตัวหนึ่งนผากแดนตาปนตอนกลางคืนจะออกอารวานหน่าเยอือบนสันเขาจริงอย่างมันกินชายชะกันกว่าส0สิบคนเข้าไปแล้วบ้านเมืองสั่งบรรดานายพรานให้ออกล่าไม่ฉะนั้นจะต้องโทษเคียนตีแล้วประกาศปิดเส้นทางทุกสายที่จะใช้ขึ้นเขาใบบอกนั้นกำกับว่าคนเดินทางไปกันเป็นมูและห้ามขึ้นเขาทุกเวลายกเว้นยามสายถึงตอนบ่าย ยิ่งเดินทางคนเดียวยิ่งห้ามเด็ดขาดวันนี้ก็บ่ายมากแล้วข้าเห็นว่าท่านคงไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนจึงไม่อยากเห็นท่านไปฆ่าตัวตายนะใหญ่ยยจึงไม่ค้างเสียที่นี่แล้วและพรุ่งนี้ค่อยร่วมกับคนอื่นๆสักยี่สิบสาสิบคนออกเดินทางจะได้ข้ามเขาไปได้อย่างปลอดภัยอย่างไรเล่าบูส่งได้ฟังก็หัวราแล้วพูดขึ้นว่าข้าเป็นคนชิงเหอ ข้ามสันเขานี้มาไม่ต่ากว่ายี่สิบสามสิบเที่ยวแล้วไม่เคยเห็นเสือสางที่ไหนอย่าเอาเรื่องขี้ขีพันนี้มันตกตาข้าเสียให้ยากแต่ถ้าหากมีเสือจริงๆข้าก็ไม่วันเจ้าของโรงเตียมพูดขึ้นว่าข้าก็แค่อยากจะช่วยชีวิตท่านเอาไว้เท่านั้นถ้าไม่เชื่อก็เข้าไปดูป้ายประกาศใ้โรงเตี๊ยมข้าก็ได้ปู่สงร้องขึ้นว่าเฮ้ยกระปุกนะข้าไม่เคยกลัวเสือดอก เจ้าหมายจะรังข่าไว้ปล้นข่ากลางดึกละสิท่าแน่ถึงนดีเพียนสร้างนิยายเรื่องเสือร้ายขึ้นมาครัวฮะเจ้าของร้านพูดขึ้นยังอ่อนใจว่าดีแล้วเมื่อท่านแปลเจตนาของข้าไปในทางที่ร้ายก็แล้วไปไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไปเลยไปฮ้ยเจ้าของโรงเตี้ยมสายหน้าแล้วกลับเข้าไปในร้านบูสงกระชับไม้เท้าในมือออกมุ่งหน้าไปทางเขาจิ้งอยาง พอไปได้สัก4ีห้าลี้ก็ถึงตีนภูที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านชูทำงานอยู่ข้างทางมีคนถากเปลือกไม้ออกไว้ขาวโพรนเขียนตัวหนังสือกำกับไว้วูดสงนั้นรู้หนังสือแตกฉานจึงทราบว่าเป็นป้ายห้ามมีข้อความว่าไม่นานมานี้บนสันเขาจิ้งหยางมีเสือกินคนตัวหนึ่งคนเที่ยวทางควรเดินทางกันเป็นหมวดหมู่ และข้ามเขาลูกนี้ได้เฉพาะในตอนสายถึงตอนบ่ายเท่านั้นอย่าได้เสี่ยงอันตรายใดๆเป็นอันขาดบูสงสงยะยิม้มแล้วนึกในใจว่าแม่ไอ้คนบนเทิงแขกผู้นี้ฝีมือมันจัดจา้านดีแท้เล่นเอาลูกค้าต้องกลับไปค้างคืนกับมันแต่คิดจะมาหลอกเรานั้นไม่สำเร็จหรอกว่าพรางก็ถือไม้เท้าขนานกับพื้นปีนเนินเขาขึ้นไปตอนนั้นเวลาล่วงบ่ายแก่ๆตะวันชิงพบ ใกล้จะหลบเลี่ยมเขาไปทางทิศตะวันตกแต่ก็ยังทอแสงแดงฉานวูสงแปรเข้าไปแล้วด้วยฤทธิ์เล่าที่ดื่มเข้าไปแต่ก็แข็งใจปีนเขาขึ้นไปเรื่อยๆพอไปได้อีกครึ่งลี้ก็มาถึงสารเจ้าพูดภูกผาที่ผูกพังหลังหนึ่งใบประกาศแผ่นหนึ่งติดกํากับไว้ที่หน้าประตูอ่านได้ความว่าประกาศตำบลหยางกูไม่นานมานี้ปนสันเขาจิ้งอยางมีเสือร้ายตัวหนึ่งออกอลาวาตกินคน แม้ทางการจะระดมผู้นำชุมชนในเมืองหัวหน้าหมู่บ้านและบรรดาพรานป่าออกไล่ล่ากระนั้นก็หาเป็นผลไม่ดังนั้นบรรดาผู้เดินทางสัญจรจงข้ามสันเขาลูกนี้ไปเป็นกลุ่มก้อนและไปได้เฉพาะช่วงสายถึงตอนบ่ายเท่านั้นดังนั้นจึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันว่าห้ามคนสัญจรข้ามสันเขาลูกนี้โดยลาพังไม่ว่าจะเป็นในเวลาใดๆก็ตามมิฉะนั้นจะถูกเสือจับกิน เอาแล้วเป็นเรื่องเสร็จแล้วไหมล่ะตอนนี้เจ้าของโรงเตี๊ยมไม่ได้หลอกเสร็แล้วใบบอกก็มีตราทางการประทับกำกับว่าให้เห็นอยู่ทนโทษแต่แรกวูสงก็คิดจะหวนกลับไปยังโรงเตี๊ยมแต่เกิดเปลี่ยนใจถ้าเรากลับไปไอ้เจ้าของโรงเตี๊ยมก็จะปราโมทาเราได้ว่าเราขี้คลาดตาขาวแต่มีอะไรจะต้องกลัวไปด้วยเล่าปีนปีนขึ้นไปแล้วค่อยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีกว่า คิดแล้วก็ไปต่อความร้อนของเหล้าตีตลบขึ้นกล o b หน้าปูสง์ปัดหมวกสกสารตีกว้างให้หล่นไปค้างที่กลางหลังนีดไม่เท้าเข้ากับรักแร้แล้วปีนขึ้นไปพอเงยหน้าขึ้นดูตะวันก็รับเหลี่ยมเขาฤดูใบไม้ร่วงเข้าหน้าศาสตร์ยามนี้กลางคืนนานแต่กลางวันสั้นนักเมื่อเร็วเป็นพิเศษปูสงค์รำพึงกับตนเองว่าเฮ้ยไม่เห็นมีเสือสางที่ไหน คนหลอกกันไปเองจนไม่กล้าขึ้นเขาขณะที่วูสงออกแรงเดินเราก็ออกฤทธิ์แพ่พิษสงออกไปทั่วสารพางกายมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าส่วนอีกมือหนึ่งแวกอ ก, อกเสื้อระบายลมตอนนี้วูสงชักจะ ก, ก้าวสเปะสปะลากขาเข้าไปในหมู่ไม้เบื้องหน้าด้วยความยากลำบากพอไปถึงก็เห็นแผ่นหินเรีย บ, ยบขนาดใหญ่แผ่นหนึ่งจึงเอาไม้เท้าพิงไว้แล้วปีนขึ้นไปเตรียมจะล้มตัวลงนอน ท่านใดนั้นเองลมหอบใหญ่ก็กอนโชคมาพอสิ้นเสียงใบไม้ไหวกราวใหญ่หูก็พลันได้ยินเสียงคำรามดังมาจากหลังหมู่ไม้และพญาเสือครองขนาดม้หิมาตัวหนึ่งก็กระโจนผุงออกมาในตาประสงค์ร้ายใตนาผาักแดนคู่นั้นเฉียงขึ้นไปเป็นประกายวาวโรดปู่สงุทานไอยารีบกระโดดลงจากแผ่นหินคว้าได้ไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็ลนลานเข้าไปหลบอยู่หลังก้อนหิน หนึ่งตัวหิวอีกหนึ่งคนกระหายเสือใหญ่ตัวร้ายตะกุยอุ้งเล็บเท้าหน้ากับพื้นสองสามทีแล้วผลเข้าใส่ส่วนปูสง้นน้ำเล่าที่กินเข้าไปแตกพรากออกต่างเงือหนาวเยียบเชียบเย็ยนไปทั้งร่างเร็วเกินกว่าจะทันบรรยายปูสมตีลังกาม้วนตัวกลิ้งมาข้างหน้าเสือร้ายก็กระโจนข้ามหัวไปข้างหลังพ่อขาหน้าตะครุบพื้นเสือก็หมายจะเอี้ยวตัวมาตะปบใส่แต่ด้วยตาหลังไม่มีปูสงก็กระโดดหลบไปได้ด้วยไว เสือร้ายก็พลาดอีกคราวนี้เสือพยายามตวัดหังเหล็กฟาดให้คำรามใส่ด้วยริบกรธแพรพิรอดกึกกล้องไปทั่วสันเขาแต่วูสงก็หมุนตัวหลบไปได้อีกเช่นเคยอันเสือตัวนี้มีกลวิธีล่าเหยื่อสามทางด้วยกันคือกระโจนตะครุบและตะปบแต่ถ้าว่าทั้งสามวิธีล้วนใช้ไม่ได้ผลในยามนี้กำลังขวัญที่เคยมีก็ตกลงไปกว่าครึ่งเสือคำรามขึ้นอีกครั้งและหมุนตัวกลับ บรุดร่างใหญ่เหนือไม้พรองด้วยสองแขนขึ้นเหนือหัวแล้วเข็นด้วยแรงทั้งหมดที่มีกดลงบังเกิดเสียงดังสนันน่นกิ่งไม้บนหัวกิ่งหนึ่งขาดสะบ้านตกผ่านหน้าทั้งก้านทั้งใบร่วงพลูลงมาสู่พื้นก็ตอนนั้นนั่นเองชายหนุ่มก็ให้ตระหนักว่าเพราะอารามรีบร้อนแทๆ้ๆแทนที่จะหวดไม้พรองใส่หัวเสือตัวกลับไปคาดใส่กิ่งไม้บนหัวไม้พรองหักกลางเหลือกำติดมือไม่ถึงครึ่งท่อน พยักร้ายกัดแกงหางไปมาด้วยโกรธจัดแล้วกระโจนเข้าตะครุบอีกวูสงดีดตัวถอยหลังนี้ออกมาได้ราว19 <Hey. S 1> เสือที่กระโดดใส่ก็ตะครุบได้แต่ดินเปล่าๆเบื้องหน้าวูสงเบี่ยงด้ามไม้พรองทิ้งใช้สองมือขย่มปุยขนสองข้างแก้มเสือกำไว้มั่นทั้งขนทั้งหนังแล้วออกแรงกดลงกับพื้นเสือดึงหัวสะบัดอย่างบ้าคลั่งหมายจะให้หลุดออกจากมือคนแต่หูสงก็ใช้พลังกำลังทั้งหมดของตนกดเอาไว้ไม่ยอมปล่อย แล้วระดมตีนเปล่าเตะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาใส่หัวหูคู่ต่อสู้อย่างสุดตัวเล่นกังไคไม่เล่นเล่นกับผูสงโง่เนี่ยเลยวะสำนานฆ่าเสือในมือเปล่าแล้ววเฮ้ยเสือร้ายคำรามออกมาสองขาน้าตะกุยตะกายดินขึ้นมากองใหญ่จนพื้นดินเบื้องหน้ากลายเป็นแอ่ง ปูสงได้ทีก็กดจมูกเสือลงไปในหลุมเสือร้ายหายใจไม่ออกก็อ่อนแรงลงอย่างรวดเร็วด้วยมือข้างซ้ายยังคงกดหัวเสือไว้ในหลุมไม่ยอมปล่อยมือข้างหนึ่งที่บัดนี้เป็นอิสระก็กำแน่นดุดตะลมพุกเนื้อง่าขึ้นเหนือศรีษะแล้วเริ่มทุบกระนำใส่หัวเสือตัวนั้นอย่างไม่นับเฮ้เฮฮ้เอาซุ้บ่ะมันจะแหกตำนานได้แต่ให้มันรู้ไปซุวะเฮู้นนละวหูสง หลังจากระดมทุบลงไปได้ราวหกสิบเจ็ดสิบมัดเสือร้ายก็สิ้นฤทธิ์ <c oughs> เลือดสดๆไหลทลักออกจากปากจมูกลูกในตาและรูหูนอนหายใจผะแผ่วๆดังจะสิ้นแล้วซึ่งชีวิตวูสงยืนขึ้นคลาไปตามใต้ต้นสนจนพบไม้พรองหักก็กว้าเอามอกฟาดใส่อีกไม่ยัง้งจนสัตว์หน้าขนตนนั้นหมดลมหายใจจึงโยนไม้พรองทิ้งเขาคิดในใจว่าแบกลงไปข้างล่างดีกว่า ว่าแล้วก็พยายามสอดตัวเข้าไปแบกเสือที่นอนจมกองเลือดขึ้นหลังแต่ปลุกปล้ำอย่างไรอย่างไรก็ไม่ไหววูสงหมดแรงกําลังที่แขนขาที่เคยมีก็เหือดหายไปจนหมดสิน้นวูสงสุดตัวลงนั่งพักบนโขดหินแล้วคิดในใจว่าโอ้โหช่างมืดเสียนี้กะไรหากมีเสือมาอีกตัวเราคงไม่ไหวแน่ๆ่ตอนนี้เราควรรีบหนีลงจากสันเขาลูกนี้ไปไวๆจะดีกว่า เอาไว้เช้าแล้วค่อยมาคิดว่าจะเอาอย่างไรดีวูส่งก้มลงเก็บหมวกสักการะข้างโขดหินใช้สองมือสาวไล่ไปตามพุ่มไม้แล้วค่อยๆไต่ลงจากสันเขาพอเดินลงมาได้สักครึ่งลี้ท่านก็เห็นเสือสองตัวกระโดดออกจากพงหญ้าแห้งข้างทางขวางหน้าเอาไว้วูส่งอุทานขึ้นมาว่าไอ้ยาเฮ้กูตายนนแน่แ่คราวนี้ แต่แล้วในเงามืดเสือสองตัวนั้นก็พลันหยุดยืดตัวขึ้นพ่อบูสงเแม่นมองเข้าไปใกล้ๆก็เห็นเป็นคนสองคนห่มหนังเสือแต่ละคนถือเหล็กกลวยฟางห้าซี่ทั้งสองจ้องมองบูสงด้วยความประหลาดใจแล้วเอ่ยขึ้นว่าไปกินดีเสือหัวใจจระเขหรือขาสิงโตมาหรือชั้นไหนจึงได้กล้าหาันชันใช้ขนาดนี้ฮะเฮ กล้าดีอย่างไรข้ามเขาเมื่อคนเดียวตอนมืดตุ๊ดตืออาวุธอะไรอะไรก็ไม่ถือไม่แบกท่านเป็นมนุษย์หรือพูดผีพิศษกันแน่ล่ะฮะวู๋สงซักขึ้นว่าเอ้แล้วแล้วแล้วแล้วท่านสองคนเป็นใครกันเล่าสองคนตอบว่าเราเป็นพรานป่าแถวนี้แหละวู๋สงถามขึ้นอีกว่าแล้วแล้วขึ้นมาทําอะไรบนภูนี้ในพรานถามด้วยความสงสัยว่านี่ท่านไม่รู้เลนยหรือไรบนเขาลูกนี้ มีเสือลายพาดกรนตัวใหญ่ออกหากินในตอนกลางคืนเฉพาะพรานเช่นข้าก็ถูกมันจับกินไปเจ็ดแปดคนแล้วส่วนคนสัญจรที่ผ่านทางก็ไม่รู้ว่าถูกมันกินเข้าไปสักเท่าใดข้าเองก็จำไม่ไหวท่านเทศสพิบาลตำบลเรามีบัญชาไปตามหัวเมืองหมู่บ้านสั่งการพวกเราพรานป่าทั้งหลายให้ออกจับตัวมันแต่ไอเสือตัวนั้นมันมีพละงกาลังมหาศาลนัก ไม่นิผพูดได้กล้าเข้าใกล้พวกเราโดนเคี้ยนตีมาหลายรอบแต่ก็ยังจับตัวมันไม่ได้คืนนี้เป็นเวรของพวกเราพวกเรามีชาวนาตามมาด้วยสิบกว่าคนเราเอาหน้าไม้กลอนของขอ ง, ของเบ้งติดเกาทันอาบยาสั่งดักไว้ทั่วทั้งบริเวณนี้แล้วมาซุ่มรอยอยู่ตรงนี้แหละจนเห็นท่านตัวโตๆเดินลงมาจากสันเขาเฮ้เราสองคนตกใจแทบตายเลยเอาละเอาละ แล้วท่านเป็นใครข้ามสันเขามาเห็นเสือบ้างหรือเชนไหนวูสงตอบว่าข้าเป็นคนผื้นเพตําบลฉิงเหอแซวูเป็นบุตรคนที่สองข้าเพิ่งเจอเสือตัวนั้นที่ดงไม้ข้างบนนู่นข้าทุบมันจนม่กระลอกไปแล้วพรานทั้งสองอ้าปากค้างแล้วตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยล้อเล่นกันหรือเชนไหนเนี่ยฮะวูสงตะโกนว่า หากทันไม่เชื่อก็ดูเลือดทิพเพื่อนตัวข้ากไไไ็ได้ฮะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยปู่สงก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพรานทั้งสองก็นึกชัโงนชะงายสนเท่ใจเป็นยิ่งนักจึงกูเรียกพักพวกชาวนาที่ตามมาให้ช่วยไม่ช้าชาวนาทั้งหมดก็มาถึงในมือล้วนถือเหล็กกลยฟางหน้าไม้เลนหลาหอกดาบท้วนทวทุกตัวคน ปู่สงถามในพานว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มาอยู่กันเสียที่นี่กับท่านละ่ะในพานว่าเสือตัวนี้ดุร้ายนักพวกเขาไม่กล้าเข้ามาใกล้ในพานทั้งสองก็เล่าเรื่องของปู่สงให้พวกชาวบ้านฟังอีกรอบแต่จะหาคนไหนเชื่อล้วนไม่มีปู่สงกล่าวขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นก็กลับไปกับข้าไปดูด้วยตาตัวเองเถิดพวกเขา เอาเหล็กต่อยเข้ากับหินเหล็กไฟจุดใต้ขึ้นดวงหนึ่งแล้วตามต่ออีกห7เจ็ดเล่มทั้งหมดก็ออกเดินตามหูสงกลับขึ้นไปบนสันเขาตรงไปยังที่เสือตัวนั้นนอนจมกองเลือดอยู่ทุกคนดีอกดีใจกันยกใหญ่รีบส่งม้าเร็วตะลุยลงไปส่งข่าวแก่ผู้ใหญ่บ้านและบรรดาหัวหน้าตระกูลใหญ่เจ้าของเรื่องชาวนาห้าหกคนช่วยกันจัด ก, การแบกเสือมัดขาสองข้างเข้าด้วยกันเอาคานสอดแล้วหามลงมา แกงกัดโซซัาโซเซตุปัดตุเปไปตามจังหวะเดินพอคณะลงมาถึงตีนภูก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันมาดักรออยู่ราวเจ็ดสิบแปดสิบคนทุกคนต่างอยู่ในอาการลิงโลดส่งเสียงอึกกระทึกคึกขนองรวมตัวกันเป็นขบวนแห่โดยมีเสือแบกนำหน้าบูสมนั่งตามหลังมาในแคร่ลำลองมุ่งตรงไปยังบ้านผู้รับผิดชอบทั้งหัวหน้าตระกูลเจ้าของเรื่องและผู้ใหญ่บ้าน ร่างมารอรับอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าบ้านร่างไร้วิ ญ, ญญาณของเสือร้ายตัวนั้นถูกนำมากองไว้ที่ห้องโถงใหญ่พวกในพรานกับหัวหน้าตะกูลต่างๆในเมืองอีกราวยี่สิบสามสิบคนก็กรากเข้ามาทักทายวูสงพวกเขาถามขึ้นว่าท่านนายนุม่มท่านมีนามว่าอะไรมาจากไหนหรือวูสงตอบว่าข้าเป็นคนฉิงเหอใกล้นี้เองมีนามว่าวูสงเป็นบุตรคนที่สอง ข้าเพิ่งกลับมาจากเมืองกลางโจกำลังจะไปเยี่ยมบ้านนะะพระเอินบ่ายวันนี้ข้าแวะผ่านโรงเตียมตีนเขาฝากระนูนแล้วเกิดดื่มเหล้าจนเมาพอปีนสันเขาขึ้นมาก็เจอเสือตัวนี้บูสงเท้าความหลังตอนที่ตนข่าเสือด้วยมือเปล่าเสียจนละเอียดละ อ, อผู้ฟังพากันอุทานด้วยความบันดาลใจโอ้ยช่างวระอาหารยิ่งนักใช่ใช่โอยสุดยอดสุดยอด พวกเรารอคอยวันนี้มานานแล้วท่านนี่สุดยอดจริงๆเลยประดานายพรานพากันเรียงหน้าเอียเ้ยมเฟี้ยมกันเข้ามาขอดื่มแสดงความยินดีเอาเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้มอบให้ฝ่ายบูสงหมดแรงตั้งแต่ตอนสู้กับเสือและต้องการนอนพักหัวหน้าตระกูลรับผิดชอบก็รีบสั่งบ่าวพร่ให้ตระเตรียมห้องรับแขกพอรุ่งเช้าก็ส่งข่าวไปยังตำบลและจัดแต่งแครพิเศษขนซากเสือเข้าไป วูสงตื่นขึ้นล้างหน้าบ้วนปากเจ้าของบ้านและคนอื่นๆเอาเนื้อแกะและเหล้าสองไห้มาเลี้ยงที่ห้องโถงวูสงสวมเสื้อเอาผ้าพกผมแล้วออกไปร่วมวงทุกคนต่างชูถ้วยดื่มแสดงความยินดีให้กับเขาไม่ขาดพวกเขาบอกว่าไอ้เสือโคร่งตัวนี้ฆ่าคนมาแล้วนับไม่ถ้วนก็ด้วยเหตุนี้พวกในพรานจึงถูกเขียนตีครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ท่านนายหนุม่มท่านมาขจัดปัดเป่ามูลเหตุเพศภัยให้เรา เอาโชคมาสู่เบิกทางสัญจรให้ตลอดปลอดภัยแกคนทุกผู้อย่างแท้จริงเราเป็นหนี้บุญคุณท่านสินแล้วบูสง์พูดด้วยความอ่อนน้อมว่าหาไม่ได้อันตัวข้านั้นใช่จะสามารถสันทัดจัดเจได้ก็หาไม่เป็นแค่ขอยืมโชควาสนาที่สวรรค์จัดมาให้พวกท่านก็เท่านั้นนั่นเองละขอรับทุกคนพากันแสดงความยินดีกับบูสงทั้งหมู่บ้านดื่มฉลองกันตลอดเช้า เสือถูกจับยัดใส่แคร่พวกหัวหน้าตระกูลสำคัญๆพากันเอาผ้าไหมและดอกไม้มาแต่งองค์ทรงเครื่องให้หูสงห่อผ้าก็มีคนแยกอเอาไปถือให้แล้วทุกคนก็ออกเดินเคลื่อนขบวนผ่านซุ้มประตูหมู่บ้านคณะผู้แทนจากตำบลมาเฝ้ารอเพื่อจะนำทางหูสงไปยังสลาว่าการอยู่นานแล้วพวกเขารีบเข้ามาคาระวะคนฆ่าเสือพาขึ้นไปนั่งเกี้ยวเปิดประทุนประดับประดาด้วยผ้าไหมและดอกไม้ เบาะ่สี่คนก็เข้ามาแบกเกี่ยวตามแค่เสือตรงไปยังสาราว่าการตำบลหยางกู่พอชาวเมืองได้ข่าวว่ามีชายหนุ่มผู้วีระอาจหารคนหนึ่งปราบเสือร้ายบนสันเขาจิ้งยางลงได้คนเหล่านั้นก็พากันมาประดังประเดแห่แหนกันออกมารอต้อนรับกันอยู่สองากทางแล้วมารุมมาตุ้มติดตามขบวนแห่ตรงไปยังสาาว่าการ มองออกไปจากเกี้ยววูสงเห็นฝูงชนออกมายืนร อ, อเต็มทุกตรอกซอกซอยที่ขบวนเกี้ยวผ่านไปอย่างชนิดมืดฝาหมัวดินทุกคนต่างอยากจะเห็นเสือกระทั่งท่านเทศาพิบาลเองก็ออกมายืนรออยู่ที่หน้าห้องโถงในสาราว่าการปูสงลงเกี้ยวก้มลงแบกเสือขึ้นไหลก้าวเข้าไปในสาราว่าการแล้วโยนซากเสือลงที่ประตูทางเข้าเทสาทอดสายตาไปยังชายหนุ่มร่างยักษ์สลับกับสัตว์ร่างใหญ่ เพียงคราสเดียวก็ตระหนักว่าถ้าไม่มีร่างกายใหญ่โตโมโหราณขนาดนี้คงล้มเสือที่มีพละงําลังมหาศาลขนาดนั้นไม่ได้ว่าแล้วก็เรียกวูสงเข้าไปในห้องโถงบูสงก้มลงคารวะท่านเทสาอย่างนอบน้อมท่านเทสาถามขึ้นว่าเจ้าข่าเสือตัวนี้ได้อย่างไรฮะบูสงก็เล่ารายละเอียดเรื่องที่เกิดขึ้นทุกคนที่ได้ฟังต่างก็นึกสนแท่อยู่ในใจอึ้งกันไปสิน้น เทสารินสุราให้เขาหลายจอกและตกรางวัลที่รวบรวมมาจากตระกูลใหญ่ๆ ใ, ในเมืองให้หนึ่งพพวงอีแปะผู้ทรงเอ่ยขึ้นว่าเป็นเพราะได้บุญวัสนามบา ร, รมีอาบพระสมีของใต้เท้าดอกข้าน้อยจึงฆ่าเสือตัวนี้ได้ลํำพังแต่ตัวเองนั้นจะได้สันทัดจัดเจนใดๆสักนิดก็ไม่มีชายหนุ่มพูดต่ออีกว่าเหตุชนไหนจะกล้าไปรับรางวัลตั้งมากมกายก่กองขนาดนี้ได้ ข่าน้อยได้ยินว่าเพราะเสือตัวนี้ทำให้ใต้เท้าลงทวษเอากับพวกนายพรานไปหลายคนข่าน้อยจึงใคร่จะคืนเงินทั้งพันพวงอีแปะนี้เป็นกำนันแด่พวกเขาท่านเทศาจึงว่าถ้าคิดเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าเถิดวูสงแจกจ่ายเงินก้อนนั้นให้บรรดานายพรานต่างๆอย่างทั่วถึงท่านเทสาทราบซึ้งในน้าใจและความวีระอาหารของเขายิ่งนักจึงตกลงใจ จะปูนบาเหน็จให้อีกแล้วเอ่ยขึ้นกับบูสงว่าถึงเจ้าจะอยู่ที่ฉิงเหอแต่ตำบล น, นั้นก็อยู่ติดอย่างกูของเราแค่นี้เองแล้วท่านเทษาก็เสนอขึ้นว่าข้าคิดจะตั้งให้เจ้าเป็นเมื่อปราบประจำตาบลเราเจ้าจะเห็นเป็นประการใดฮะบูสงรีบคุกลงบนเข่าแล้วเอ่ยขึ้นว่าหอกใต้เท้าจะเมตตาข้าน้อย ก็จะรำลึกพระคุณครั้งนี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอรับเทศบาลพิบาลตำบลหยางกู่จึงบัญชาให้เสมียนร่างหนังสือในวันนั้นแต่งตั้งวูสงให้เป็นในดาบมือปราบประจํากองพนัก ง, งานพลตระเวรของตําบลบรรดาหัวหน้าตระกูลสําคัญสําคัญในเมืองต่างพากันมาคํานับแสดงความยินดีต่อมือปราบคนใหม่พวกเขาพากันดื่มกินเฉลิมฉลองกันไปตลอดสี่ห้าวันต่อมาวูสงคิดในใจว่า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 ท่านก็ไม่เสียงทักดังมาจากด้านหลังท่านไอดาบูท่านตกถังเข้าวสารประเดี๋ยวนี้เป็นใหญ่เป็นตตเลยทำทีเป็นไม่รู้จักค่าเฮ้ยวูสงหันไปก็ถึงกับอุทานขึ้นว่าไอายยา้ยะท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรขอรับหากวูสงไม่ได้หันไปเห็นหน้าคนคนนี้เหตุชะไหนจะมีซากศพให้ทบเท่ากันอยู่ในหยางกูและผลที่ตามมาก็คือ หลายหัวต้องปิดปลิวไปใต้คมดาบเลือดสับสาบก็สาดยามถูกปาดด้วยใบยมีดแล้วใครกันเล่ามาเรียกหูสงโปรดฟังตอนต่อไปหากใครรู้ครับเรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังทั้งหมดกันในตอนหน้านะครับครับวันนี้เราก็ ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายขอขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่ถูกใจของใครในหลายท่านที่ชื่นชอบในด้านวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกังไม่มากก็ น, น้อยก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจะตุรพิททัพพรชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขขะพละปฏิพานทัตสาสสมบัติจงมีเดีท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน